แนวทางแรกเป็นกลุ่มของบุคคลที่ไม่เชื่อว่าผีมีจริงแล้วก็ลงความเห็นว่าเป็นเรื่ององมงายไร้สาระไม่เกิดประโยชน์ไม่มีประโยชน์ที่จะมาสนใจเรื่องเหล่านี้ส่วนแนวทางที่สองนี่เชื่อเชื่อว่าผีมีจริงวิญญาณมีจริงความเชื่อว่าผีมีจริงหรือไม่จริงเนี่ยเป็นสิทธิและเสรีภาพของแต่ละบุคคลที่จะเชื่อหรือว่าไม่เชื่อ จะไปก้าวกายบังคับไปมีความคิดเห็นเป็นไปในแนวทางเดียวกันในย่อมไม่ได้ในทางพระพุทธศาสนาแสดงเอาไว้ชัดเจนว่าผู้ที่ถึงแก่ความตายจิตวิญญาณของบุคคลผู้นั้นมิได้ตายตามรูปกายสังขารคือวิญ ญ, ญาณนี้ไม่ได้ดับสูญจบสิ้นไปเพียงแค่นั้นแต่จิตวิญญาณจะต้องไปเกิดใหม่ทันทีส่วนจะเกิดไปเป็นอะไรเนี่ยย่อมขึ้นอยู่กับผลแห่งกรรม และความยึดติดยึดเหนี่ยวกับกิเลสของใครของมันที่ไปเกิดแล้วมองเห็นด้วยตาได้เป็นหมูเห็ดเป็ดไก่เป็นปลาเป็นเสือเป็นช้างหรือเป็นมนุษย์อันนี้ตาเห็นได้แต่ที่ไปเกิดเป็นสิ่งที่ตามองไม่เห็นก็คือไปเกิดเป็นเทพเทวดาไปเกิดเป็นนางไม้หรือว่าไปเป็นเปรตอสุรกายอันนี้ตาเห็นไม่ได้ แต่ก็บอกว่าถ้าหากว่าผู้ใดสร้างแต่กรรมดีละเว้นจากทุจริตความชั่วทั้งหลายโดยเด็ดขาดเมื่อถึงอายุขยตายไปเมื่อใดจิตวิญ ญ, ญ, ญาณย่อมไปเกิดในภพภูมิที่ดีไม่มีความทุกข์แต่ผู้ใดขยันสร้างแต่กรรมชั่วมัวเมาอยู่แต่ในความทุจริตทั้งหลายจิตวิญญาณของคนผู้นั้นย่อมไปเสวยทุกขเวทนาหลังจากที่ตายไปแล้ว แล้วก็หลงติดอยู่ในแดนทุกขอย่างนั้นไปอีกนานแสนนานเปรตอสุรกายและผู้ผีทั้งหลายที่วนเวียนคาบเกี่ยวอยู่ในโลกมนุษย์และโลกวิญญาณก็คือจิตวิญญาณของผู้ทุจริตและหลงติดอยู่ในกิเลสแทบทั้งสิน้นวิญญาณจึงไม่ใช่เรื่องราวที่ชวนให้ระทึกใจแต่เพียงอย่างเดียวแต่ยังเป็นการแสดงผลให้เห็นถึงพื้นฐานจิตใจของผู้ที่ถึงแก่ความตายไปแล้ว แล้วไปผุดเกิดเป็นอรูปทั้งหลายในภูมิต่างๆกันเมื่อรู้แล้วเห็นแล้วอย่างนี้ว่าถ้าหากยังลุ่มหลงมัวเมาในทุจริตความเลวร้ยรายทั้งหลายหรือยึดติดแน่นเหนียวอยู่ในกิเลสทั้งปวงตายไปเมื่อใดอาจจะกลายเป็นวิญญาณทรมานวนเวียนอยู่ในโลกวิญญาณอีกนานเท่านั้นซึ่งก็คงไม่มีใครปรารถนาจะเป็นอย่างนั้นแน่นอน ถ้าแง่คิดแบบนี้ถูกนำไปพินิษพิจารณาโดยละเอียดย่อมจะเกิดประโยชน์แก่ตัวท่านเองไม่มากก็ น, น้อยครับมาเริ่มกันจากเรื่องที่หนึ่งวันนี้นะครับเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณเกือบยี่สิบปีมาแล้วที่บ้านปู่ของคุณบุญเกิดอยู่ในจังหวัดพังงาในยุคที่เรียกว่าสังคมบ้านเมืองกำลังเจริญรุ่งเรือง วิทยาศาสตร์การแพทย์ก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยัง้งและสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ก็นับได้ว่าท้าทายความเจริญต่างๆให้สะดุ้งไปตามๆกันถ้าเอ่ยชื่อปู่ของคุณบุญเกิดเนี่ยรับรองว่าคนในตัวเมืองพังงาตอนนั้นแทบจะไม่มีใครไม่รู้จักเนื่องจากปู่คุณบุญเกิดประกอบอาชีพเป็นแพทย์แผนโบราณที่มีชื่อเสียงมากครั้งนั้นเรื่องเริ่มจากว่าในตอนค่ามืดดึกเดินคุณบุญเกิดสังเกตว่า ปู่น่เกิดอาการนอนไม่หลับทุกวันต้องเดินไปเดินมาอยู่ในบ้านปู่เดินถือปืนพกจะเรียกว่าเดินตรวจการก็ว่าได้เดี๋ยวเดินขึ้นชั้นบนเดี๋ยวเดินลงชั้นล่างเป็นอย่างเนี้ยทุกคืนในช่วงที่คุณบุญเกิดปิดเทอมกลับไปเยี่ยมบ้านก็คิดว่าปู่คงจะคิดมากตามประษาคุณแก่แต่พร้อมๆกันนั้นย่าคุณบุญเกิดก็มีอาการแปลกๆเหมือนกัน คือนั่งตาลอยทั้งวันไม่ยอมพูดจากับใครแล้วก็ยังปวดหัวบ่อยๆคุณบุญเกิดอยู่ที่บ้านปู่ได้สองอาทิตย์ก็ขึ้นมาเรียนต่อที่กรุงเทพหลังจากมาอยู่กรุงเทพได้หนึ่งอาทิตย์ก็มีจดหมายจากลงุงมาถึงพ่อคุณบุญเกิดที่กรุงเทพเล่าเหตุการณ์ประหลาดที่ชวนตื่นเต้นคนลุกคนพองให้ทราบคือเมื่อลุงของคุณบุญเกิดไปหาปู่ที่บ้านก็ได้รับรู้ถึงอาการของปู่กับย่า เช่นเดียวกับที่คุณบุญเกิดได้เจอแต่ว่าลุงไม่คิดอย่างคุณบุญเกิดลุงเชื่อว่าปู่กับย่าต้องโดนอำนาจลึกลับอะไรสักอย่างดังนั้นเมื่อลุงกลับไปบ้านที่อำเภอท้ายเหมืองก็ได้ไปติดต่อกับอาจารย์ทางศิยศาสตร์ชาวขาเขมรซึ่งมีบ้านอยู่ใกล้กันกับลุงเล่าอาการของปู่กับย่าให้ฟังพร้อมทั้งให้อาจารย์นั่งทางในตรวจสอบผลปรากฏว่าทั้งปู่และย่า ถูกคนเขาทากุญสเข้าใสา่และถ้าไม่รีบแก้ครบเดือนนี่จะต้องตายทั้งคู่เรื่องแก้ก็ต้องรีบทำกันอย่างเร่งด่วนลุงทรเลขไปเรียกอาผู้ชายที่อยู่ตะกวัวป่าให้ไปพบกันที่บ้านปู่สองทุ่มที่บ้านปู่อาจารย์ขมรได้นำสายสินโยงไว้รอบบ้านแล้วก็ให้ทุกคนนั่งรวมกันอยู่ในบ้านจากนั้นอาจารย์ก็นั่งทางในเพื่อหาตาแหน่งที่ถูกฝังรูปปัน้นกุญส ทุกคนก็นั่งกันเงียบกริบสักครู่ก็ได้เรื่องอาจารย์เอาผ้ายันให้แก่ลุงแล้วก็อาผู้ชายคนละผืนจากนั้นให้ทั้งสองคนเดินตามแกออกมาหน้าบ้านนอกวงสายศิลที่โยงรอบบ้านเดินตรงไปที่สารพระภูมิเจ้าที่ซึ่งตั้งอยู่ไม่ห่างจากหน้าบ้านเสร็จแล้วก็ให้ลุงกับอาช่วยกันขุดดินตรงโคนเสาสารพระภูมิด้วยมีดที่อาจารย์ได้เตรียมมาคนละด้าม ขณะที่ขุดก็ห้ามไม่ให้พูดกันเด็ดขาดอาจารย์ก็คอยบริกรรมคาถาไปตลอดเพราะขุดลงไปลึกได้ซักอกก็เจอสิ่งที่ว่าเข้าจริงๆเป็นรูปปั้นดินเหนียวปั้นเป็นรูปคนสูงหนึ่งคือพ้องป่องอาจารย์ก็เอาผ้าขาวห่อตุ๊กตาขึ้นมาจากหลุมเอามีดหมอผ่าตุ๊กตาตั้งแต่หัวจรดเท้าพบของอาถรรพ์หลายสิ่งด้วยกันมีตะปูสองดอกเส้นผมหนึ่งหย่อม หนังควายเขียนชื่อปู่กับญ้าชิ้นหนึ่งแล้วก็ผงเหลืองๆมัดรวมกันอยู่ในตุ๊กตาตะปูนั้นอาจารย์บอกว่าเป็นตะปูตอกลงผีตายหงเส้นผมคนตายฝังอยู่ทางส่วนหัวส่วนหนังควายกับยาผงนี่ฝังอยู่ที่ท้องดินที่ปั้นนี่ใช้ดินใจกลางปา่าชะหลังจากอาจารย์ผ่าดูแล้วก็ใช้มีดหมอดั้มที่ผ่านนั่นแหละสับๆลงไปที่ตุ๊กตาพร้อมทั้งว่าคาถาสะกดไปด้วย จากนั้นก็ใช้ผ้ายันมาห่อแล้วจึงเก็บเข้าย่ามเป็นอันเสร็จพิธีสาเหตุของเรื่องก็มาจากว่าเป็นการเข้าใจผิดของเพื่อนบ้านในกรณีที่ดินซึ่งทางปู่และย่ารวมทั้งทุกคนในบ้านไม่รู้เรื่องด้วยแต่เมื่อเพื่อนบ้านผู้นั้นถูกเจ้าหน้าที่ที่ดินมาตรวจรังวัดก็คิดว่าปู่นะเป็นคนไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่ที่ดินนั้นก็เกิดความอาฆาตแค้นว่าเสียผลประโยชน์หาว่าปู่แกล้ง จึงจ้างคนมีวิชามาทำของใส่ดังว่านั้นและในขณะที่อาจารย์คเหมรกําลังทําวิธีถอนคุณใสอยู่นั้นเพื่อนบ้านคนที่ว่านี้ก็มาด่ อ, ด อ, ดอมดมมองมองดูอยู่ด้วยภายหลังเมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วอาจารย์กลับไปท้ายเหมืองมีข่าวมาอีกว่าเพื่อนบ้านคนนั้นตามไปหาอาจารย์ถึงบ้านจะให้อาจารย์ทําคุณใสใส่ปูกับญ้าอีกแต่อาจารย์ไม่รับทํา เรื่องราวก็เลยจบลงเ อ, อ่ยกันไปโดยที่ไม่มีการแก้แค้นตอบโต้จากทางญาติของคุณบุญเกิดปัจจุบันปู่คุณบุญเกิดเสียชีวิตไปแล้วอายุ82ปีส่วนย่ายังมีชีวิตอยู่เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่คุณบุญเกิดหวังว่าคงจะให้ความรู้และข้อคิดหลายสิ่งหลายอย่างในทางที่ดีแก่ท่านผู้ฟังนะครับมาถึงเรื่องที่สองครับ เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่หมู่บ้านเล็กๆที่อยู่แถบชนบทจังหวัดราชบุรีชื่อหมู่บ้านดอนขาเป็นหมู่บ้านที่ปลูกอาศัยอยู่หลายหลังคาเรือนปลูกเราะริมบึงคลองธรรมชาติตั้งบ้านเรือนกันเป็นย่อมๆในลักษณะพื้นที่ลุ่มบ้างดอนบ้างราษฎรส่วนใหญ่ก็มีอาชีพในการทำนามองไปข้างหน้าจะมองเห็นบ้านหลังหนึ่ง ปลูกสร้างเรือนสมัยโบราณทรงปัญญาบ้านหลังนี้เป็นบ้านของนายชินมีอาชีพทำนาเมื่อประมาณปีพศ2525เนี่ยนายชินได้ล้มป่วยลงอย่างกระทันหันด้วยโรคหลายอย่างด้วยกันญาติพี่น้องต้องนำส่งโรงพยาบาลอยู่เรื่อยเป็นปนหายๆ ห, หมอก็ให้กลับบ้านเป็นอยู่อย่างเนี้ยอยู่บ่อยครั้งนับระยะเวลาผ่านไป โรคภัยของแกก็เริ่มจะสุดหนักเข้าทุกวันแพทย์จากโรงพยาบาลต้องให้น้ำเกลือแล้วก็ลงความเห็นว่าในชิ้นเป็นความดันโลหิตสูงและเลือดในร่างกายน้อยด้วยผลสุดท้ายมาตอนหลังอาการกําเริบแกถูกนำส่งเข้าโรงพยาบาลอีกจนวาระสุดท้ายแล้วแกก็ตายไปสร้างความเศร้าโศกเสียใจให้กับลูกเมียและบรรดาญาติพี่น้องเป็นอย่างยิ่ง บรรดาญาติญาติก็ได้นําศพไปบําเพ็งกุศลตามประเพณีศพจัดตั้งไว้บนศาลาหลังเล็กๆเพราะว่าที่วัดนี้ไม่มีศาลาสวดศพในตอนเย็นวันเดียวกันประมาณสักหกโมงเย็นเห็นจะได้บรรดา ญ, ญาติพี่น้องต่างก็ทยอยกันมาฟังพระสวดพระอภิธรรมบ้างก็มาเยี่ยมแล้วก็กลับไปแต่ก็มีส่วนน้อยคุณประกาศเองได้ไปเยี่ยมเคารพศพแล้วก็ไปฟังพระสวดกับเขาด้วยเหมือนกัน เพราะว่าเป็นญาติพี่น้องกันห่างๆเวลาผ่านไปทุกคนต่างนั่งฟังพระสวดพระอภิธรรมกันอย่างสงบยังไม่ทันนานเท่าไหร่เหตุการณ์ที่ไม่น่าเกิดก็เกิดขึ้นผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นพี่สาวของคนตายเกิดอาการสั่นทั้งตัวร้องวีดหวยหวนเสียงดังลั่นเหมือนกับถูกผีเข้าจนพระต้องหยุดการสวดพระอภิธรรมชั่วครู่ทุกคนต่างยืนตกตะลึงมองดู คุณประกาศต้องร้องบอกให้ทุกคนถอยหลีกออกไปให้ห่างเพราะว่าคุณประกาศต้องการทดสอบความจริงบางอย่างคืออยากจะรู้ว่าวิญญาณมีจริงหรือเปล่าเดี๋ยวแล้วก็ซักถามผู้หญิงที่ผีเข้าสิงร่างอยู่ว่าเอ็งตายไปแล้วมาทำไมกันแล้วก็ต้องการอะไรกูยังไม่ตายหมอมันขีดยากูลูกชายกูอยู่ไหนกูต้องการพบมันพลางหญิงสาวก็ร้องไห้เป็นการใหญ่ คุณประกาศก็ถามต่อไปอีกว่าใครเอาร่างมึงไปมันก็ตอบว่ามีคนสี่คนบนหัวมีเขาด้วยยื้ยุยดจุดกระชากลากกูไปโอ้ยกูเจ็บปวดเหลือเกินมันลากกูไปตามถนนในมือถือหอกด้วยกระบองด้วยตอนที่กูอยู่บนสะลากูเดินไปบนสะลาทาไมบรรดาญาตสนิทมิสหายไม่มีใครพูดจาทักทายกูเลยสักคนกูพูดด้วย ก็ไม่มีใครทักเลยมันร้องไห้สะอื้นสักครู่หนึ่งมันขอเหล้ากินคุณประกาศก็ต้องรินเหล้าขาวให้แก้วหนึ่งมันกินพรวดเดียวหมดเลยแล้วก็พูดว่าชื่นใจจริงๆคุณประกาศต้องการให้งานศพครั้งนี้สาเร็จไปโดยไวๆดังนั้นก็ขอให้วิญญาณจงเป็นสุขอย่าได้เป็นห่วงในทุกสิ่งอะไรเลยประเดี๋ยวจะแผ่ส่วนกุศลไปให้ทันใดนั้นวิญญาณก็ออกจากร่างของผู้หญิงคนนั้นไป ในช่วงนั้นคุณประกาศยังได้นิมนต์พระอาราธนาธรรมต่อเหตุการณ์วันนั้นผ่านพ้นไปหลังจากนั้นการสวดพระธรรมในคืนที่สามผู้คนบรรดาญาติพี่น้องได้มาฟังพระสวดกันตามปกติหลังเลิกงานแล้วก็เหลือแต่คุณประกาศกับบรรดาญาติพี่น้องที่นอนค้างอยู่บนศาลาโดยเฉพาะคุณประกาศนอนกับลูกชายของนายชินทั้งสองคนในช่วงดึกสงัด ปรากฏว่าผีเจ้าชิ้นมันนั่งอยู่บนหัวนอนมันเปิดมุงเข้ามาตามองจ้องขมิ้งเป็นประกายคุณประกาศกลัวก็กลัวแต่ก็ต้องค่อยๆเคลื่อนตัวออกจากมุงไปสะ ก, กิดให้ญาติที่มันนอนให้ดูด้วยญาติเห็นด้วยเสร็จแล้วร่างผีเจ้าชิ้นก็หายวับไปคืนนั้นทั้งคืนคุณประกาศต้องนั่งคุยกับญาติพี่น้องโดยที่ไม่ได้นอนเลยจนกระทั่งรุ่งเช้าเสร็จแล้วก็เล่าเรื่องนี้ให้กับท่านเจ้าอาวาสวัดฟัง ท่านบอกว่าวิญญาณของคนเราที่ตายไปเนี่ยยังวนเวียนอยู่ในห้วงกรรมเขาเรียกว่าวิญญาณพนเนจรโยมต้องไปบอกกับญาติให้ลูกชายเขาบวชเนนหน้าไฟสักเจ็ดวันวิญญาณเขาจะได้ไปสู่สุขติภพนับตั้งแต่นั้นมาวิญญาณของเจ้าชิ้นก็ไม่มาให้มีใครได้พบเห็นอีกเลยหลังจากที่ลูกชายเขาบวชให้ครับ เรื่องผีเรื่องที่สามนี่เกิดขึ้นที่มวกเหล็กครับมวกเหล็กเมื่อสามสิบปีก่อนนี้ยังด้อยพัฒนามีแต่ป่ารกเรือรอเร้อรอการแพร่ถางเพื่อทําการเกษตรคุณสวัยซึ่งเป็นเกษตรกรนักบุกเบิกกําลังขับรถไถคู่ชีพลุยไถไร่อันเป็นป่าที่เขาลงแรงแพร่ถางให้กลายเป็นเนื้อที่เพาะปลูกหน้าฝนใกล้เข้ามาแล้ว เขาจะต้องไถให้เสร็จเพื่อหยอดเมล็ดพันุ์รอฝนที่จะตกลงมาหล่อเลี้ยงแม้เวลาจะผ่านไปถึงเที่ยงคืนกว่าแล้วแต่นายสวัยก็ยังคงไถพื้นที่ของเขาอย่างเอาเป็นเอาตายแสงไฟหน้ารถก็พุ่งจับพื้นดินข้างหน้าที่ถูกพลิกขึ้นทุกขั้นตอนและแล้วสายตาของนายสวัยก็เบิกโพรงเมื่อสิ่งที่พลิกขึ้นมาพร้อมกับดิน เป็นวัสดุสีขาวมอมอ ม, มีรอยกลวงโบอยู่สองรอยกับฟันที่หลุดบ้างเขาก็พึมพำว่าโอ้สวยอะไรอย่างงี้ว่าดันไถเอาหัวกะโหลกคนขึ้นมาได้เขาก็กดคันบังคับยกขึ้นเทเอาหัวกะโหลกลงกับพื้นแล้วก็ถอยหลังรถเบี่ยงออกจากที่เดิมแล้วลุยไถไปใหม่ทิ้งหัวกะโหลกไว้ด้านหลังท่านใดนั้นก็มีเสียงของคนร้องด้วยความเจ็บปวดดังแทรกเสียงเครื่องยนต์ขึ้นมา โอ้ยโอ้ยโอ้ยเขาเปิดสปอตไลท์ด้านหลังพึบเสียงร้องนะ่ะยังดังมาจากหัวกะโหลกที่เขาถ่ายทิ้งไปเมื่อครู่นี้ขนหัวเขาลุกตั้งยังกำมีหนามมาสะไว้บนหนังหัวโอ้ยผีหลอกกูเข้าแล้วเขากลับบ้านด้วยความหวาดกลัวแล้วนอนไม่หลับทั้งคืนพอรุ่งเช้าก็กลับไปดูที่ที่เขาถ่ายไร่เมื่อคืนหัวกะโหลกยังอยู่ในสไไวก็นำไปจ้างเขานำไปฝังในป่าช้าต่อไป ทำไรมาหลายปีไม่รวยเพราะผลข้าไม่เป็นใจในายสวัยก็หันมาประกอบอาชีพทางขับรถแท็กซี่ในกรุงเทพคืนนั้นเขาขับรถเบรกแตกชนท้ายรถบรรทุกอย่างจังสลบคาที่พวงมาลัยอัดหน้าอกจนยุบและช้ำในรักษาตัวอยู่จนหมอบอกว่าปลอดภัยก็กลับมาขับรถแท็กซี่อีกแต่คราวนี้มีโรคแทรกคือปวดสันหลังปวดร่างกาย และความเจ็บปวดนั้นเลื่อนไปมาได้ไม่เป็นที่แล้วก็เริ่มมีอาการน้องคนหงุดหงิดปาขวางใครพูดไม่เข้าหูเป็นต้องหาเรื่องชกต่อยจนเพื่อนร่วมอู่พูดกันเป็นเสียงเดียวกันว่าไอ้ไหวบ้าตะเวนหาหมอมาหลายโรงพยาบาลแม้แต่โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพยาก็เข้ามาแล้วแต่ก็ไม่พบความผิดปกติเพื่อนแท็กซี่จึงพามาหาร่างทรงแถบบางแค นายสวยไม่ค่อยเชื่อถือแต่เมื่อหมดหนทางก็เลยต้องมาได้รับน้ำมันเสกของหลวงปู่ทวดไปทาตรงที่ปวดก็หายทันทีแม้อาการปวดจะเลื่อนไปมาพอทาแล้วก็หายแล้วก็ไม่เลื่อนไปเลื่อนมาอีกร่างทรงบอกว่าให้มาอาบน้ำมนต์อีกครั้งเพื่อไล่ของร้ายซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรแน่จนกว่าจะมีร่างทรงของพระพรหมจากพรหมโลกมาบอกนายสวัยได้เล่าเหตุการณ์ตอนรดน้ำมนต์ให้ฟัง โดยถ่ายทอดมาจากภรรยาที่ไปด้วยกันเพราะว่าตอนที่นายสวัยถูกน้ํามนขันแรกก็หมดสติไม่รู้สึกตัวภรรยาเล่าให้ฟังว่าร่างทรงพระพรหมจากพรหมโลกเสกน้ำมนรดพอขันแรกกระทบตัวนายสวัยก็ร้องโอก๊กมันเป็นเสียงของคนอื่นไม่ใช่เสียงของนายสวัยร่างนายสวัยดิ้นรนเหมือนจะถูกน้ําร้อนลวกยิ่งรดน้ำมนตลงไปก็ยิ่งดิ้นหนักขึ้นแล้วก็ร้องครวญครางดังลั่น สิทธิ์ร่างทรงจึงถามว่าิเป็นใครมาจากไหนอ่ะต้องการอะไรถึงมากั่นแกล้งคนเขาให้เดือดร้อนนายสวัยพูดเป็นเสียงคนอื่นตอบว่าข้าชื่อนายกนเนินสันเทียป่วยเป็นไข้ป่าตอนที่ต้อนควายมาขายพักพวกเอาศพข้ามาวังไว้ที่นี่นายสวัยไปไถไรก็เลยเป็นผีไม่มีญาติจะกลับบ้านเกิดก็ไม่ได้ พราร่างถูกขวางไว้อดๆอยากๆนายสวัยถึงคราวเคราะห์ไปไถเอาหัวกระโหลกขึ้นมาข้าก็สิงร่างมาตลอดสิทธิ์ของร่างทรงก็ถามว่าแล้วจะเอาอะไรก็บอกเขาไปแล้วจะไปอยู่ไหนก็แล้วแต่อย่ารบกวนเขาอีกนะไม่งั้นจะถูกทำลายวิญญาณวิญญาณในก่อนก็ขอให้ทำบุญอุทิศกุศลให้จากนั้นจึงออกจากร่างนายสวัยนายสวัยก็กลับไปทำมาหากินกับการขับแท็กซี่ต่อไปแล้วก็ดีขึ้นกว่าเดิม หลังจากนั้นสองเดือนนายสวัยก็ถูกพามาหาร่างทรงพระพรมจากพระมโลกอีกคราวนี้หนักกว่าเดิมร่างทรงพระพรมต้องเสกน้ำมนตร์ลดลงไปอีกแล้วก็รุนแรงกว่าเดิมเพราะถือว่าไม่รักษาสัญญานายสวัยที่ถูกสิงดินพลาดพลาดร้องโหยหวนสิ่ทร่างทรงก็ถามมาทําไมอีกอะไม่รักษาสัญญาไม่กลัวจะถูกทําลายวิญญาณเหรอคราวเนี้ยจะไม่มีการผ่อนผันแล้วนะ ในก่อนที่สิงร่างอยู่ก็รีบล่นลานบอกเหตุที่ต้องสิงทันทีใครว่าข้าไม่รักษาสัญญานะ่ะก็มันไม่ทําตามพอออกไปแล้วมันก็ไม่เคยทําบุญทําทานอะไรให้มันเฉยสิยอย่างนั้นแหละก็หิวหนักเข้ารอมันมาสองเดือนเนี่ยมันเบี้ยวแน่ก็เลยต้องเล่นงานมันอีกภรรยาในสวัยจึงยอมรับต่อหน้าร่างทรงพระพรหมว่าในสวัยได้สั่งไว้และให้เงินไว้แล้ว แต่ตัวเองไม่ได้ทําบุญอุทิศไปให้ในายกรร่างทรงพระพรหมก็บอกกับนายสวัยที่นายกรสิงอยู่อ่ะอ่ะคราวนี้ยกให้เพราะไม่ผิดแต่ถ้าเขาทําบุญให้แล้วยังกลับมาอีกคราวนี้ไม่ต้องต่อรองแล้วนะนายกนก็ออกจากร่างนายสวัยร่างทรงก็ให้รีบไปทําบุญแล้วก็ปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยเต่าเพื่อให้เขาไปเกิดได้เร็วขึ้นและกุศลก็ตกกับนายสวัยเองนั่นแหละ นายสวัยลงทุนหยุดขับรถไปทําบุญปล่อยปลาปล่อยเต่าด้วยตัวเองเพราะไม่ไหวใจภรรยาตั้งแต่นั้นมาเหตุการณ์ก็สงบนายสวัยได้ให้คนขุดเอาโครงกระดูกของนายกรขึ้นมาทั้งหมดแล้วนําไปซาประน ก, กิจอุทิศกุศลให้นับตั้งแต่นั้นนายกรก็ไม่ได้มาวอร์แวร์อีกเลยดรคลุมวัชโรบลผู้คนกว้าทางจิตและวิญญาณได้บันทึกไว้จากปากคําของนายสวัยผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ ได้ให้เหตุผลที่นายกรไปไหนไม่ได้แล้วก็คอยหาโอกาสที่จะได้รับการปลดปล่อยว่านายกรถึงแก่ความตายนอกถิ่นเกิดเพื่อนๆแทนที่จะหยุดขบวนต้อนวัวต้อนควายนำศพนายกรไปทําพิธีที่วัดชาปนากิจให้เรียบร้อยปลับฝังไว้ใต้ดินพระก็ไม่ได้สวดพิธีอะไรก็ไม่ได้ทำํำวิญญาณนายกรจึงต้องอยู่ตรงนั้นอย่างอดอดอยากๆใครทําบุญมาให้ก็ไม่ถึง เพราะเป็นภพภูมิแห่งสัมภเวสีเมื่อนยยายสวัยไถ่ไร่เอาหัวกะโหลกนายกรขึ้นมานายกรจึงหลอกหลอนให้ใจเสียแล้วสิงร่างจนได้รับการปลดปล่อยดังกล่าวเข้าทํานองเดียวกับสถานที่ที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยๆซ้ำๆ ซ, ำซากๆจนเล่าลือก็เพราะคนที่ตายอยู่ในที่นั้นไปไหนไม่ได้ก็อยู่กับที่แล้วก็คอยหาเหยื่อที่ดวงขาดมาอยู่แทนตัวเองหรือว่ามาเป็นเพื่อนนั่นเอง เรื่องราวของวิญญาณพนเนจรเป็นเรื่องเด่นลับยากแก่การอธิบายแต่หากใครถูกวิญญาณพนเนจรพวกนี้ทักหรือว่าสัมแดงเหตุแล้วมักจะถูกสิงหรือว่าเจ็บป่วยไม่สบายจนต้องทำบุญอุทิศให้ดังกล่าวซึ่งผู้ที่มีพระเวทและรอบรู้เกี่ยวกับเรื่องวิญญาณเท่านั้นที่จะสามารถล่วงรู้และติดต่อกับวิญญาณเหล่านั้นได้อย่าลืมว่าโลกที่เราอยู่นี้เป็นมิติซ้อนมิติ ทั้งเทวดาที่อยู่ในภูมิต่ำและพูดผีปีศาจที่เดินปะปนกับคนแต่มีมิติขวางกั้นไว้มองไม่เห็นกันคนที่ถูกผีหลอกหรือว่าเห็นผีโบราณว่าดวงตกดวงไม่ดีต้องรดน้ำมนต์เจ็ดวัดกันเลยทีเดียวเชียวแล้วนะครับมาถึงเรื่องที่สี่เป็นเรื่องของผีกับพระครับอันนี้เป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งของหลวงปู่พรมมาพรมจักโก หรือว่าพระสุพรมยานเถระวัดพระพุทธบาทตากผ้าตําบลมะกอกอําเภอป่าสางจังหวัดลําพูนซึ่งชาวเหนือมักจะเรียกท่านว่าครูบาพรห ม, มาหรือว่าหลวงปู่พระพุทธบาทตากผ้าแทนนามของท่านเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นครั้งที่ครูบาพรห ม, มาท่านบวชได้ไม่นานและท่านเริ่มเดินธุดงเพื่อบําเพ็ญสมณธรรมใหม่ โดยมุ่งหน้าไปที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งมีเทือกทิวแห่งภูเขาสลับซับซ้อนยาวเหยียดพระธุดงกรรมาฐานจาริกไปเพียงรูปเดียวสแสวงหาความวิเวกตามแนวป่าเขาราวไพรเพื่อชำระใจให้ล่วงพ้นกองกิเลสทั้งหลายเพื่อบรรลุสู่โมกขธรรมในชาติปัจจุบันระหว่างที่เดินผ่านชายป่าแห่งหนึ่งในเขตแม่ฮ่องสอนครูบาพรมมาพบวัดร้างแห่งหนึ่งอยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านทรานัก วัดร้างแห่งนี้ถูกทอดทิ้งให้สุดโทมผุพังอย่างน่าสังเวชเหลือเพียงศาลาการประเรียนเพียงหลังเดียวที่ยังทรงสภาพอยู่แต่ก็เก่าคร่ำคร่าไม่รู้ว่าจะถลม่มลงมากองกับพื้นดินในวันใดวันหนึ่งส่วนเสนาสะนะอื่นๆไม่ว่าจะเป็นโบสถ์และกุฏิน้อยใหญ่ก็กลายเป็นกองไม้กองอิฐทลายลงมากองเรียรายมีเถาวัลย์ไม้เลื้อยขึ้นปกคลุมไปทั่ว เวลานั้นเย็นมากแล้วครูบาพรหมมาก็ตัดสินใจเข้าไปพักที่ศาราล้างแห่งนั้นด้วยเห็นว่ายังมีบางส่วนพอเป็นที่มุงบงังกางกั้นน้ําค้างและลมหนาวในยามดึกได้ท่านก็หาเศษไม้ใบไม้เอามาปัดกวาดผุ่นละอองสกปรกออกไปตรงที่จะปัดกรดเพื่อใช้เป็นที่นั่งภาวนาแล้วก็พักผ่อนนอนหลับสําหรับคืนนี้ท่านกลางกรดเรียบร้อยตะวันก็เริ่มชิงคบทิ่งคร สายหมอกจับตัวพาดเป็นแนวยาวทอดทาบตามยอดเขาสูงเวลาเดียวกันก็มีชาวบ้านเป็นชายชะกันสองสาคนเดินลัดทุ่งตรงมายังศาลาร้างที่ครูบาพรหมานั่งอยู่พอมาถึงต่างก็ก้มลงกราบน้ำมัสการนอบน้อมแสดงความยินดีที่มีพระธุดงผ่านมาให้ทำบุญทำกุศลบ้างเพราะว่าหมู่บ้านแห่งนี้ไม่มีพระภิกษุมาจำพรรานานแล้วนับตั้งแต่วัดกลายเป็นวัดร้าง จากนั้นผู้ที่มีอาวุโสในกลุ่มก็กล่าวอาราธนานิมนต์ท่านขอให้เข้าไปพักในหมู่บ้านพวกเขายินดีจะช่วยนำอัฐบริหารไปให้แต่ครูบาพรหมมาปฏิเสธความปรารถนาดีนั้นเสียด้วยเหตุว่าท่านต้องการอยู่ในสถานที่อันสงบสงัดเพียงลำพังชาวบ้านเหล่านั้นเห็นครูบาท่านตั้งใจจะอยู่ที่สารารางไม่ยอมเคลื่อนย้ายไปไหนเขาก็เล่าให้ท่านฟังว่าที่สารารางแห่งนี้ผีดุนัก เคยมีพระทุดงหลายรูปผ่านมาพักณศาราแห่งนี้แล้วก็ถูกผีหลอกพระนั้นหนีผีกระเจิงกันมามากแล้วพวกเขาเกรงว่าครูบาจะได้รับอันตรายจึงพากันมาขอร้องให้ท่านก็ไปพักในหมู่บ้านจะดีกว่าครูบาท่านก็กล่าวอนุโมทนาในความปรารถนาดีของชาวบ้านทุกคนและยืนยันว่าท่านจะพักที่นี่ต่อไปและเชื่อว่าไม่น่าจะมีอันตรายเพราะท่านไม่ได้มาด้วยเจตนารบกวนหรือว่าเบียดเบียนผู้ใด เพียงแต่มาพักอาศัยชั่วคืนเพื่อปฏิบัติธรรมเท่านั้นเมื่อชาวบ้านเห็นครูบาไม่เปลี่ยนใจแน่พวกเขาก็พากันนมัส ก, การกราบลาไปด้วยความรู้สึกเป็นห่วงพระธุดงค์รูปนี้เป็นอย่างยิ่งยามค่ำมืดยามวิการย่างไกลครูบาพรมมาท่านก็สวดมวนต์ไหว้พระตามกิจของสงฆ์แลว้วก็เข้าที่ภาวนาภายในกรดรวมจิตให้ตั้งมั่นเพียงหนึ่งเดียวเพื่อจเจริญวิปัสสนาสมาธิ พิจารณาแต่เพียงข้อธรรมของการหลุดพ้นเพียงประการเดียวเนิ่นนานอยู่ในความสงบจนเวลาผ่านไปเท่าไหร่ไม่ทราบได้ครูบาก็ถอนจิตคลายออกจากสมาธิประมาณนะว่าเวลานั้นคงจะดึกมากแล้วทุกอนุอากาศเงียบสงัดอยู่ในความมืดแห่งรัตติกานท่ามกลางความเปล่าเปลี่ยววังเวงนั้นพลันครูบาก็ได้ยินเสียงหนึ่งกรีดร้องขึ้นมาใกล้ๆ เป็นเสียงอันโหยหวนเยือกเย็นที่ไม่ใช่เสียงจากมนุษย์คนไหนแน่นอนครูบาตระหนักว่าคำเตือนของชาวบ้านเมื่อตอนพบค่ำกำลังเป็นจริงขึ้นมาแล้วนั่นก็คือพูดผีวิญญาณร้ายกำลังแสดงภาวะเพื่อหลอกหลอนให้ท่านตกเป็นาทาสของความกลัวจนไม่อาจจะควบคุมสติให้ตั้งมั่นอยู่ได้และด้วยภาวะอันน่าขนพองสยองกล้าเช่นนี้เองที่ทาให้พระธุดงค์รูปก่อนๆซึ่งผ่านมาพักแรมในศาลาร้าง ไม่อาจส ก, กัดกั้นอารมณ์แตกสัน้นเพราะความกลัวเอาไว้ได้ถึงกับลืมวิสัยสมณะตะเลิดหนีไปจากศาลาแห่งนี้ครูบาพรมมารู้สึกหวั่นไหวเพียงชั่วขณะจิตแต่เมื่อควบคุมจิตให้มั่นอยู่ในสมาธิได้อารมณ์ที่วูบไหวก็หายไปเหลือไว้แต่ความรับรู้แต่วางเฉยต่อทุกสรรพสิ่งทึง่ไม่ใช่ตัวตนอันแท้จริงเสียงกรีดร้องคร่ำครวญที่หน้าพันพึง เดี๋ยวแผลวหายเดี๋ยวก็กูร้องหวีดวิวดังอึงอ้นไม่ขาดระยะแต่ก็ไม่ได้ทำให้ครูบาพรมมาสะทกสะทานแต่ประการใดท่านยังคงนั่งสงบนิ่งอยู่ภายในม้งกรดเหมือนเดิมประหนึ่งไม่รับรู้ต่อสัพเะสำเนียงใดๆยิ่งเนิ่นนานเสียงหวยหวนกับดังยิ่งขึ้นกว่าเดิมครูบาพรมมาจึงลืมตาขึ้นมองผ่านม้งกรดออกไปเบื้องหน้านอกชายขาศาลาร้างห่างออกไปไม่กี่วา ครูบาพรหมมาก็เห็นเจ้าของเสียงปรากฏอยู่ตอนแรกที่ท่านเห็นนั้มีลักษณะเป็นก้อนกลมสีดำขนาดใหญ่เจ้ว่าคล้ายตุ่มก็คล้ายแต่ว่าเส้นผ่าศูนย์กลางดูจะใหญ่กว่าตุ่มหรือโอง่งทั่วไปขณะที่ครูบาเพ่งมองด้วยความแปลกใจเจ้าก้อนดำใหญ่นี้ก็ขยายยืดสูงขึ้นไปเรื่อยๆกระทั่งกลายเป็นรูปกายของมนุษย์ที่มีลำตัวเหยียดยาวสูงเทียมยอดไม้ แต่ส่วนใบหน้าและศีรษะกลับมีขนาดเล็กผิดส่วนคอพับหัวห้อยตกลงมาเหมือนขนก้มหน้าแขนที่ยาวเหยียดลงมาแทบจะระดินนั้นมีมือสองข้างเป็นแผ่นใหญ่ดูไม่ผิดกับใบาตาลและแกว่งมือไปมาไม่หยุดนิ่งครูบาปรมมาเห็นแล้วท่านก็คิดว่าน่าจะเป็นเปรตก็ไม่รู้ว่าเปรตตนนี้ขณะที่เป็นคนมีชีวิตยังไม่ตายได้ก่อเวียนสร้างอากุส ล, ลกรรมความชั่วอะไรไว้ เมื่อตายถึงได้มาเสวยวิบากเป็นเปรตได้รับทุกขเวทนาถึงเพียงนี้ที่เปรตมาวีร้องหวยหวนชวนสยองขวัญเห็นทีจะไม่ได้มาปรากวดรูปกายหลอกหลอนเพราะความดุร้ายขนองเป็นแน่หากมาแสดงตนเพื่อหวังจะได้รับความช่วยเหลือให้บรรเทาวความทุกข์ทรมานอันแสนสาหัสเ ป, เป็นสำคัญครูบาพรมมาพิจารณาร่างไร ที่ยืนทำมือเป็นรูปเงาสีดำมัวมัวด้วยความเวทนาสงสารพร้อมกันนั้นท่านก็เกิดความสลดสังเวชเป็นอย่างยิ่งเมื่อนึกไปถึงว่าใครก็ตามที่ตายแล้วมาเกิดเป็นเปรตบุคคลผู้นั้นเมื่อยังมีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์คงจะดำรงตนอยู่ในความประมาทตลอดชีวิตของเขาประมาทว่าผลแห่งกรรมไม่มีประมาทว่าบุญบาปไม่มี จึงได้หลงผิดก่อบาปสร้างเวรให้แก่ตัวเองเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆกระทั่งปลายไปแล้วจิตวิญญาณจึงต้องมาเผชิญกับกฎแห่งกรรมของตัวโดยไม่คาดคิดซึ่งกว่าจะรู้สำนึกก็สายเกินไปแล้วผีเปรตที่แสดงทั้งกายและเสียงเบื้องหน้าครูบาปร ม, มานี้เชื่อว่าไม่ได้มาเพื่อจะหลอกหลอนด้วยความดุร้ายอะไร หากแต่มาแสดงรูปกายแล้วก็กรีดร้องขอความช่วยเหลือจากผู้ทรงศีลเพราะหวังจะหลุดพ้นไปจากภาวะอันทุกทรมานนี้เท่านั้นครูบาพรมมาไม่รู้ว่าท่านจะช่วยอมนุษย์ตนนี้ได้มากน้อยแค่ไหนแต่ถึงอย่างไรก็จะลองช่วยเหลือไปตามกำลังกุศลและเจตนาดังนั้นครูบาพรมมาจึงหลับตาลงเสียแล้วน้อมจิต ร, รำลึกเอากุศลความดีที่ท่านปฏิบัติสมณธรรมมา โดยถึงพร้อมทั้งกายวาจาใจอีกทั้งยังมุ่งมั่นบำเพ็ญเพียรเพื่อมุ่งสู่พระนิพพานอันเป็นเป้าหมายขอเอาพลังแห่งกุศลทั้งหลายเหล่านั้นเกื้อกูลต่อสัตว์โลกทั้งที่มีรูปและไม่มีรูปซึ่งกำลังได้รับทุกขเวทนาอยู่นี้ให้พ้นไปจากความทุกข์ทั้งปวงเถิดแล้วก็แผ่เมตตาให้แกผีเปรตตนนั้นครู่หนึ่งต่อมาเสียงหวยหวนกรีดร้องก็ค่อยๆแผ่วจางแล้วก็เงียบหายไป เมื่อครูบาพรมาลืมตาขึ้นมองไปเบื้องหน้าปรากฏว่าผีเปรตอันตรธานไปแล้วแสดงว่ากระแสแห่งความเมตตานั้นบรรเทาโทษภัยความทุกข์ของผีเปรตจนผ่อนคลายครูบาพรมาจึงไม่กังวลสนใจต่อสิ่งใดอีกคิดว่าจะเจริญสมาธิต่อไปอีกระยะหนึ่งจึงจะพักผ่อนหลับนอนยังไม่ทันขยับท่าเปลี่ยนอิยรยาบถให้เหมาะสม ทันนั้นเสียงกรีดร้องหวยหวนก็ดังระงมรอบศาลาร้างอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ไม่ใช่มีเสียงเดียวแต่มีหลายเสียงแผดประสานกันนั่นก็หมายความว่าณสถานที่แห่งนี้มีวิญญาณทรมานสิงสู่อยู่อย่างมากมายและต่างมุ่งหมายมาขอความเมตตาจากเนื้อนาบุญของพระทูดงกรรมฐานรูปนี้โดยพร้อมเพรียงกันคือนั่นครูบาพรมมาพรมจักรโก จำต้องแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลไปให้ผีเปรตทั้งหลายตราบกระทั่งสัพพะสำเนียงเหล่านั้นเงียบสงบเช้าวันรุ่งขึ้นครูบาพรหมมาพรห ม, มาจักโกท่านก็ออกโคจรบินถบาทไปที่หมู่บ้านนั้นแล้วก็กลับมากระทำพัฒกิจจนเรียบร้อยจากนั้นท่านก็จะริกทุดดงต่อไปตามเส้นทางธรรมของท่านครับ เรื่องผีลำดับที่ห้าเนี่ยเป็นเรื่องของเปรตในวัดครับเมื่อครั้งที่ท่านพระอาจารย์เทศเทศรังสีแห่งวัดหินหมากเป้งอำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดน้องคายเดินทางไปจำมรนษาอยู่ที่วัดหลังสารอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตเมื่อปีพศ2495มีสิทธิ์ของท่านติดตามไปด้วยจำนวนหนึ่งโดยมีทั้งพระภิกษุและแม่ชี ซึ่งทำหน้าที่ดูแลเครื่องพัตนาหารถวายพระให้เรียบร้อยพระภิกษุและแม่ชีต่างปฏิบัติธรรมกรรมฐานกันอย่างเคร่งครัดเป็นที่ศรัทธาเลื่อมใสของชาวภูเก็ตเป็นอย่างยิ่งบริเวณวัดหลังศาลมีต้นมะม่วงตาลจีนเก่าแก่อยู่ต้นหนึ่งกำลังออกลูกสะพรั่งแล้วก็แก่กำลังงามอยู่หลายส่วนวันหนึ่งได้เกิดมีพายุฝนโหมกระหน่ำรุนแรงเล่นเอาลูกมะม่วงร่วงหล่นลงมาเกลือนรอบๆบต้น กว่าพายุฝนจะสงบเวลาก็ล่วงเข้าไปเกินสองทุ่มแม่ชีเตี้ยงมีเชื้อจีนชาวอีสานซึ่งติดตามท่านพระอาจารย์เทศมาอยู่ที่ปักใต้เห็นว่ามะม่วงหล่นเรียร้ายมากมายก็นึกเสียดายหากปล่อยทิ้งไว้เกรงจะเน่าเสียไปก็หิ้วตะเกียงรั้วสองทางออกจากกุติที่พักไปยังที่โคนต้นมะม่วงเสร็จแล้วก็เก็บลูกมะม่วงมากองรวมกันไว้ เพื่อจะได้ขนกลับไปเก็บที่กุฏิสะดวกสะดวกขณะที่กลมๆเงยๆ เ, เ, เก็บมะม่วงอยู่นั้นแม่ชีเตี้ยงก็พลันมองเห็นผู้หญิงไว้ผมยาวประบ่านั่งยองๆตะคุ่มตะคุ่มอยู่บนเนินดินสูงเยื้องห่างออกไปก็คิดว่าคงจะเป็นอิลุยผู้หญิงสติฟันเพือนแต่ยังพอผู้รู้เรื่องซึ่งอาศัยอยู่ข้างวัดมานั่งเก็บมะม่วงหล่นเช่นเดียวกัน และอีลุยหรือว่านางลุยคนนี้ก็รู้จักคุ้นเคยกับแม่ชีเตี้ยงมานานพอสมควรแม่ชีเตี้ยงก็เลยร้องบอกออกไปอย่างถือสนิทว่าอีลุยไม่เอากระชะไม่ข่าทีสิกระชะนี่เป็นภาษาใต้ครับหมายถึงตะกร้าแต่ปรากฏว่าผู้หญิงคนนั้นกลับนั่งนิ่งเฉยไม่ขยับขยื่นแล้วก็ไม่พูดโตตอบแม่ชีเตี้ยงก็ตะโกนออกไปอีกโอยลุยนะโมจะนั่งเฉยซึมกระทื อ, อยู่ได้ บอกให้ไปเอากะทะไม้ขาทีนะได้ยินน้ำเปล่าหญิงซึ่งแม่ชีเตียงเข้าใจว่าเป็นอีลุยก็ยังนั่งเฉยทําเม่็นทองไม่รู้ร้อนแม่ชีเตียงคิดว่าอีลุยแกล้งทาก็เลยคว้าผลมะม่วงลูกเล็กๆขึ้นมาแล้วคว้างไปถูกตัวเสียงดังปุกแม่หญิงนั้นจะถูกคว้างโดยผลมะม่วงก็ยังไม่ขยับแต่ว่าลำตัวกลับขยื่นยื้อสูงขึ้นไปในแนวตรงแล้วก็สูงยาวขึ้นเรื่อยๆ แม่ชีเตียงถึงกับพังอะยืนตะลึงลานเพราะว่าผู้หญิงซึ่งคิดว่าเป็นอิลุยเนี่ยที่แท้กลับไม่ใช่มนุษย์แต่แม่ชีเตี้ยงฝึกปฏิบัติกรรมาฐานมานานแม้จะตกใจไปชั่ววูบก็คุมสติได้ไม่รู้สึกหวาดกลัวถึงกับลนลานและคาดเดาเอาว่าอะมนุษย์ซึ่งนั่งยองๆตัวสูงโย่งเกินครึ่งต้นมะม่วงที่เห็นอยู่นั้นเห็นทีจะต้องเป็นเปรตแน่นอนก็เลยพูดออกไป เออเ อ, อนึกว่าอีลุยเอาเถอะเดี๋ยวฉันจะทำบุญกวดน้ำไปให้นะจงอยู่เป็นสุขเป็นสุขเถิดว่าแล้วแม่ชีเตี้ยงก็คว้ามาม่วงถือติดมือได้ไม่กี่ผลแล้วเดินเลี้ยวเลี้ยวกลับกุฏิทันทีเดินห่างออกไปจนจะถึงกุฏิเหลียวกลับมามองก็ยังเห็นเปรตผู้หญิงนั่งตัวยาวยืดอยู่เหมือนเดิมวันรุ่งขึ้นตอนสายๆแม่ชีเตียงได้ขึ้นไปหาท่านพระอาจารย์เทศ แล้วเล่าให้ท่านฟังว่าแม่ชีได้พบเปรตตรงต้นมะม่วงมาอย่างไรพระอาจารย์เทศท่านก็ยิ้มยิ้ ม, ยมโยมตาฟาดไปลมะมั้งแม่ชีเตี้ยงก็ยืนยันเสียงแข็งว่าไม่ได้ตาฟาดหรือว่าเอาเรื่องตลกมาเล่าให้ฟังเห็นมาอย่างนั้นจริงๆท่านพระอาจารย์เทศจึงได้ยอมรับว่าแม่ชีเตี้ยงพูดตามความเป็นจริงแล้วก็ยังบอกให้รับรู้ต่อไปอีกว่าเมื่อท่านมาอยู่วัดนี้ใหม่ๆท่านเคยเห็นเปรตบ่อยๆ แต่เดิมนั้นมีเปรตติดอยู่ที่วัดนี้สิบตนในที่สุดก็เหลือแค่ตนเดียวหลุมฝังศพอยู่ข้างๆใต้กุฏิแดงแต่ที่ท่านพูดไม่ได้ไม่เล่าให้ใครฟังนั้นก็เนื่องจากเห็นว่าไม่บังเกิดประโยชน์อะไรครั้นแม่ชีเตี้ยงมาพบเห็นอย่างนี้อีกคนหนึ่งก็เลยเปิดเผยให้ทราบท่านพระจารย์เทศไม่ได้อธิบายว่าการที่เปรตมาปรากฏให้ท่านเห็นนั้นมีจุดประสงค์อะไร แต่ก็น่าเชื่อได้ว่าเปรตคงจะมาขอส่วนบุญเพื่อไปผุดไปเกิดณนภะพภูมิที่ดีกว่าสำหรับเปรตที่แม่จีเตี้ยงเห็นนี้คงจะเป็นเปรตตอนสุดท้ายอากุศลกรรมสำคัญที่เป็นแรงผลักดันให้ผู้ที่ตายไปผุดเกิดเป็นเปรตก็คือความโลภมนุษย์ปุถุชนทุกคนต่างก็มีความโลภด้วยกันทั้งสิน้นจะต่างกันเพียงโลภมากโลภน้อยแล้วก็มีสติหยุดยัง้งระงับความโลภได้มากน้อยแค่ไหน สำหรับผู้มัวเมาในความโลภชนิดไม่มีขีดจำกัดแล้วก็ไม่รู้สึกละอายเกรงกลัวต่อบาปมันเนื่องมาจากความโลภนั้นเป็นที่หวังได้ว่าถ้าหากว่าตายไปเมื่อไหร่ย่อมไปเกิดในภพภูมิของเปรตค่อนข้างแน่เว้นแต่จะมีกรรมอื่นที่หนักหนาสาหัสกว่ามาตัดร้อนให้เลื่อนไหลไปกับกระแสกรรมนั้ น, น, นเสียก่อนเป็นที่น่าสังเกตว่าเปรตซึ่งปรากฏให้ผู้คนพบเห็นมักจะเจอกันบริเวณวัดเป็นส่วนใหญ่ เรียกว่าเปรตในมีคู่กับวัดมาตั้งแต่โ บ, บราณกรณีเช่นนี้น่าจะมีสาเหตุจากคนที่เข้าไปใกล้ชิดเกี่ยวข้องกับวัดเช่นทําหน้าที่มรคนายกบ้างกรรมการวัดบ้างหรือว่าลดระดับลงไปเป็นแม่ครัวประจําโรงครัววัดบ้างเมื่อเกิดความละโมบนํานําสมบัติของวัดไปเป็นของตนทั้งทั้งที่รู้อยู่แก่ใจว่าเป็นของสงฆ์และกระทําการทุจริตแบบนี้ซ้ําแล้วซ้ําอีกเป็นอาจิน ตั้งแต่ลักขโมยช่อฉนคดโกงหรือว่าเบียดบังเอาเงินรายได้ของวัดมาใส่กระเป๋าตนผลแห่งกรรมชั่วย่อมจะบังเกิดแก่ตนอย่างแน่นอนบางคนอาจไม่ต้องรอนานเพราะวิบากกรรมตามมาให้ผลขณะยังมีชีวิตได้รับความทุกข์ทรมานเป็นที่น่าสมเพช เ, เวทนาบางคนยังมีแรงบุญมาเกื้อหนุนอยู่ตอนมีชีวิตจึงไม่เห็นผลกรรม ตายลงไปเมื่อไหร่เมื่อนั้นแหละจะต้องไปเกิดเป็นเปรตตามวัดวาอารามทนทุกขเวทนาอยู่แต่ลําพังผู้เดียวจนกว่าจะสิ้นกรรมครับมาฟังเรื่องราวแปลกๆเรื่องผีเรื่องสาง จำนวนหนึ่งร้อยเรื่องที่อาจารย์ยอดจะเล่าให้ฟังนะครับท่านผู้ฟังเคยได้ยินชื่อหลวงพ่อกลั่นจันทโชโตไหมครับหลวงพ่อกลั่นนี้อยู่วัดสว่างสามักีธรรมบ้านนาตำบลป่าแดงอำเภอชาติรักทานจังหวัดพิศนุโลกนับเป็นพระภิกษุผู้ซึ่งควรเคารพกราบไหว้รูปหนึ่งตลอดชีวิตของท่านที่อยู่ในเพศบรพชิตไม่เคยบกพร่องมัวหมองในศีลาจารวัต เมื่อถึงการออกพรรษาของทุกปีท่านจะออกเดินธุดงค์ดันด้นสู่ป่าขาวแนวไพรเพียงรูปเดียวเพื่อบำเพ็ญเพียรภาวนาในสถานที่อันเปลี่ยวร้างสงบสงัดตราบจนกระทั่งใกล้จะเข้าพรรษาจึงจะกลับมาจำพรรษาที่วัดของท่านเส้นทางทุดงของหลวงพ่อกลั่นซอกซอนไปในป่าดิบดงลึกเป็นส่วนใหญ่ที่ใดเป็นชุมชน ขับข้างโดยผู้คนนี่ท่านจะหนีออกไปให้ห่างไกลไม่ปรารถนาจะอยู่ใกล้ความพลุกพล่านจากกิเลสตัณหาทั้งหลายอันเป็นศัตรูของสมณะแล้วก็มีอยู่หลายครั้งที่การจารฤทธุดงของท่านต้องพบพ่านกับเหตุการณ์อันเลวร้ายทั้งจากมนุษย์ปุุชนและโอปติกะหรือว่าวิญญาณที่อยู่ต่างพบต่างภูมิมาล่วงล้ำรังควานตัวท่านเช่นคราวที่หลวงพ่อกลัน่น แบกหล ด, ด้านด้วนผ่านป่าเปลี่ยวของอำเภอลมสักจังหวัดพิศบูรล์เพียงรูปเดียวบริเวณที่ท่านเดินผ่านไปนั้นเป็นพื้นที่สีแดงมีผอกคอหรือว่าผู้ก่อการร้ายสองคนมาพบท่านแล้วก็พาท่านไปยังที่พักกลางป่าของพวกเขาเมื่อไปถึงแล้วผอกคอสองคนจึงแสดงตนว่าเป็นผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์พร้อมกับกล่าวหาว่าท่านเป็นพระ พระเนี่ยเอารัดเอาเปรียบคนในสังคมในขณะที่ชาวบ้านคนอื่นๆก็ททำมาหากินกันได้ความเหนื่อยยากพระกลับขี้เกียจในการทำมาหากินเอาแต่เดินขออ่าขอของผู้อื่นขอเขากินจึงเท่ากับเป็นผู้ถ่วงความเจริญและเป็นภัยต่อสังคมหลวงพ่อกรณท่านจึงได้ตอบโต้ว่าการกล่าวหาว่าท่านเป็นผู้ถ่วงความเจริญและเป็นภัยต่อสังคมนั้นไม่ถูกต้องเพราะว่า การที่ท่านบวชเป็นพระภิกษุเช่นนี้ก็เท่ากับลดคนกระทำความชั่วในทุกๆด้านไปคนหนึ่งจะว่าท่านเป็นภัยต่อสังคมได้ยังไงและการขอหรือบิณฑบาตนั้นก็ไม่ได้ขมขูบ่บังคับหรือทำความํำคาญอันเนื่องมาจากเบียดเบียนแต่อย่างใดใครจะมีศรัทธาใส่บาตรก็ใส่ได้ใครไม่มีศรัทธาก็ไม่ได้เสาซีให้ใส่าบาตรและอาหารที่จะนามาใส่บาตรนั้นจะเป็นอะไรก็ได้ทั้งสิ้น ได้อย่างไรก็ฉันอย่างนั้นฉันเพียงเพื่อดํารงชีวิตรอดต่อไปเป็นวันวันเพราะออกคอฟังท่านอธิบายก็บอกว่าท่านเนี้ยพูดมีเหตุผลดีจากนั้นเขาก็นอํอาถรรพบริขารที่ท่านติดตัวมาไปค้นหาดูเงินทองของมีค่าเพราะว่ามีพระทุดงจอมปลอมประเภทชอบทำเครื่องรางของ ข, องขลังมาให้ญาติโยมเช่าบูชาหวังจะได้เงินได้ทองเป็นของแลกเปลี่ยน แต่สำหรับหลวงพ่อกลั่นไม่มีปัจจัยติดตัวแม้แต่บาทเดียวเพราะก็คอเห็นว่าท่านเป็นพระทุดงจริงๆจึงได้ปล่อยท่านไปหลุดจากพอเกคะสองคนมาได้ท่านก็เดินต่อไปอีกคราวนี้ไปเจอเกาสองคนมาได้ท่านก็เดินต่อไปอีกคราวนี้ไปเจอพ่ อ, ก อ, อกกเกาะอมาทํากินเปาา็ีกนอกาะสงคาไดาก็เ่อ ก, อกนี้เห็นมาท่านก็ินปกรธนเอพราะพวกเขาถือว่าขณะอกํราลนี้เ่าสัตวสแล้นมาพบพท่านกษุนี่จะทําให้ขัดเาอพ่าะัตว์ไมาได้ พอกคอห้าคนก็หาเรื่องกับท่านอีกโดยกล่าวหาว่าท่านเป็นพระประเภททำพระเครื่องทําตะกรุดมาเดินหลอกขายชาวบ้านหลวงพ่อกัณ์ก็บอกว่าท่านไม่ได้มาเดินหาเงินหาทองแต่กําลังเดินหาธรรมะพอกคอกลุ่มนั้นไม่ฟังคําเข้ามาตรวจค้นตัวท่านอีกเมื่อไม่พบเงินและของมีค่าอะไรถึงได้ยอมปล่อยให้ท่านไปการเดินทุดงตามป่าเขาสมัยก่อนนั้นไม่เพียงแต่จะต้องระมัดระวังสัตว์ร้ายที่เป็นอันตรายแก่ชีวิต บางท้องที่เป็นพินอิทธิพลของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์หรือพกคซึ่งถือว่าพระภิกษุนี่เป็นส่วนเกินของสังคมไม่ประกอบอาชีพคอยจะขอคนอื่นกินเอาเปรียบคนที่ทำงานเหนื่อยยากหากพระตุดงพบพกคที่มีจิตใจต่ำมันก็อาจจะข่มเหงรังแกเอาได้อีกครั้งหนึ่งที่หลวงพ่อกลั่นได้พบกับประสบประการทางวิญญาณซึ่งท่านไม่เคยคาดวันว่าจ ะ, ะเผชิญมาก่อน ครั้งนั้นท่านจาริกทุดงไปทางจังหวัดเลยถึงอำเภอนาแห้วซึ่งอยู่ติดกับชายแดนลาวท่านก็ข้ามไปฝั่งลาวซึ่งสมัยนั้นประชาชนทั้งสองประเทศก็มีการติดต่อข้ามไปมากันโดยสะดวกเนื่องจากยังไม่มีการเข้มงวดกวดขันเหมือนสมัยนี้หลวงพ่อข้ามไปยังฝั่งลาวก็ขึ้นไปพำนักที่ถ้ำอ้เสาบนสันเขาถ้ำอ้เสานี่เป็น สถานที่อันสงบสงัดแวดล้อมได้ป่าเขาร่มรื่นเหมาะสมต่อการบำเพ็ญภาวนาเป็นอย่างยิ่งโรงเชิงเขามีหมู่บ้านเล็กๆพอที่จะอาศัยครัวจรบินทบาทได้ท่านขึ้นไปถึงถ้ำเป็นเวลาเย็นมากแล้วจึงได้แขวนกรดไว้ในถ้ำเมื่อท่านทำวัดสวดมนต์เย็นเป็นที่เรียบร้อยก็เข้าที่ภาวนาภายในม้งกรดเมื่อสำรวมจิตจนแนวนิ่งดิ่งสู่ความสงบเวลาผ่านไปได้ครู่หนึ่ง ก็บังเกิดภาพนิมิตได้ยินเสียงเดินลงมาจากยอดเขาจังหวะก้าวที่ย่างเหยียบลงมานั้นเป็นเสียงคนแน่นอนและต้องเป็นคนที่มีรูปร่างใหญ่โตมโหฬารผิดมนุษย์อย่างไม่ต้องสงสยัยเพราะว่าแต่ละก้าวที่เหยียบย่ำเกิดเสียงดังสนั่นโครมครามจนแผ่นดินสะเทือนหลวงพ่อกรันเคยผ่านประสบะการณ์ในเส้นทางทุ่งของท่านมาหลายรูปหลายแบบ การปรากฏรูปกายในลักษณะต่างๆของพูดผีวิญญาณก็เคยผจนมาแล้วแต่ยังไม่มีครั้งใดเหมือนเช่นครั้งนี้กระั้นจิตของท่านก็ไม่ได้หวันไหวแม้แต่น้อยเสียงเดินดังสนั่นวันไหวมุ่งตรงมายังท้ำที่หลวงพ่อกลั่นเจริญสมาธิภาวนาอยู่พร้อมกันนั้นก็มีแสงสว่างสาดจ้าไปทั่วราวป่าเป็นแสงสว่างที่ยิ่งกว่าเวลากลางวันเพราะว่าเห็นชัดเจนแม้กระทั่งกิ่งไม้ใบหญ้าเล็กๆบนผิวดิน แสงสว่างนั้นเคลื่อนมายังถ้ำและเจ้าของเสียงหวีเท้าก็ปรากฏกายขึ้นเป็นชายชาราอายุประมาณแปดสิบปีผมขาวพโพลนใส่เสื้อขาวนุ่งกางเกงขาวกวยสีดำใบหน้าเคร่งขรึมมีอำนาจน่าเริงขำชายชราร่างใหญ่ก็หยุดยืนที่หน้ารรมครูหนึ่งก่อนจะเดินเข้ามาในถ้ำแล้วก็สุดนั่งตรงเบื้องหน้าหลวงพ่อกลันหลวงพ่อกลันคงนั่งสมาธินิ่งเป็นปกติ ความคิดของท่านบอกกับตัวเองว่าคงจะเป็นเจ้าป่าเจ้าเขามาเยือนแน่แต่จะมาดีมาร้ายยังไงนี่ไม่ทราบได้พูดถึงเจ้าป่าเจ้าเขาเท่าที่รู้มาก็มักจะเป็นคนเก่าแก่ดั้งเดิมที่อยู่ในพื้นที่ป่าเขานั้นแล้วก็เสียชีวิตไปนานแล้วบุคคลเหล่านี้เป็นผู้มีอํานาจในตัวมีความเที่ยงธรรมและมโนธรรมจริยธรรมค่อนข้างสูงเมื่อตายไปวิญญาณยังไม่ได้ไปผุดไปเกิด แต่วนเวียนอยู่ในสถานที่เดิมเนื่องจากพราอมีกรรมบางอย่างเหนี่ยวรังไว้กลายเป็นภูมิเทวดาคอยดูแลรักษาป่าเขาลำธารและสัปสัดภายในป่านั้นเจ้าป่าเจ้าเขาท่านเหล่านี้มักจะมีโทสะกิเลสติดมาด้วยหากผู้ที่เข้าไปล่าสัตว์แสดงอาการลบหลู่ไม่เคารพนบไหว้ก็มักจะโกรธเกรีย้ยวสามารถบันดาลให้เกิดวิบัติภัยต่างๆได้ เหตุนี้พวกพรานป่าที่รู้ขนธรรมเนียมดีจึงปฏิบัติตนนอบน้อมแสดงความเคารพด้วยการจัดหาเครื่องบัดรพลีเส้นไหว้ทุกครั้งที่จะล่วงล้ำเข้าไปในป่าสำหรับเจ้าป่าเจ้าเขาที่หลวงพ่อกรันเผชิญหน้าอยู่นี้ไม่ได้แสดงกิริยาการดุร้ายคุกคามแต่อย่างใดได้แต่จ้องมองหน้าท่านคำหมิงแล้วก็จับมือของท่านไปพลิกดูถึงสามครั้งก่อนที่จะพูดสั้นๆว่าดี จากนั้นก็ลุกขึ้นเดินกลับออกจากถ้ำไปย้อนตามทางเดิมตลอดคืนนั้นไม่มีเหตุการณ์ผิดปกติอะไรเกิดขึ้นอีกเช้าวันรุ่งขึ้นชาวบ้านเชิงเขานำอาหารมาถวายใส่บาทหลวงพ่อกลั่นตั้งแต่เชา้าแล้วก็สอบถามท่านว่าเมื่อค่ำคืนเนี้ยได้พบเห็นอะไรผิดปกติบ้างหรือเปล่าท่านก็เล่าให้ฟังตามตรงว่ามีชายชาราผู้หนึ่งลงมาจากเขามาพบท่านชาวบ้านเหล่านั้นจึงเล่าให้ท่านฟังว่า มีพระธุดงหลายรูปหลายองค์เคยมาพักอยู่ที่ถ้ำอ้าเสาวแห่งนี้แต่อยู่ไม่ได้ค้างแค่คืนเดียวก็เก็บอัฐบริขารห น, นีไปหมดหลวงพ่อกรันบำนักอยู่ในถ้ำแห่งนั้นต่อไปอีกจนครบหนึ่งเดือนจึงได้จาริกธุดงต่อไประหว่างที่หยุดยัง้งบําเพ็ญเพียรอยู่ที่ถ้ำไอ้าเสาวก็ไม่ปรากฏว่ามีสิ่งใดมารบกวนท่านอีกเลยนับเป็นสถานสปายะต่อการเจริญภาวนาอย่างดีอีกแห่งหนึ่ง ขณะที่หลวงพ่อกลั่นพักอยู่ที่ถ้ำอ้าเสาท่านสังเกตเห็นบริเวณปากถ้ำมีสัตว์ป่าแวดเวียนมาหากินมากมายเช่นเก้งตกโกดงูเหลือมงูเหา่าสัตว์เหล่านี้มากันเป็นคู่ก็มีมาเดี่ยวก็มีและที่น่าแปลกใจก็คือสัตว์แต่ละตัวดูเชื่องผิดวิสัยสัตว์ป่าแม้จะเห็นท่านอยู่ใกล้ๆก็ไม่หนีไม่แสดงอาการตื่นตกใจคงหากินไปตามปกติของเขาเช่นเดิม สัตว์ที่มีมากกว่าเพื่อนก็คือนกกาเขาจะมาเป็นฝูงฝูงร้องกันระงมทุกเช้าแต่พอถึงเวลาที่หลวงพ่อกลันเข้าที่จเจริญสมาธินกกาจำนวนมากมายก็จะบินหายไปหมดคล้ายๆกับรู้หน้าที่ของตัวเองดีว่าไม่ควรจะทำความรำคาญ ร, รบกวนท่านขณะบำเพ็ญธรรมครับ เรื่องผีลำดับที่เจ็ดนี่เกิดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่นครับในทวินนี่มีอาชีพรองก็คือวิ่งสามล้อสกาย랩รับจ้างในชนบทเช่นละแวก บ, บ้านของเขาสกาย랩นี่เป็นที่นิยมกันมากเพราะว่ามันสะดวกกับการใช้งานสารพัดทำงานในไร่นาเสร็จก็หาลำไัยพิเศษด้วยการรับจ้างวิ่งโดยสาร ซึ่งอัตราค่าบริการก็ถูกแสนถูกเมื่อเปรียบกับค่าโดยสารในเมืองระยะทางระหว่างคิวรถไปสู่อีกหมู่บ้านข้างในซึ่งอยู่ลึกเข้าไปจากถนนใหญ่นั้นมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เป็นทางผ่านที่มีผู้คนพากันรำหรือกันนักหนาว่าผีดุชัดเพื่อนบรรดาสารถีทั้งหลายต่างก็พากันขยาบไปหลายรายป่านี้เขาเรียกกันว่าป่าโคกบาห่างห้ง โคกบาหังแหงนี้เป็นโคกเนินกว้างใหญ่มากระยะทางที่วิ่งรถผ่านนั้นประมาณสักสิบนาทีแต่สำหรับคนที่ขี้ขลาดค่อนข้างกลัวแล้วสิบนาทีนี่มันยาวนานเหลือเกินในยามค่ำคืนถ้าใครผ่านทางนี้แล้วก็มักจะเจอเพื่อนที่ไม่ได้รับเชิญบ่อยๆวันที่ห้าธันวาคม2537้าสาสดซึ่งเป็นวันพ่อแห่งชาติ หมู่บ้านต่างๆซึ่งชาวสามล้อเรียกขานว่าคนข้างในเนี่ยต่างหอบลูกยุงหลานกันออกมาเพื่อที่จะโดยสารเข้าไปเที่ยวในตัวจังหวัดซึ่งทางจังหวัดขอนกันก็มีการจัดงานเทศกาลใหม่พอดีทำเอาบรรดาสามล้อทั้งหลายพากันกระเป๋าตุงไปตามๆกันวันนั้นคุณทวินไม่มีโอกาสได้วิ่งรถกับเขาเลยจนกระทั่งห้าโมงเย็นถึงมีเวลามาวิ่งรถ เพราะว่าในตอนกลางวันนั้นต้องยุ่งกับการเกี่ยวเก็บข้าวพอเลิกงานจากนาก็ตั้งใจจะมาหาค่ากับข้าวพรุ่งนี้เพื่อจะพลุกกับเขาบ้างคุณทวินนำรถคู่ชีพไปต่อคิวกับเพื่อนก็เป็นเวลาห้าโมงครึ่งพอดีไม่นานนักเพื่อนๆต่างก็ทยอยไปส่งผู้โดยสารกันจนหมดจนถึงคิวคุณทวินก็คิดว่าคงจะได้เข้าไปส่งคนทางไกลเหมือนกับเพื่อนๆแน่ แต่ที่ไหนได้กลับเป็นคนบ้านเดียวกันแค่เดินข้ามถนนไม่กี่สิบเมตรก็ถึงบ้านแล้วแต่ว่าผู้โดยสารสองคนนี้ก็ไม่ยอมเดินก็ทำให้คุณทวินอารมณ์เสียเป็นอย่างมากบิดรถแรงเร็วกลับมารอคิวแรกอีกเพราะว่าเพื่อนๆนไปส่งคนทางไกลยังกลับมาไม่ถึงคุณทวินรอคิวอยู่จนถึงหกโมงเย็นเพื่อนเพื่อนสาเลงต่างก็พากันทยอยกลับจนหมดเพราะว่าเขาบอกว่า พอใจกับค่าโดยสารวันนี้แล้วคุณทวินไล่ส่งพวกเขาให้กลับไปไวๆอีกด้วยเพราะนึกมันไส้ที่พวกเขายเยออเยอ้อที่ไม่มีโอกาสได้วิ่งรถในวันนี้และก่อนจากไปเพื่อนปากบอลของคุณทวินคนหนึ่งก็ยังบอกว่าเออขอให้ได้ลูกฟลุกไปทางบ้าห่างๆเดอ้อคุณทวินก็ตอบรับคำมันไปโดยที่ไม่ได้คิดอะไรทั้งนั้น จนกระทั่งถึงคิวรองบ้วยคือเวลานั้นเป็นเวล า, าทุ่มเศษ ร, ร, รถโดยสารสีส้มก็แล่นมาจอดหน้าศาลาที่พักผู้โดยสารซึ่งบรรดาสามล้อใช้เป็นคิวรถนั่นแหละหญิงสาวคนหนึ่งก็เดินลงมาจากรถพร้อมกับกวักมือเรียกอยู่ไหวๆคุณทวินก็รีบนํารถไปยังเธอคนนั้นจะเป็นเพราะขณะนั้นเป็นเวลากลางคืนหรื อ, อยังไงก็ไม่ทราบได้มันทาให้คุณทวินมองไม่ค่อยเห็นหน้าเธอถนัดนัก แสงไฟจากเสาไฟสาธารณะและจากศาลาก็ดูสว่างน้อยเหลือเกินคุณทวินก็ถามเธอว่าจะไปหมู่บ้านไหนเธอก็บอกว่าขอให้ไปส่งทางขึ้นโคกบ่าห่างแห้งเพราะว่าจะมีเพื่อนมารอรับคุณทวินก็นึกเอะใจอยู่เหมือนกันมาค่ํามืดแล้วจะมีใครมารอรับคุณทวินก็บอกราคาไปว่าแปดสิบบาทเพราะเป็นยามวิการอีกอย่างก็นึกแคลงใจอยู่ไม่น้อย ในใจนั้นนึกว่าอาจจะเป็นนางนกต่อก็ได้เมื่อ น, นึกถึงตอนนี้ก็ทักหลังเลและเหมือนกับเธอเดาใจคุณทวินได้ออกอย่างนั้นเธอก็อ้อนวอนพร้อมกับบอกว่าจะให้ค่าโดยสารเพิ่มเป็นร้อยบาทเลยทีเดียวจะด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่ทราบคุณทวินตกลงทำตามทันทีเธอก้าวขึ้นรถจนรถไหวโ ย, ยวบก็ทำให้คุณทวินแปลกใจว่าผู้หญิงตัวเล็กๆคนเดียวเท่านั้นทาไมรถ ถึงได้หนักเหมือนก็มีคนขึ้นไปนั่งตั้งหลายคนคุณทวินหันไปมองก็เห็นเธอกำลังยิงปันหัวเราะชอบใจอยู่พอดีก็รีบสตาร์รถบึ้งออกจากที่แต่ว่าเสียงหัวเราะนั้นยังก้องอยู่ในโสตประสาทรบกวนสมาธิดีจริงๆคุณทวินพยายามมองกระจกหลังแต่ก็มองไม่เห็นเธอชัดนักก็พยายามทำใจให้เป็นปกติก็บิดรถไปด้วยความเร็วพอประมาณแล้วราวสิบนาทีก็มาถึงตีนโคก เธอก็บอกให้คุณทวินจอดรถเพราะว่าเธอเห็นเพื่อนเธอแล้วแต่ไกลอ้าจอดตรงนี้แหละจ้ะเพื่อนฉันอยู่นั่นน่ะเธอชี้ไปยังต้นโพใหญ่ที่ยืนทำมืนอยู่ข้างทางคุณทวินพยายามมองเท่าไหร่ก็มองไม่เห็นเพื่อนเธอที่เธอว่าคงเห็นแต่เงามืดทำมืนของต้นไม้ใหญ่ซึ่งเวลานั้นอากาศจัเย็นเยือกอยังไงชอบคนคุณทวินกำลังจะอ้าปากถามผู้โดยสารสาวว่าเพื่อนเธออยู่ที่ไหน พอดีเธอยื่นธนบัตรใบละร้อยให้พร้อมกับเสียงหัวเราะหลายเสียงประสานขึ้นทางหน้ารถจากไปที่าศาสตร์ซองคุณทวินมองเห็นเพื่อนเพื่อนของเธอหลายคนยืนอยู่อืมตรงนั้นก็ราวๆสามไม่เกินห้าเมตรจากรถของคุณทวินเสียงหัวเราะนั้นทําให้คุณทวินตกตะลึงอยู่นานเท่า ไ, รไหร่ไม่อาจจะทราบได้ทราบแต่ว่าประสาททุกส่วนในหยุดสั่งการ ไม่มีแรงแม้แต่จะกระพริบสายตาให้ภาพที่เห็นตรงหน้านั้นเลือนหายไปได้ภาพที่เห็นนั้นเป็นภาพของผู้หญิงผู้ชายยืนหัวเราะแต่ร่างกายทุกร่างนั้นไม่มีหัวพากันหัวเราะอยู่ได้ยังไงกันหญิงสาวที่เพิ่งลงจากรถนี่ก็เหมือนกันเธอเดินไปสมทบกับเพื่อนเพื่อนที่ไม่มีหัวประมาณถึงสองสามนาทีนั้นทีเดียวคุณทวินถึงได้สติรีบสตาร์ทรถหันกลับบิดด้วยความเร็วแรง ความรู้สึกขณะนั้นบอกได้แต่เพียงว่าให้รีบไปจากที่นั่นให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เมื่อมาถึงบ้านคุณทวิญก็เล่าให้ภรรยาฟังแล้วก็รีบนำธนบัติที่หญิงสาวคนนั้นให้ออกมาดูธนบัตรใบละรอยมันเป็นเพียงแค่ใบผูแห้งๆใบหนึ่งเท่านั้นเองครับทีนี้ก็มาถึงเรื่องที่แปดท่านดูฟัง ย้อนไปเมื่อประมาณสามสิบกว่าปีที่ผ่านมาครับคือราวพุทธศักราช 2,530 วันนั้นคุณทวัตําได้ติดตาเป็นวันศุกร์ประมาณสองทุ่มเศษถิ่นจะได้แกเดินไปซื้อของที่ร้านขายของชำใกล้ๆบ้านตอนขาไปนะั้นทุกอย่างก็เป็นปกติดีทุกอย่างแต่ตอนขากลับนี่แหละที่ได้เกิดเรื่องที่แกไม่คาดคิดมาก่อนว่าจะได้สัมผัสกับมัน และทั้งชีวิตก็มีเพียงคราวนี้เท่านั้นที่ได้พบกับเรื่องราวที่ชวนสยองขวัญอย่างที่สุดคือหลังจากที่คุณทวัฒได้ซื้อของตามต้องการเป็นที่เรียบร้อยแกก็ออกจากร้านค้าแล้วก็เดินกลับบ้านแกเดินมาเรื่อยๆโดยไม่เคยคาดคิดว่าจะได้พบกับร่างของผู้ชายคนหนึ่งที่กําลังยืนอยู่ข้างทางบริเวณที่จัดไว้เป็นที่นั่งเล่นมีต้นหูควางต้นใหญ่แล้วก็มีคมไฟส่องสว่างอยู่ คุณทวัฒไม่ได้สนใจอะไรก็ได้แต่คิดว่าป่านนี้แล้วไม่น่าจะมีใครมานั่งเล่นอยู่หรือว่าไม่น่ามีใครออกมายืนอยู่ตรงบริเวณนั้นเพราะในหมู่บ้านที่แกอยู่ส่วนใหญ่แล้วพอตกมืดผู้คนก็มักจะกลับก็ไปพักผ่อนอยู่ในบ้านของตนเองตามประสาชาวชนบทโดยทั่วไปคุณทวัฒนก็เดินเข้าไปใกล้ร่างของชายคนนั้นมากกว่าประทุกทีจนกระทั่งเกือบจะถึงร่างของผู้ชายคนนั้นแล้วและในระยะขนาดนั้น ก็ทําให้คุณทวัตมองเห็นใบหน้าของผู้ชายที่ยืนอยู่ค่อนข้างชัดเจนผู้ชายคนนั้นก็มองมาอย่างแก่แล้วก็ยิ้มให้แต่แม้ว่าเขาจะยิ้มให้แก่แต่มันเป็นรอยยิ้มที่แฝงไปด้วยความเศร้าและไม่มีทางอย่างเด็ดขาดที่คุณทวัตจะยิ้มตอบให้กับเขาเพราะอะไรเหรอครับก็เพราะผู้ชายที่คุณทวัตเห็นยืนอยู่ไม่ห่างจากตัวแก็ไปนักเขาคืออนนบ เพื่อนของพ่อคุณทวัตเองซึ่งเพิ่งจะเสียชีวิตไปได้ประมาณสามเดือนมาแล้วเวลานั้นร่างของอานบยืนห่างจากคุณทวัตประมาณสามเมตรเห็นจะได้ซึ่งระยะห่างขนาดนี้คุณทวัตบอกว่าสามารถจำได้อย่างไม่ผิดเพี้ยนแน่นอนรู้ตัวทันทีว่าถูกผีหลอกเข้าให้แล้วแต่นั้นยังไม่น่าช้ำใจมากเท่าถูกกู้ใหญ่หลอกก็เพราะตลอดเวลา คุณธวัฒน์เคยได้ยินแต่ผู้ใหญ่เขาพูดให้ฟังว่าผีมักจะมาปรากฏตัวให้เห็นเราตอนดึกๆไม่ใช่ออกมาตั้งแต่หัวค่าอย่างนี้แล้วถ้าหาว่าแกรู้มาก่อนว่าจะต้องมาเจอเจอผีอย่างจังๆอย่างนี้แกคงไม่มีวันที่จะออกจากบ้านมาหาซื้อของอย่างแน่นอนแกก็ยืนตะลึงกับภาพการปรากฏตัวของอนนบอยู่ชั่วอึดใจใหญ่ เวลานั้นทำอะไรไม่ถูกจะก้าวขาวิ่งก็วิ่งไม่ออกจะร้องตะโกนเรียกคนมาช่วยก็ไม่สามารถทำได้เพราะว่าปากคอมันสั่นไปหมดพูดไม่ออกบอกไม่ถูกได้แต่ยืนจอ้องทั้งที่สั่นไปหมดทั้งตัวลักษณะร่างที่คุณทวัฒน์เห็นในเวลานั้นในตอนแรกก็ดูเป็นคนปกติเสร็จแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนเป็นเจือจางแล้วก็เลือนหายไปต่อหน้าต่อตา ทันทีที่ร่างกายของอนบเลือนหายไปสติสตังของแกก็เริ่มกลับคืนมาและพอรวบรวมสติได้แกก็เพ่นอ้าววิ่งตะโกนร้องเสียงหลงไปยังบ้านคนรู้จักแถวแถวนั้นไปนั่งหอบอยู่พักใหญ่เมื่อถูกถามว่าเกิดอะไรขึ้นแกก็เล่าเรื่องราวที่เจอมาให้ทุกคนฟังแต่ก็ไม่มีใครเชื่อหาว่าคุณทวัตจะปอแทกตาฟวาดไปเองซ้ำบางคนยังหัวเราะเยาะะด้วยซ้ำเนี่ยหาว่าบ้า แต่แม้ว่าเขาจะหัวเราะเยาะแค่ไหนก็ตามคุณทวัตก็ไม่กล้าไปโกรธเขาเพราะว่าต้องการความช่วยเหลือจากเขาเพื่อจะให้เขาพาแกไปส่งที่บ้านนั่นเองหลังจากนั้นไม่นานก็ได้มีผู้คนอีกหลายคนเจอะเจอเหตุการณ์คล้ายคลึงกับคุณทวัตโดยมีชาวบ้านหลายคนที่กลับบ้านในตอนกลางคืนได้เห็นวิญญาณของอนนบยืนอยู่ตรงจุดเดียวกันกับที่คุณทวัตเห็น ลักษณะคล้ายกันก็คือยืนเหม่อมองเข้าไปยังบ้านหลังหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้ๆกันพอมีคนมาเห็นแก่ก็จะหันมามองแล้วยิ้มให้ก่อนที่จะค่อยๆเลือนลางหายไปต่อหน้าต่อตาเมื่อข่าวการปรากฏวิญญาณของอนนหนาหูขึ้นก็ได้มีการจัดงานทาบุญขึ้นโดยชาวบ้านในทุกหมู่บ้านทุกๆคนช่วยกันจัดทาบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับเขาแล้วก็มารู้ทีหลังว่าวิญญาณของเขาไปยืนอยู่ตรงนั้น ก็เพราะเป็นจุดที่สามารถมองเข้าไปในบ้านของอานุบได้อย่างค่อนข้างชัดเจนบิญญาณของอนุบแกคงเป็นห่วงลูกเมียของแกที่อยู่ในบ้านแกยังมีลูกเล็กๆอีกสองคนที่เหลือแต่แม่ดูแลเพียงคนเดียวแกก็เลยมายืนมองดูเพราะความเป็นห่วงแกคงเข้าไปในบ้านของตัวเองไม่ได้เพราะมีสารพระภูมิเจ้าที่อยู่จึงได้แต่มายืนมองด้วยความห่วงหาวอวรน จนกระทั่งสร้างความหวาดกลัวให้กับผู้คนที่ผ่านไปมาและสามารถสัมผัสกับวิญญาณของแก่ได้และหลังจากทําบุญใหญ่ในหมู่บ้านคราวนั้นก็ไม่มีใครเห็นอนอบมายืนปรากฏตัวให้เห็นอีกเลยป่านนี้แกคงไปสู่สุขติภพในอีกโลกหนึ่งแล้วล่ะครับ มาถึงเรื่องแปลกๆ ล, ลำดับที่เก้าครับเรื่องกินผัวเมื่อประมาณสี่สิบปีที่ผ่านมามีเรื่องพิลึกกือเกิดขึ้นที่อำเภอบรารบือจังหวัดมหาสารคามป่านนี้คงจะลืมเลือนกันไปหมดละคนรุ่นใหม่ไม่มีโอกาสรู้เรื่องนี้หรอกในอำเภอแห่งนั้นนะมีสตรีที่เป็นดอกไม้งามคนหนึ่งเป็นลูกสาวของผู้มีอันจะกิน มีความสวยงามเป็นหนึ่งกว่าผู้หญิงใดๆในหมู่บ้านด้วยเหตุนี้ก็เลยมีชายหนุ่มและไม่หนุ่มมาติดพันกันเยอะเพื่อหวังช่วงชิงไม้งามดอกนี้บางคนเมื่อผิดหวังก็ถึงกับฆ่าตัวตายไปก็มีสตรีแสนสวยนางนี้มีชื่อว่าปฐุมอายุเพิ่งจะย่างเข้ายี่สิบปีเป็นสาวเต็มที่มีความงามทั้งเรือนร่างและหน้าตาแทบจะไม่มีทิฏิหนุ่มที่ใกล้ชิดเข้านอกออกในได้มีอยู่คนเดียวเท่านั้นชื่อนายสันทัศ ซึ่งเป็นลูกชายโทนของเจ้าของโรงสีออประทุมพี่จะให้พ่อมาขอนะเราเข้าตามตรอกออกตามประตูเธอจะว่าไงจ๊ะชายหนุ่มก็ตาเป็นประกายเีด้วยความหวังอ่าผู้หญิงก็ถามว่าแล้วพี่จะให้ผู้ใหญ่มาสู่ขอฉันเมื่อไหร่ล่ะพรุ่งนี้เลยละ่ะสาวเจ้าก็สะเทินอายบิดไปบิดมาอย่างกระดาษทำอะไรไม่ถูก อ่ะแล้วเธอจะว่ายังไงลปรปทุมก็แล้วแต่พี่สิพิธีสู่ขอก็ได้มีขึ้นในวันรุ่งขึ้นท่ามกลางความยินดีของญาติผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายการแต่งงานเกิดขึ้นหลังจากการมั่นได้เพียงเจ็ดวันเป็นงานแต่งงานที่ใหญ่มากผู้คนมากันล้นหลามจนบริเวณโรงสีแทบจะไม่มีที่ว่างเป็นวันชื่นคืนสุขของหนุ่มสาวหนุ่มอื่นๆก็ อ, อกหักไปตามๆกันหลังจากสมรส ได้เพียงหนึ่งเดือนในสันทัตก็ล้มป่วยลงและเสียชีวิตไปโดยหาสาเหตุไม่ได้ปทุมต้องหิ้วกระเป๋าใส่เสื้อผ้ากลับบ้านพ่อแม่ซึ่งอยู่ห่างกันไม่ไกลเท่าไหร่นักในผลกะนังนิดผู้เป็นพ่อแม่ของปทุมก็เต็มได้วยความเสียใจปทุมทำไมเอ็งรีบกลับบ้านนะ่ะน่าจะอยู่เป็นเพื่อนพ่อผัวแม่ผัวเขาอีกหน่อยนะเดี๋ยวเขาจะว่าเอาได้ พ่อผัวแม่ผัวน่ะไล่ฉันออกจากบ้านหาว่าเป็นตัวเสนียบทำให้ลูกชายเขาต้องตายอ่ะพ่อพ่อกับแม่ก็นิ่งอึ้งไปใครจะไปคาดคิดได้ว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนับแต่ปทุมกลับมาบ้านพ่อแม่หล่อนก็เสือ่อมซึมไปวันวันนึงไม่พูดจากพรายหมกตัวเงียบอยู่แต่ในห้องปฐุมเมยออกมาจากห้องหน่อยจะลูกมีคนมาหา เขานั่งรอที่ระเบียงหน้าบ้านนะ่ะรีบออกไปนะลูกนะก็ไม่รู้ว่าใครแต่ว่าหญิงสาวก็รีบออกจากห้องไปที่ระเบียงหน้าบ้านอ้าวพิสนันนึกว่าใครซะอีกนายสนันคนนี้เป็นคู่แข่งในเชิงรักกับนายสันทั์ผู้ตายเขายังไม่สิ้นความพยายามเมื่อรู้ว่าสามีของปฐุมตายไปแล้วปฐุมก็กลายเป็นไม่เขาก็เลยย้อนกลับมาหาด้วยความรัก พี่เสียใจด้วยนะปะทุมที่สันทัดก็ต้องมาด่วนจากไปไม่น่าตายทั้งที่อายุยังหนุ่มยังแน่นอยู่เลยหญิงสาวก็ในตาแดงกล่ำกลืนความเศร้าหมองเอาไว้ในหัวอกช่างมันเถอะพิษนันใครจะไปลิขิตดวงชะตาได้ละ่ะจริงไหมพี่ใช่ที่พี่มาหาปทุมวันนี้ก็เพื่อจะมาบอกว่าพี่ยังรักแล้วก็ต้องการอยู่ปทุมอยู่นะ เรื่องอดีตที่ผ่านมานะไม่สำคัญหรอกถ้าปทุมมีใจกับพี่บ้างพี่จะให้คนมาสู่ขอปทุมก็เต็มไปได้วยความตื่นเต้นดีใจแต่คิดว่าผัวนะเพิ่งจะตายไปโยกยกจะแต่งงานใหม่ซีกแล้วสนั่นก็รบเราแม่สาวทั้งอ้อนวอนและขอร้องจนหญิงสาวใจอ่อนเมื่อพ่อกับแม่รู้เรื่องนี้จากลูกสาวก็ถึงกับถอนหายใจเฮือกเือ หัวเองเพึ่งตายไปหยกหยกนะจะมีผัวใหม่ซะอีกแล้วเหรอไม่กลัวชาวบ้านเขาจะนินทาเหรอฝ่ายนางนิดก็เข้าข้างลูกสาวเราไม่ได้ขอข้าวชาวบ้านเขากินเนี่ยช่างหัวชาวบ้านไปไรในผลต้องยอมแพ้เมื่อจัดพิธีสมรสให้กับหนุ่มสนั่นและปะทุมลูกสาวแต่งานคราวนี้ไม่ได้จัดใหญ่โตรกทํากัน พอเป็นพิธีเท่านั้นไม่อยากให้ชาวบ้านก็าสมหัวนินทากันว่าผัวตายหยกๆมีผัวใหม่ซะอีกแล้วแล้วปทุมก็ย้ายไปอยู่บ้านสนันสามีคราวนี้อยู่กันได้สิบห้าวันเท่านั้นสนันก็ล้มป่วยตายลงไปอย่างไม่มีสาเหตุปทุมก็หิ้วกระเป๋าเสื้อผ้ากลับมาอยู่กับพ่อแม่ตามเดิมเพราะไม่รู้จะไปไหนในผลก็ถามเสียงแหบเสียงแห้งพ่อผัวแม่ผัวมึงไล่มาอีกกระสิปฐม ลูกสาวก็น้ําตาไหลพรากพราแม่ก็ถามว่าเขาตั้งข้อหาว่ายังไงละทีนี้เขาว่าหนูเป็นเสนียบทําให้ลูกเขาตายอะ่ะแม่เอออยู่บ้านเราจะลูกเอ้ยต่อไปเนี้ยอย่ามีผัวอีกเลยสองเดือนผ่านไปก็มีหนุ่มชาวกรุงเทพมาจากกรุงเทพเพื่อนที่เป็นคนหมู่บ้านเนี้ยแนะนําให้รู้จักปทุมซึ่งยังคงความงามมาไว้ และรู้สึกว่าความงามของปฐุมนี่กลับจะสวยยิ่งขึ้นกว่าเดิมซะอีกผู้ชายคนนี้ชื่อประวิทย์ในประวิทย์เห็นนี่ถึงกระตะลึงได้พบดอกไม้งามในบ้านชนบทเหมือนกระช้างเผือกมาอยู่ในป่าแท้ๆนับแต่นั้นมาประวิทย์ก็สนิทสนมกับสาวงามเขาก็ขึ้นล่องบ่อยๆเพียงเพื่อให้ได้พบกับหญิงสาวที่เขาหลงรักเท่านั้นเมื่อประวิทย์สารภาพรักกับปฐุมก็บอกความจริงให้เขาทราบ ปทุมบอกว่าได้ผ่านการแต่งงานมาแล้วสองครั้งครั้งแรกอยู่ได้เดือนเดียวก็ตายไปครั้งที่สองสา ม, มีคนใหม่อยู่ได้แค่สิบห้าวันเท่านั้นก็ตายจากไปอีกคนหนึ่งแทนที่ประวิทย์จะหวาดกลัวเขากลับยืนยันที่จะแต่งงานให้ได้นายผลกำบนังนิดก็เลยคาดคันว่าที่ลูกเขยให้แน่ใจซะก่อนนายผลก็ถามออกมาตรงๆไม่กลัวหรอกเรอนายเวศฮะชาวบ้านเขาว่าลูกสาวฉันมันกินผัวนะ ไม่กลัวหรอครับผมรักประทุมชายหนุ่มก็ยืนยันอย่างเด็ดเดี่ยวเออถ้ายังงั้นก็ตามใจแล้วแต่งกันแล้วจะพาปทุมไปอยู่ที่ไหนล่ะเออจะพาไปอยู่กรุงเทพครับแต่งงานคราวนี้ไม่มีพิธีรีตองอะไรเลยเพียงแต่ผูกข้อมือให้หนุ่มสาวเท่านั้นลูกเขยก็ให้เงินพ่อตามแม่ยายไปจํานวนหนึ่งประทุมก็เดินทางไปกรุงเทพกับสามีใหม่ แค่ยี่สิบเอ็ดวันก็มีจดหมายด่วนมาบอกว่าประวิทย์ตายแล้วแล้วหล่อนจะไม่กลับมาบ้านเดิมอีกเพราะว่ามีผู้รู้บอกว่าตัวเองนะ่ะมีวิญญาณผีร้ายอยู่ในร่างไม่อยากจะทำให้ใครตายอีกเออสวยปีศาจแท้แม่คุณเอ้ยต่อไปเป็นเรื่องของผีน้ำครับเรื่องนี้คุณบุญช่วยเล่าให้ฟัง คุณบุญช่วยบอกว่าก่อนนั้นตากายายของแกมีอาชีพทำนาอยู่แถวอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีตานี่จัดว่าเป็นนักเลงดังในย่านนั้นแล้วก็เป็นคนเล่นของคือพวกคาถาอาคมอยู่ยงคงกระพันเรื่องผีอะไรไม่ได้ไม่เคยกลัวตาน่ะมีข้อห้ามมากมายตามประษาคนเล่นของตัวยอย่างเช่น กินน้ำเต้าไม่ได้กินมะเฟืองไม่ได้กินหัวปลีก็กินไม่ได้ล่อร้านฟักแฟงแตงคว้าไม่ได้ยิ่งพวกพนุงพัสถุงผู้หญิงเนี่ยจะเอามาวางเกะกะไม่ได้ฮะโดนด่าเปิดเปิงทีเดียวที่นี้เมื่อว่างจากฤดูทำนานในหน้าแหลงตาก็จะชวนยายไปซื้อหากะปิน้ำปลาปลาระใส่เรือมาดคู่ชีพที่มีประทุนอ่าประทุนนี้ก็ทำด้จากครอบแว่ แล้วก็แจวลัดเลาะเอาไปขายที่จังหวัดนครนายกกว่าจะถึงก็สามสี่วันนั่นแหละเมื่อไปถึงจังหวัดนครนายกเลยตัวจังหวัดก็ไปอีกไกลทีเดียวใช้เวลาแจวเรือก็ประมาณครึ่งวันขวาที่นี่ปลามีพวกพองมากมายเพราะความที่ท่องเที่ยวไปตามภาษาคนร้อนวิชาตั้งแต่อเมเ์องคารักยันดงหลักทน เม <Me> ื่อไปถึงยายจะคว้านซื <the> <themselves> ้อผลไม้ตามฤดูกาลเช่นขนุนมะไฟมะม่วงกระท้อนมะนาวมาจนกระทั่งเต็มลำเรือแล้วก็ค่อยๆทยอยขายลงมาเรื่อยๆเมื่อที่ไหนก็นอนที่นั่นแต่ตากับยายจะพยายามนอนตามตลาดหรือว่าสถานที่ตามแหล่งชุมชนเพื่อกันการจี้ปล้นหรือไม่ก็จอดนอนหน้าวัดหรือว่าขอนอนหน้าโรงสีก็ยังดีมีอยู่ครั้งหนึ่งปกติตัด ตานี่จะล่องเรือลงมาทางประตูน้ำสะวสดิาแล้วก็เข้าคลองสิบสี่สายธัญะแต่เผอิญคราวนั้นยายนะซื้อของมากไปหน่อยกลัวขายไม่หมดก็เลยอ้อมไปอีกเส้นทางหนึ่งซึ่งไม่ค่อยจะคุ้นนักพอมืดก็ถึงวัดแห่งหนึ่งตากยายก็ตัดสินใจจอดเรือที่ศาลาเล็กๆใกล้กักกบสะพานข้ามคลองอันว่าตาเนะ่เป็นคนชอบกินเหล้าเมื่อไรที่จอดเรือเตรียมค้างคืนปั๊บ ปาก็จะจัดแจงขึ้นตลาดป๊บเพื่อซื้อเหล้าก็เหล้าโรงยี่สิบแปดดีเกรียและหรือถ้าไม่นอนที่ตลาดเช่นนอนตามหน้าโรงศรีหรือหน้าวัดก็ไม่ต้องกลัวอดหรอกเพราะว่าปานะ่ะมีเหล้าสำรองไว้ใต้ท้องเรือเสมอไว้ยามฉุกเฉินครั้งนี้ก็เหมือนกันพอล่ามโซ่เรือเสร็จปาก็ล้วงเอาเหล้ามานั่งกงอยู่คนเดียวจนหลับไปไอเรื่องข้าวปลาไม่ต้องพูดถึงลุกไหวก็ลุกขึ้นมากิน ท่านลุกไม่ไหวก็จะรวบยอดตอนเช้ายายขี้เกียจรบกรตาก็เลยดับตะเกียงแล้วรีบเข้านอนเอาแรงไว้วันต่อไปยายมาสะดุง้งตื่นเอากลางดึกรู้สึกเหมือนมีใครเอาน้ํามาสาดพอตื่นขึ้นมาก็เห็นใครคนหนึ่งนั่งอยู่ที่บันไดาสาลาท่าน้ําเอามือวักน้ําแล้วก็สาดมาที่ยายเสร็จแล้วก็หัวเราะเสียงเย็นเย็นหน้าขนลุกนะแล้วก็บอกว่ายาย มาเล่นน้ํากันไหมอ่ะเย็นดีนะในน้ําเนี่ยเย็นดีออกยายรู้เลยว่าไม่ใช่คนแน่ๆรีบลุกกุกกุกกะกะไปปลูกปลาที่เมาพับอยู่ที่หัวเรือแต่ว่าปลูกเท่าไหร่ก็ปลูกไม่ขึ้นทั้งข้ายาวทั้งหยิกปลาก็ได้แต่อึงอึงอาาไปตามเรื่องพลิกตัวหนีแล้วก็หลับต่อครอกครอกพอยายหันไปดูที่ศาลาท่าน้ําอีกทีอ่าวร่างนั้นหายไปแล้ว แต่กลับไปปรากฏตัวที่สะพานข้ามคลองคราวนี้มามาดใหม่เล่นเอาขาเกี่ยวสะพานทำตัวยาวพปรีชดห้อยหัวลงแล้วก็แกวงตัวไปมาจนผมยาวนี่ระน้ำไปมาพร้อมทั้งส่งเสียงมาชักชวนอีกบอกให้มาเล่นด้วยกันก็ไม่เอาบอกแล้วน้ำเย็นดีนะสนุกดีออกแต่ยายนะ่ยไม่สนุกด้วยหรอกได้แต่พนมมือสวดมนต์ไปตามเรื่อง อเอิญยายนึกขึ้นมาได้ว่าตาเน่เคยสอนคาถาสะกดผีอยู่บทหนึ่งสั้นๆยายก็รีบสวดคาถาสะกดผีโดยเร็วเออได้ผลได้ผลทันตาเห็นเลยละ่ะร่างนั้นค่อยๆหายไปทุกอย่างเป็นปกติไม่มีเสียงไม่มีภาพหลอกหลอนจากผีอีกเลยยายก็นอนต่อพอเช้าความที่ห่วงกลัวของจะเหลือเยอะยายก็เลยรีบก่อไป บั้งหม้อข้าวแล้วก็เร่งให้ตาออกเรือเลยแจวเรือไปได้ไกลโขแล้วได้เวลากินข้าวเช้าก็อยู่เรือกินข้าวกันยายถึงได้เล่าเรื่องมาคืนในตาฟังตาฟังแล้วก็หัวเราะแล้วก็ต่อว่าทําไมไม่บอกแต่เชา้าวะนี่ต้องเสียเวลาย้อนไปย้อนมายายก็ถามว่าทําไมตาก็บอกว่าอ้าวเราสะกดเขาไว้แล้วไม่ปล่อยเขาออกไปหากินนะมันก็เป็นบาปนะ เพราะถ้ามัดเขาไว้อย่างเนี้ยเวลามีใครทําบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้เขานี่เขาก็จะไม่ได้รับแล้วเขาก็จะหิวโหยพอกินข้าวเช้าเสร็จตาก็เลยต้องย้อนกลับไปที่สะพานข้ามคลองใกล้วัดเพื่อไปคลายสะกดให้ผีน้ําสาเหตุก็เพราะว่าตาได้แต่สอนคาถาสะกดแต่ลืมสอนคาถาคลายสะกดให้ยายนั่นเอง ส่วนใหญ่ก็ได้แต่พึมพันวะใครจะไปรู้วะจะต้องคลายสะกดให้มันก็ใครใช้ให้มันมาหลอกค่าละไอีกผีระยำทำกูย้อนไปย้อนมาถนนสายต่างๆที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเป็นประจำ ผู้คนทั่วไปก็มักจะขนานนามให้ว่าเป็นถนนผีสิงบ้างถนนสายมรณะบ้างหรือว่าถนนร้อยศพ บ, บ้างทั้งที่ความเป็นจริงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้งไม่ได้มาจากพูดผีปีสัตว์หรือว่าเหลววิญญาณร้ายไม่หากเป็นเพราะผู้ที่ใช้ยวดยานพาหนะมีความประมาทเลินเล่อไม่ระมัดระวังมากกว่าส่วนถนนที่มีอุบัติเหตุมากๆจนเป็นเหตุให้คนเสียชีวิตบ่อยครั้ง จนถึงกับทำให้เกิดอาถรรพ์ขึ้นที่ว่านั้นจะเป็นจริงประการใดก็ไม่สามารถจะสรุปได้แต่ก็พอจะมีเรื่องที่คนอื่นเขาเล่าสู่กันฟังพอจะยกตัวอย่างให้ท่านทั้งหลายได้รับรู้แต่ถ้าคนไหนไม่เชื่อก็ขอให้ท่านรับฟังไว้เพื่อเป็นอุทาหรณ์เตือนใจสำหรับเวลาที่ใช้รถใช้ถนนจะได้ไม่ตั้งตนอยู่ในความประมาทครับเรื่องของเรื่องก็มีอยู่ว่าตรงถนนผาทางรถไฟ บริเวณที่จะเข้าไปในบ้านทุ่งน้ำผุดเป็นถนนที่มักจะเกิดอุบัติเหตุรถยนต์หรือว่ารถจักรยานยนต์โดนรถไฟชนบ่อยครั้งเนื่องจากถนนที่กล่าวถึงนี้เป็นแค่ซอยเล็กๆที่แยกมาจากถนนสายตรังห้วยยอดเมื่อเข้ามาในซอยแล้วก่อนที่จะถึงจุดที่มีรางรถไฟตัดผ่านจะเป็นทางลงเนินผู้ใช้รถมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เกียร์ต่าในการบังคับรถ แค่นี้ยังไม่เป็นอุปสรรคเพียงพอสำหรับผู้ที่จะใช้ถนนข้างถนนทั้งสองฝั่งยังถูกปกคลุมบด้วยกอหญ้าผงจนบางครั้งผู้ใช้รถจะมองเห็นรถไฟก็ต่อเมื่อรถไฟเกือบจะมาถึงตัวอยู่แล้วส่วนถ้าจะถามหาสัญญาณไฟนั้นไม่ต้องถามเลยเพราะมันไม่มีให้เห็นเลยครับการเกิดอุบัติเหตุตรงบริเวณที่คุณประดับเล่าให้ฟังเนี้ยไม่มีครั้งใดที่จะไม่มีผู้เสียชีวิต ทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับพาหนะที่คนโดยสารไปนั้นน่ะมีขนาดใหญ่หรือว่าเล็กหากเป็นขนาดเล็กเช่นรถมอเตอร์ไซค์อย่างเก่งก็ไม่เกินสามคนถ้าหากเป็นพาหนะที่มีขนาดใหญ่อย่างเช่นรถยนต์โดยสารก็จะมีคนตายมากขึ้นเป็นเงาตามตัวแต่ก็ใช่ว่าผู้ที่ประสบอุบัติเหตุจากการถูกรถไฟบดขยี้จะเสียชีวิตหมดทุกคนมีหลายคนเหมือนกันที่รอดมาได้เราปฏิหาร ส่วนมากคนที่รอดมาได้เหล่านั้นก็มักจะพิกลพิการยกเว้นอยู่คนหนึ่งที่รอดมาได้อย่างไม่บุบสลายแม้แต่น้อยซึ่งคนที่คุณประดับกล่าวถึงนี้ก็คือเพื่อนของแกเองซึ่งมีนามว่านายเสริมศักดิ์หรือว่าอีกนามหนึ่งที่คุณประดับเรียกติดปากก็คือไอ้ไก่ จะบอกว่าไอ้ไก่เพื่อนแกคนเนี้มีอาชีพรับเหมาทำเหล็กหนัดทั่วไปตามแต่ใครจะว่าจ้างให้ไปทำที่ไหนโดยมีพาหนะคู่ใจเป็นรถยนต์ยี่ห้อมัสดาซึ่งถ้าจะพูดไปแล้วรถยนต์รุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นรถขนาดเล็กมีแรงมา้าไม่มากแถมยังเป็นรถรุ่นเก่าแต่ถ้ารถรุ่นดังกล่าวได้รับการดูแลเอาใจใส่จากผู้ที่เป็นเจ้าของอย่างดีมันก็ถือว่ารถรุ่นนี้ยังใช้การได้ดีทีเดียวอย่างเช่นคันที่ไอ้ไก่มันใช้อยู่ ไม่ว่าจะมีงานใกล้งานไกลที่ไหนไอ้ไก่มันยังคงควบรถคู่ใจไปด้วยความมั่นใจในประสิทธิภาพของรถรุ่นที่มันใช้อยู่มีบางคนเคยบอกให้มันเปลี่ยนรถใหม่ที่มีขนาดแรงม้าเหมาะสําหรับการใช้งานมีสมรรถภาพที่ดีเยี่ยมซึ่งทามันจะเปลี่ยนมันก็ทําได้ไม่ยากแต่มันก็ไม่ทําไอ้ไก่มันให้เหตุผลว่ารถคันนี้อยู่กับมันมาตั้งแต่เป็นลูกจ้างเขาจนกระทั่งมันได้เป็นเจ้าของร้านเอง หากมันขายรถคันนี้ไปแล้วซื้อรถคันใหม่ก็เท่ากับว่ามันทรยศต่อเพื่อนเออดูเหตุผลที่มันพูดเขาสิก็อย่างที่บอกกแหละไม่ว่างานจะใกล้ไกลแค่ไหนไอ้ไก่รับหมดครั้งหนึ่งมีคนอยู่ในหมู่บ้านทุ่งน้ำผุดโทรศัพท์มาหามันที่ร้านเพื่อต้องการให้มันไปซ่อมหน้าต่างเหล็กดัดให้ทันทีที่เจ้าของบ้านคนนั้นวางหูไป ด้วยความที่เป็นคนเอาใจลูกค้าก็ทำให้ไอไก่รีบจัดแจงเตรียมอุปกรณ์ต่างๆขึ้นท้ายรถกระบะแล้วก็ออกเดินทางไปยังบ้านหลังที่ว่าทันทีแม้จะเกือบหกโมงเย็นแล้วก็ตามมันก็ขับรถไปเรื่อยๆอย่างชนิดไม่รีบร้อนอะไรตามถนนสายรังห้วยยอดครั้นเมื่อมาถึงตรงทางที่จะเข้าบ้านทุ่งน้ำผุดซึ่งจะมีป้ายเขียนไว้เด่นชัดไอไก่ก็สาวผุมาลัยเลี้ยวซ้ายเข้าไปในซอยทันที รถมัสด้าของมันค่อยๆเลี้ยวเข้าไปในซอยอย่างระมัดระวังเนื่องจากในซอยเป็นทางที่ลงเนินแล้วก็มีทางรถไฟพาดผ่านและมันรู้ดีว่าเวลานี้รถไฟที่จะออกจากสถานีตรังไปสู่สถานีกรุงเทพนี่มันใกล้จะถึงเวลาจะออกจากชานชาลาแล้วมันค่อยๆเลี้ยวรถลงมาจากเนินด้วยความระมัดระวังจนกระทั่งรถกําลังจะข้ามผ่านทางรถไฟอยู่แล้วพลันเหตุการณ์ที่เหนือความคาดหมายก็เกิดขึ้น เครื่องยนต์ที่ไม่เคยมีปัญหาบัตรนี้มันกลับดับไปเฉยๆทั้งที่มันไม่เคยเป็นมาก่อนแต่ถึงแม้ว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะ น, นี้มันดูจะคล้ายขับขันแต่เจ้าไก่ก็ไม่ได้อนาทรร้อนใจแต่อย่างใดเพราะเมื่อมันมองไปทางซ้ายมือของทางรถไฟซึ่งเป็นต้นทางที่รถไฟจะมามันก็ไม่เห็นวีวแววว่าจะมีหัวจักรม้าเหล็กจะขับเคลื่อนมาแต่อย่างใดอีกทั้งเสียงคำรามของหัวจกักรมันก็ไม่ได้ยินเลยสักนิดเดียว ด้วยความใจเย็นมันก็ค่อยๆสตาร์รถอีกครั้งหนึ่งกุญแจถูกเสียบเข้าไปแล้วก็หมุนไปยังจุดเดินเครื่องแล้วมันก็เป็นเหมือนเดิมอ่าคือเครื่องยนต์ไม่ยอมทํางานขณะที่มันกําลังง่วนอยู่กับรถกู่ใจของมันนั่นเองสายตาเขามันก็เหลือบไปเห็นแม่ลูกคู่หนึ่งเดินตรงเข้ามาหาแล้วก็ตรงมาที่รถผู้เป็นแม่ก็ถามไทไอ้ไก่ว่าเป็นใครมาจากไหนทําไมมาจอดรถพาดขวางทางรถไฟอ ย, อย่างนี้ไม่กลัวอันตรายหรอ ไอ้ไก่ก็อธิบายว่าเหตุที่มาจอดรถอยู่อย่างนี้ก็เพราะเมื่อสักครู่กำลังจะขับผ่านรางรถไฟอยู่ดีๆในรถมันก็เกิดดับขึ้นมาเองอย่างไม่รู้สาเหตุอ๋อคุณลองสตาร์ทไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวรถมันก็คงติดเองอนะคงไม่เป็นไรหรอกบ้านของฉันอยู่แถวนี้แหละเดี๋ยวถ้ามีอะไรให้ช่วยคุณบอกฉันได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจเธอพูดแสดงความมีน้าใจกับไอ้ไก่ด้วยน้าเสียงปกติไม่ได้ตื่นเต้นอะไร ในตอนนั้นหากไอ้ใก่มัก้มดูนาฬิกาข้อมือสักนิดมันจะรู้ว่ารถไฟขบวนตรังกรุงเทพนี่ออกจากสถานีเกือบสิบนาทีแล้วและนั่นก็หมายความว่าอีกไม่เกินห้านาทีข้างหน้ารถไฟก็จะมาถึงที่รถจอดเสียอยู่ซึ่งถ้าถามว่าทาไมมันไม่ตรวจ ด, ดูระบบอื่นของรถดูอาจจะดีกว่าที่ลองสตาร์ทเครื่องไปเรื่อยๆหรือความรู้สึกของมันขณะนั้นมันก็บอกไม่ถูกเหมือนกันว่าทาไมเรื่องนี้มันคิดไม่ถึง ทั้งที่ความจริงถ้าเป็นเวลาปกติมันก็คงจะคิดได้แล้วก็ทําไปแล้วไอ้ไก่ยังคงตั้งหน้าตั้งตาที่จะติดเครื่องรถยนต์ให้ได้โดยมีแม่ลูกคู่นั้นยืนดูอยู่ไม่ห่างซึ่งมันก็ไม่ได้สนใจพวกเขาทั้งสองเท่าไหร่ในใจของมันน่ะตั้งข้อสันนิษฐานนะว่าทั้งสองคงจะเป็นไทยมุงที่ชอบสนใจเรื่องชาวบ้านเท่านั้นเองทันใดนั้นเสียงของใครคนหนึ่งที่ดังอย่างกับฟ้าผ่าก็ดังขึ้น ซึ่งความเข้มของเสียงนี่มันมากพอจะให้มันสะดุ้งและสนใจเนื้อหาของคาพูดที่คนคนนั้นกล่าวออกมาไอ้ไอ้นมทาไมไม่รีบออกมาจากรถนั่นรถไฟมันจะมาถึงแล้วเดี๋ยวมึงก็ตายหา่าหรอกรีบออกมาเร็วหลังจากได้ยินเสียงใครคนนั้นกล่าวจบก็เป็นเวลาเดียวกับที่มันหันไปมองตามทิศทางที่ถูกอ้างถึง คุณพระช่วยอีกไม่ถึงร้อยเมตรขบวนรถไว้น้ำหนักหลายร้อยตันก็จะพุ่งมาถึงตัวและพาหนะคู่ใจแล้วไอ้ไก่ไม่รอยผู้หวังดีร้องเตือนเป็นครั้งที่สองมันรีบเปิดประตูรถพร้อมทั้งกระจุนออกมาแลพาตัวเองออกไปให้ห่างจากพาหนะคู่ใจให้มาก ท, ที่สุดเท่าที่จะทำได้ในเวลานั้นมันสาวเท้า ว, วิ่งไปข้างหน้าได้ไม่ถึงสิบเมตร เสียงหัวขบวนม้าเหล็กบดขยี้และลากรถตุดที่รักของมันดังสนั่นไปทั่วท้องถนนพอได้ยินเสียงนั้นแล้วมันก็ชะ ง, งักฝีเท้าไว้เพียงแค่นั้นเพราะรู้สึกว่าตัวเองอยู่ในระยะที่ปลอดภัยแล้วอีกทั้งมันต้องการจะดูว่าสภาพรถอันเป็นที่รักของมันมีสภาพเป็นยังไงไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าของมันในเวลานี้ครั้งหนึ่งเคยเป็นสิ่งที่เจ้าของรักและหวงแหนเป็นที่สุด จากรถยนต์คันโปรดเวลานี้มันกลายเป็นเศษเหล็กกระจัดกระจายคนละทิศคนละทางอย่างช น, นิดที่เรียกว่าหาชิ้นดีไม่ได้นี่ถ้าหากถ่ายรูปสภาพรถของไอ้ไก่แล้วนําไปบอกใครต่อใครว่านี่แหละคือรถยนต์ของไอ้ไก่ก็คงไม่มีใครเชื่ออย่างแน่นอนเพราะทุกคนที่เห็นคงจะบอกเป็นเสียงเดียวกันว่ามันเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจากเศษเหล็กเออเป็นยังไงบ้างไรไอ้นมบาดเจ็บตรงไหนมัง่ง ทำไมเองไม่ออกมาจากรถตั้งแต่ตอนแรกก่อนที่รถไฟจะมาไม่น่ารอให้รถไฟมาจนเกือบจะถึงอยู่แล้วข้าน่ลุ้นเองจนใจหายใจคว่มเลยทีเดียวผู้ชายคนที่ร้องเตือนไอ้ไก่ก็ถามด้วยความเป็นห่วงอ่าหลังจากที่ทุกอย่างผ่านไปได้ ด, ด้วยดีนี่ถ้าเองไม่ได้ขาช่วยไว้เนี่ยป่านนี้เองน่ะเละไปกับรถของเองแล้ว แต่ไอ้ไก่มันก็ไม่ได้ใส่ใจต่อคําพูดของเขามากนะักเนื่องจากมันยังตื่นตระหนกกับเหตุการณ์เฉียดตายที่เพิ่งเกิดขึ้นแบบสดส ด, สดร้อนๆอนและเมื่อเหตุการณ์นั้นผ่านไปได้ครูใหญ่พอตั้งสติได้ไอ้ไก่ก็ฉุกคิดถึงเรื่องบางอย่างขึ้นมาได้ความสงสัยความแปลกใจก็กลับบังเกิดขึ้นในความรู้สึกของมันแล้วผู้หญิงกับลูกคนที่มาคุยกับมันตั้งนานสองนานนั้นหายไปไหน หรือว่าหล่อนกับลูกโดนรถไฟขยี้ไปพร้อมกับรถคู่ใจของมันแล้วเออผมขอบคุณนะมากเลยนะครับนี่ทำไมเดินน้าช่วยไว้ป่านนี้ผมจะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้ผู้หญิงคนนั้นไม่ไหวจริงๆเลยนะอุตสามา์าชวนผมคุยทั้งหลายคําจะไม่ยอมบอกผมสักนิดว่ารถไฟกําลังจะมาแล้วนี่ไม่รู้หายไปไหนแล้วผู้หญิงที่ไหนข้าไม่เห็นมีผู้หญิงที่ไหนเลยเออนี่เขาจะบอกอะไรให้นะ ข้าน่ะเห็นเองตั้งแต่ตอนที่รถเองเสียแล้วข้าไม่เห็นใครสักคนข้าคิดว่าเองคงไม่ใจเย็นพอจะนั่งอยู่ในรถจนรถไฟมาถึงตัวหรอกพราเห็นทีท่าว่าเองคงจะไม่ออกจากรถก็ถึงได้ร้องเตือนเองมาแหละเออเออเออนี่ขานึกอะไรออกแล้วสงสัยเองจะโดนผีหลอกอะไรไนมนะออหมายความว่ายังไงนะนะคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ เมื่อไม่กี่วันก่อนบริเวณถนนพาดทางรถไฟตรงที่รถต้งเองถูกชนมีแม่ลูกคู่หนึ่งขับรถมอเตอร์ไซค์มารอให้รถไฟผ่านไปก่อนขณะที่รถไฟกำลังเคลื่อนผ่านไปนะ่ะไม่รู้เป็นอะไรมอเตอร์ไซค์ของทั้งสองแม่ลูกมันทันหลันออกไปปะทะเข้ากับรถไฟที่กำลังเคลื่อนตัวอยู่อย่างจังผลที่ตามมาเองก็คิดเอาเองแล้วว่ามันจะเป็นยังไงขนาดรถยนต์ยังเละขนาดนี้เราสองแม่ลูกนะ่ะมันจะขนาดไหน ส่วนสาเหตุที่ทั้งสองพยายามชวนคุยแล้วก็บังตาปิดหูไม่ให้เองเห็นหรือได้ยินเสียงรถไฟที่กำลังมาข้อสนิฐานว่คงคงจะต้องการให้เองตายเพราะถ้าเองตายมันทั้งสองก็จะได้ไปผุดไปเกิดบิญญาณไม่ต้องมาสิงสถิตยอยู่แถวนี้แต่น่าเสียดายที่ความต้องการของพวกมันไม่ได้ดังใจหวังถือว่าเป็นโชคดีของเองนาทีรรมาเจอซะก่อนทาไมอย่างนั้นเองก็คงจะได้มาเฝ้าที่ตรงนี้แทนพวกมันทั้งสองคนแล้วละ ชายผู้มีพระคุณกล่าวทิ้งท้ายก่อนที่จะขอตัวไปหารถเพื่อจะได้ไปส่งไอ้ไก่กลับบ้านอย่างปลอดภัยครับเมื่อปีพุทธศักราช2518มีผู้ชายวัยกลางคนวัย40เศษชื่อนายเฉลิม ประกอบอาชีพเป็นพ่อค้าผลไม้อยู่ที่ตลาดปากซอยย่านชานเมืองนนทอัธยาศัยใจคอของเขาก็เหมือนกับคนค้าคนขายทั่วไปก็คือมีรอยยิ้มไมตรีจิตให้แก่ทุกคนที่เดินผ่านแผงขายผลไม้ของเขาปา ก, กร้องเรียกเสียงดังฟังชัดเชื้อเชิญให้ซื้อผลไม้ติดไม้ติดมือไปกินที่บ้าน ใครซื้อก็ยิ้มดีใจถ้าใครเดินผ่านไปเฉยๆในเหลอมก็ยังยิ้มอารมณ์ดีไม่ถือโทษโกรธเคืองด้วยรู้ว่าผลไม้นะั้ไม่ใช่สิ่งจำเป็นของชีวิตคนมาเดินในตลาดปากซอยส่วนใหญ่จะซื้อกุ้งหอยปูปลาเนื้อแล้วก็หมูตลอดจนพืชผักไปประกอบอาหารมากกว่าอย่างอื่นดังนั้นพ่อค้าผลไม้สดอย่างนายเฉลิม ก็มีไรายได้แค่พอเอาตัวรอดไปวันๆเท่านั้นญาติมิตรหลายคนแนะนำให้ลองขายไก่สดหมูสดดูบ้างในเหลิมก็ไม่สะดวกใจที่จะทําตามซ้อยังเห็นเป็นเรื่องของบาปเวรต่อให้เขาไม่ใช่คนฆ่าเป็ดฆ่าไก่หรือว่าเชือดหมู ด, ด้วยมือเองก็เสมือนหนึ่งสั่งฆ่าทางอ้อมเพราะหากไม่มีพ่อค้าสั่งของสดมาขายโรงฆ่าจะเอาซากสัตว์ไปขายให้ใคร แล้วอีกอย่างหนึ่งในเหลิมนี่เป็นคนจิตใจอ่อนโยนอยู่ในศีลกินในธรรมนอกจากไม่เคยจะทำผิดศีลข้อแรกด้วยการลงมือฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแล้วก็ยังไม่ส่งเสริมให้ใครไปฆ่าไปแกงพวกมันด้วยการกินการอยู่ของเขาก็หนักไปทางอาหารมังสวิรัตเช่นแกงส้มหัวไชเท้าใส่เต้าหู้แผ่นหั่นชิ้นพอคาแทนการใส่เนื้อสัตว์เป็นต้นยกเว้นเวลาไปทาธุระไกลบ้าน ก็ต้องกินอาหารตามร้านริมถนนเขาก็ไม่ทำตัวยุ่งยากไปสั่งอาหารมังสวิรัตให้ใครมั่นไสมีอะไรกินไปก็กินเหมือนกับชาวบ้านเขากินกันแต่ว่าการถือศีลครบทั้งห้าข้อนี่ไม่ได้แปลว่ากุศ ล, ลจิตจะช่วยเขากลายเป็นคนร่ำรวยทันตาเห็นเพราะความร่ำรวยเป็นเรื่องของโชควาสนาที่มนุษย์แต่และคนสั่งสมมาแต่ปางบัน ประกอบกับความขยันหมั่นเพียรรู้จักอดออมถนอมใช้สิ่งใดไม่ควรซื้อก็ไม่ไปพี่ไรซื้ออีกทั้งเป็นผู้มีวิสัยทัศน์คือมองการไกลสามารถใช้จังหวะชีวิตพลิกผันตัวเองจากคนธรรมดาเป็นเศรษฐีได้ภายในเวลาอันสั้นยกตัวอย่างเช่นอาเฮียเจ้าของร้านโชห่วยปากซอยแกเป็นคนไทยเชื้อจีนเตียอพยพลี้ภัยสงครามมาจากจีนแผ่นดินใหญ่ มาท ร, รมหาหากินซื่อสาสุจริตยอมอดมือกินมือเลี้ยงดูลูกๆให้เติบใหญ่เจริญรอยทำการค้าสืบทอดมรดกภูมิปัญญาจากเตียแต่อาเฮียก็ยังรู้จักการประหยัดทรัพย์ที่เรียกว่ามัธยัตซึ่งเป็นคนละอย่างกับความขี้เหนียวต่อมาได้ข่าวการตัดถนนจากสามแยกแครายไปถึงบางใหญ่คือถนนรัตนทิเบตทาให้ราคาที่ดินย่านบางใหญ่สูงขึ้นกว่าเดิม มีคนบอกขายที่ดินท้องนาริมถนนให้อาเฮีย40ไร่ไร่ละแสนเศรษรวมสนนราคาที่ดินประมาณ5ล้านแกมีวิสัยทัศน์มองการไกลรู้ว่าแห่งหนตำบลไหนถ้ามีถนนสายเมนตัดผ่านราคาที่ดินจะพุ่งเป็นจรวดก็เลยใช้เงิน อ, อมทั้งชีวิตไปช้อนซื้อเอาไว้สิบกว่าปีต่อมา สนนราคาไร่ละแสนกว่าก็กลายเป็นหลายล้านบาทแกแบ่งขายให้คนเอาไปทำหมู่บ้านจัดสรนยี่สิบไร่ได้เงินเข้าบัญชีกว่าครึ่งร้อยล้านยังเหลือที่ดินไว้เก่งกำไรอีกตั้งยี่สิบไร่พลิกฐานะจากเจ้าของร้านโชว์หวยธรรมดาเป็นเศรษฐีในบัดดลเพราะเงินสดห0สกว่าล้านในปี2530นมั้นมีค่าสูงกว่าร้อยล้านในปัจจุบันมากมายนัก สำหรับในเหลิมคนนี้รู้จักกับอาเฮียเจ้าของร้านโชวห่วยดีแต่ยังขาดวิสัยทัศน์เหมือนแกทุนร้อนที่จะนำไปพลิกชะตาตัวเองอย่างแกก็ไม่มีประมาณว่ามีบุญเฉพาะในชาตินี้บุญเก่าจากชาติบางก่อนก็คงจะน้อยเกินไปข า, ขายอะไรก็ไม่รุ่งแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นล้มหายตายจากม้วนเสือกลับบ้านเก่าก็เรียกว่าพอมีพอใช้ แต่ไม่ถึงขั้นเหลือเก็บในบัญชีธนาคารกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งเรื่องที่ไม่นึกไม่ฝันว่าจะเกิดก็เกิดขึ้นกับนายเหลิมวันนั้นเขาขายผลไม้ที่แผงในตลาดปากซอยตามปกติไม่ได้มีฝันร้ายหรือว่าสังหรณ์อับประมงคลอะไรสักอย่างตอนาสายๆของวันเดียวกันก็มีบุรุษแปลกหน้าก้าวอาจอาจมายืนประจัญหน้าที่นาแผงผลไม้ของเขาอ่า ยืนไม่ยืนเปล่าหมอนั่นเกิดนึกขลังอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้หันไปคว้ามีดปังตอจากแผงขายหมูที่อยู่ใกล้กันกระโจนข้ามแผงพิมพ์แงทงพลาดฟันในเหลื่มอุตรุษเดชบุญในเหลืม่มเห็นตอนที่มันคว้ามีดปังตอพอดียกเก้าอี้ไม้ที่ใช้นั่งปัดป้องคมมีดเป็นการใหญ่ทําให้คมมีดพลาดจุดสําคัญเช่นก้านคอไปไปโดนท่อนแขนแล้วก็สีข้างบาดเจ็บสาหัส พ, พอดู ฝ่ายบุรุษแปลกหน้าเห็นในเหลอมล้มจมกองเลือดก็ไม่รอดูผลงานล่ะกระโจนออกจากที่ได้ก็เพ่นอ้าวหายลับไปจากตลาดปากซอยอย่างรวดเร็วตอนนั้นในเหลิมยังมีสติก็ร้องให้คนช่วยเสียงหลงคนก็บอกว่าเฮ้ย hey, ใครมีหยูกยามีผ้าพันแผล ร, รีบไปช่วยเหลิมเร็วเข้า ต่อมาพ่อค้าแม่ขายในตลาดก็แห่มามุงดูคนที่รู้จักสนิทกับนายเหลิมก็เข้าไปช่วยผถมพยาบาลตามมีตามเกิดบรรดานักจ่ายตลาดก็แห่มาสมทบกับไทยมุงกลุ่มแรกตามประษาคนอยากรู้ว่านายเหลิมเนี่ยจะเป็นตายไร้ดียังไงมั่งส่วนนายเหลิมซึ่งนอนแผ่สองสลึงเลือดท่วมตัวตกใจที่เห็นเลือดออกมากทําท่าจะลมใส่หมดสติอยู่แล้วแต่อยู่ๆก็มีอาการแปลกประหลาดเกิดขึ้น ในเหลิมสามารถพลุดลุกขึ้นโงนเงีนได้เองอย่างไม่น่าเชื่อทำหน้าสะบัดไปสะบัดมาแรงๆหลายครั้งลักษณะเหมือนกับถูกผีเข้าเจ้าสิงอึดใจต่อมาปรากฏว่ามีผีเฮี้ยนตัวหนึ่งเข้ามาสิงอยู่ในร่างในเหลิมจริงๆบรรดาไทยมุงเชื่อเต็มร้อยว่าในเหลิมถูกผีเข้าเพราะคนบาดเจ็บสาหัสขนาดเลือดท่วมนคงจะไม่นึกขลังแกล้งทําเป็นผีเข้าเป็นแน่นอน พ่อค้าเขียงหมูที่ตั้งแผงอยู่ใกล้กันแล้วก็เป็นเจ้าของปังตอมฤตยูรู้จักสนิทกับนายเหลิมดีกว่าใครเพื่อนอ่าก็บอกว่าเฮ้ย hey, มีใครเข้ามาสิงอยู่ในร่างไอเหลิมเพื่อนข้าวะร่างผีสิงนงหลับตาแน่นคิ้วขมวดย่นกัดกรามกรอดกรอดข้าไม่ใช่ไอเหลิมข้าชื่อกาดมาจากตะวันออกข้าเองที่สิงอยู่ในร่างไอแหวง ไอ้แหวงสําเมไรละ่ะคนที่เองสิงอยู่ชื่อเฉลิมเป็นคนเมืองนอนเออชาตินี้มันเกิดใหม่เป็นไอ้เหลิมแต่ชาติก่อนมันคือไอ้แหวงขู่แทงความชั่วชาสารเหลวขับพึ่งตามหามันเจอก็เลยอาศัยมือใายแปลกหน้าคนเมื่อตะกี้นี้ใช้มีดปังตอสับมันอ้าวงั้นไอ้คนที่ฟันได้ปังตอที่สับไอ้เหลิมนี่ก็โดนเองเข้าสิงหรือไงใช่ มันกำลังเดินคิดอะไรเพลินๆจิตใจไม่อยู่คับนื้อกับตัวข้าก็เลยฉวยโอกาสกระโจนเข้าแทรกสิงอย่าเสียเวลาไปตามล่ามันตอนนี้มันเองก็ยังมึนงงไม่รู้ว่าทำอะไรลงไปมั่งข้ายืมมือมันสับไอแหวงเพื่อจะล้างแขนอุ้ยเละเอะเทอะใหญ่แล้วแขนบ้าแขนบออะไรเอาเรื่องชาติก่อนมาปนกับชาติปัจจุบันมันจะถูกเรื่องเหรอคิดดูให้ดีซะก่อนนี่นั้นะในกา้านร่างผีสิงก็หัวเราะอย่างเก็บชำ้ำ พูดอย่างนี้แสดงว่ายังไม่รู้เรื่องเจ้านี่กับลูกนี่สักนิดเดียวอ้าวแล้วจะให้เข้าใจว่ายังไงอ่ะไหนลองพูดให้ชัดๆสิเฮียเขียงหมูพยายามจะเบี่ยงเบนความสนใจของผีที่สิงในเหลิมเพราะว่ามีดปังต่อยังสงบนิ่งอยู่แทบเท้าของมันอาจจะแสดงความเกลี้ยกราดกว้าปังต่อขึ้นมาสับหัวในเหลิมสัเมื่อไหร่ก็ได้ไฟผีที่เข้าสิงก็ต้องการจะระบายความเจ็บแค้นที่อัดแน่นอยู่ในอก เจ้าหนี้น่ะเป็นกวายทวงถามสิ่งที่ลูกหนี้ติดค้างกันไว้ฝฟายลูกหนี้ถ้ามีความเป็นธรรมในหัวใจก็ต้องหาทางใช้หนี้คืนอย่างยุติธรรมถ้าเองเป็นข้าโดนลูกหนี้เบี้ยวไม่ยอมส่งต้นส่งดอกหลายสิบปีเองก็ต้องทาเหมือนกะที่ข้าจัดหนักใส่ไอ้แหวงนั่นแหละเอาเป็นว่าตอนนี้ในแหวงเนี่ยกลับชาติมาเกิดเป็นในเหลิมใช่ไห ถ้าในก้านข้าในเหลิมตายคามือในแหวงก็ลอยนวลสบายใจเฉยเนี่ยนะเพราะในเหลิมก็คือในเหลิมไม่ใช่ในแหวงแต่จิตวิญญาณที่เกิดใหม่ยังยังใช่ไอแหวงโลกของผีไม่มีกฎหมายมีแต่นี่กรรมที่ต้องชดใช้ข้าคือเจ้ากรรมในเวรของมันจะเล่นงานมันมากน้อยแค่ไหนก็ไม่ผิดบาปใดใดทั้งสิน้นอ้าวแล้วมันนี่กรรมอะไรล่ะเล่าให้ฟังหน่อยสิ คนดูตั้งเยอะแยะท่านในก้านเป็นฝ่ายถูกเนี่ยอ่ะบางทีเราอาจจะเข้าใจได้เฮียเขียงหมูก็ใช้คารมกล่อมจนผีในก้านสงบเย็นลงมีแก่ใจเล่าเหตุการณ์ในอดีตให้ฟังเป็นฉากฉากไอ้แหวงเนี่ยมันชั่วมากข้า ย, ยินดีจะนำความชั่วของมันมาประจานให้รู้บรรดาไทายมุงก็เห็นเป็นโอกาสอันดีที่จะช่วยในเหลิมให้รอดพ้นคมปังตอก็พากันหูร้อง สนับสนุนร่างผีสิงกันอึ้งมี่เอาละทุกคนฟังทางนี้นะสมัยที่ไอ้เหลิมนี่เกิดเป็นไอ้แหวงกูมีภูมิน้ำเนาาอยู่ภาคตะวันออกในเขตจังหวัดจันทบุรีนิสัยใจคอของไอ้แหวงเนะ่เป็นคนผ่านสันดานเถื่อนส่วนข้าเนะ่เกิดเป็นผู้หญิงชื่อแก้วเจอไอ้แหวงที่ไหนเจ็บหนีห่างให้ไกลร้อยโยอดพันยอ์ เพราะว่าใช่แต่มันจะหน้าตาดุร้ายเหี้ยมเกรียมเหมือนโจนทรทำมินหินนาชาติสันดานของมันก็ยังป่าเถื่อนเกะกะระรันเขาไปทั่วไม่เลือกหน้าว่าผู้ชายผู้หญิงเคยฉุดผู้หญิงเจ้าบ้านไปทำไมด่ดีมีร้ายมาแล้วนับไม่ท้วนอ้าวคนในเหลิมชาติเนี่เขาเป็นคนดีอยู่ในศีลกินในธรรมทำไมชาติก่อนเป็นคนร้ายไปได้อะเรื่องนี้เป็ น, นกลไกของกฎแห่งกรรม มันลี้ลับซับซ้อนมหัศจรรย์เหลือวิสัยที่ข้าจะเข้าใจได้เพราะคนเราไม่ได้เกิดหนเดียวตายหนเดียวเคยเวียนไหวตายเกิดกันมานับพบนับชาติไม่ถ้วนแล้วเอาเป็นว่าจะมีข้อบาดหมางอะไรกันในแหวงอ่ะตอนนั้นน่ะในชาติที่ก็เกิดเป็นผู้หญิงชื่อแกว้วข้ามีคนรักเป็นนายทหารจะแต่งงานกันอยู่ในวันในพรุ่งโชคร้ายที่ไอแหวงมีพ่อแม่ร่ํำรวย ขอร้องพ่อแม่ของมันเองให้ส่งเท่าแก่มาสู่ขอแก้วข้าในชาติที่เกิดเป็นผู้หญิงเนื้อทั้งโกรธทั้งเกลียดไอแหวงเข้ากระดูกดําเป็นตายร้ายดียังไงก็ไม่รับมันพ่อกับแม่ก็เลยปฏิเสธเลยเกิดผิดใจกับพ่อแม่ของไอแหวงถึงขั้นประกาศเป็นศัตรูกันอยู่มาวันหนึง่งแก้วเข้าสวนช่วยพ่อแม่เก็บผลไม้ไปขายในตัวเมือง คล้อยหลังพ่อแม่ไอ้แหวงก็มาดักพูดจาลวนลามเพื่อให้แก้วน่ะยอมเป็นเมียก็เกิดมีปากเสียงกันพักใหญ่ไอ้แหวงก็ลุกแก้มนาจุดครากแก้วไปขังไว้ในกระท่อมกลางป่าขังไม่ขังเปล่ามันทรมานสารพัดเพื่อยอมไม่เป็นเมียมันโดยดีวันไหนให้ข้าวกินมันก็จะปนเศษกลรวดเศษซรายมาในชามข้าว วันไหนให้น้ําดื่มน้ําก็สกรปรกเน่าเสียเหมือนปักมาจากท้องร่องน้ําคล้ำสกรปรกโสโครกแก้วก็หิวหิวน้ําฝืนใจดื่มเข้าไปก็ท้องเสียฟันฟางหั ก, กรัน่นจนต่อมากินอะไรไม่ได้อีกเลยกระท่อมที่กุมขังก็ไม่มีหน้าต่างอยู่มืดมืดไม่เห็นเดือนเห็นตะวันแก้วสิ้นเรียวสิ้นแรงหมดกําลังใจที่จะมีชีวิตอยู่ดูโลก แต่แหวงก็ยังทรมานในอดข้าวอดน้ำซ้ำเติมเข้าไปอีกคนอย่างสัตว์นรกตัวนี้ผู้หญิงที่ไหนที่เขาอยากจะเป็นเมียมันท้ายที่สุดของแก้วก็คือเป็นลมตายเพราะความหิวโหวยทิ้งศพอยู่ในกระท่อมอุบาทที่มันสร้างขึ้นเพื่อตักขังแก้วโดยเฉพาะแสบยิ่งไปกว่านั้นผู้หญิงที่มันเคยหลงรักตายไปแล้ว ไอ้แหวงก็ยังตามหมอผีอาคมขลังมาทำพิธีสะกดวิญญาณไม่ให้ได้มีโอกาสเป็นผีเฮี้ยนตามลางแขนมันได้แต่ไม่น่าเชื่อว่าเศษมนุษย์อย่างมันจะเสวยสุขอยู่ในโลกได้นานเป็นพิเศษสมจริงอย่างที่ย ม, มาบาลเคยเล่าให้ครูคนหนึ่งฟังอ่ะเรื่องนี้มีย ม, มาบานมาเกี่ยวได้เหรอก็อแค่จะยกตัวอย่างให้ฟังย ม, มาบาลท่านเล่าให้ครูคนนั้นฟัง ว่ามีสัตว์นรกจํานวนมากถูกลงทันอย่างหนักหนาสาหัสแล้วก็ไม่ได้สํานึกถึงบาปบุญคุณโทษแต่อย่างใดทั้งทั้งที่พวกมันตกนรกชดใช้นี่บาปอย่างยาวนานก็ยังตั้งจิตตั้งใจตลอดเวลาว่าวันไหนได้ไปผุดไปเกิดมันจะสร้างความชั่วช้าสารเลวให้หนักยิ่งกว่าเดิมเป็นทวีคูณทีนี้ไอ้การตกนรกอย่างยาวนานย่อมเท่ากับมันชดใช้นี่บาปเวรเกือบหมดสิน้น แต่ว่าบุญกุศลที่พวกมันเคยสร้างสมไว้ก็ยังอยู่ดีรอตามสนองพวกมันพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านคือสัตว์นรกกลุ่มนี้เกิดใหม่โดยมีแรงบุญติดตัวมาเก้าในสิบมีเศษบาปเวรติดมาเพียงส่วนเดียวนี่แหละคือเหตุผลที่ว่าเพราะเหตุใดคนชั่วบางพวก สร้างความชั่วขนาดหนักชนิดว้าดินสาบแช่งแต่ก็ยังมีชีวิตเป็นปกติสุขไม่มีบาปกรรมอะไรมาตามสนองก็จะตามสนองได้ยังไงในเมื่อมีแรงบุญคุ้มหัวพวกมันอยู่อย่างที่เคยคุ้มหัวไอแหวงเป็นต้นไอแหวงเมื่อชาติที่แล้วทำชั่วจนอายุ ป, ป่าเข้าไปร่วมเก้าสิบปีถึงได้ตายไปเองโดยไม่มีใครฆ่า แต่เหตุไฉนตอนมาเกิดเป็นเจ้าเหลิมเนี่ยถึงได้กลายเป็นคนดีมีศีลธรรมไปได้ก็ไม่รู้ส่วนข้าในชาติที่เป็นผีในชื่อในกัลประกวว่าลูกหลานของไอ้แหวงนี่ขัดสนจนยากต้องแบ่งที่ดินขายเขากินเจ้าของที่คนใหม่เอารถมาไถเกรดที่ที่เสื่อมโซมเพื่อจะทำไร่ปลูกพืชผักผลไม้ ศบในอดีตชาติของข้าซึ่งถูกฝังไว้ตื้นๆก็เลยถูกขุดขึ้นมาเผาเป็นเท้าทุลีดินเท่ากับอาถรรพ์ที่ลี้ลับที่สะกดวิญญาณไว้ก็ถูกทำลายลงที่แรกที่ได้รู้ว่าไอ้แหวงจบเพลงหลุมไปแล้วคนึกว่าคนชั่วช้าสามานอย่างมันคงตกนรกหมกไหมไม่มีวันได้ผุดได้เกิดแต่ที่ไหนได้เศษกรรมดีของมันยังอุตส่าห์ฉุดขาไว้ไม่ให้ตกนรก ซ้ำยังมีพลังอำนาจทรงมันมาเกิดเป็นมนุษย์อีกคำรบหนึ่งอย่างไม่น่าเชื่อส่วนข้าถูกกักขังวิญญาณไว้นานหลายสิบปีไม่เห็นเดือนเห็นตะวันจมปลักอยู่ใต้ดินเหมือนพวกไสเดือนกิงคือถ้าไม่หาทางทำจิตใจให้สงบอาจจะคิดฟุ้งซ่านจนระ ง, งับไม่อยู่ได้แต่คลั่งใจอึดอัดทรมานอยู่กับความแค้นซึ่งเป็นทุกข์ยิ่งกว่าตกนรก แต่ว่าการทําจิตใจให้สงบไม่คิดโน่นคิดนี่นั่นมันเกิดผลดีอย่างคาดไม่ถึงเพราะช่วยให้จิตเนี่ยตั้งมั่นเป็นหนึ่งอารมณ์ที่เป็นกิเลสจอนมากระทบจิตไม่ได้เป็นเหตุให้บังเกิดอํานาจจิตขึ้นเล็กๆน้อยๆเมื่อพ้นจากการครอบงําของอาถรรพ์ลีลับก็ทําให้นึกรู้ได้เองเป็นอัตโนมัติว่าไอ้แหวงเกิดใหม่ที่ไหน แต่ว่าการติดตามร่างใหม่ของมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเพราะรูปร่างหน้าตาชื่อเสียงเรียงนามย่อมต่างกับคนเดิมข้าต้องใช้ความอุตสาหะมานะพยายามอยู่หลายปีกว่าจะรู้ว่าในเหลิมคือไอแหวงในชาติใหม่พอ ร, รู้ความจริงว่าเป็นยังไงแรงแค้นถึงสมนัน่นอยู่ในอกหลายสิบปีก็ประทุขึ้นหาทางจัดหนักกับเจ้าเหลิมนี่ให้จงได้ กระทั่งวันนี้เผอิญพบชายแปลกหน้าเขากำลังเดินคิดอะไรเพลินๆจิตใจไม่อยู่กันเนื้อกัะตัวก็เลยฉวยโอกาสกระโจนเข้าแทกสิงผลักดันวิญญาณเดิมเขาออกไปเหตุการณ์ต่อจากนั้นทุกคนก็เห็นกับตาแล้วข้าไม่จำเป็นต้องถามความอีกอ้าวแล้วรู้วในแหวงมาเกิดเป็นในเหลิมตั้งแต่เมื่อไหรอ่อ๋อตามตัวเจอหลายปีแล้ว แต่เล่นงานในเหลิมไม่สำเร็จเพราะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ุ้มหัวอยู่ได้แต่ใช้อำนาจความเฮี้ยนบันดาลโดนจนในเหลิมทำมาค้าขายไม่รุง่งต้องอยู่อย่างร่อแร่ไม่ตายก็เลี้ยงไม่โต ว, วิธีกลั่นแกล้งก็ไม่ยากแค่โดนใจลูกค้าที่มาซื้อผลไม้ให้เห็นไปว่าผลไม้ที่แผงของในเหลิมนั้มันเน่าห น, านอนซื้อไม่ลง ยกเว้นคนที่มีจิตใจกล้าแข็งจริงๆข้าก็ทำอะไรเขาไม่ได้ก็ต้องปล่อยให้ซื้อผ ล, ลไม้เขาไปตามใจชอบและหลังจากที่ข้าเข้าสิงผู้ชายคนนั้นในใช้ปังตออวันในเหลิมจนจมกองเลือดไปแล้วข้าก็ชุกใจคิดขึ้นมาได้ว่าในเหลิมในบาดเจ็บอย่างหนักจิตใจไม่อยู่กันเนื้อกันตัวถ้าเข้าสิงเพื่อจะแฉโคยความชั่วของไอ้แหวงประจานต่อหน้าชาวบ้านร้านตลาดก็คงจะดี พอฟังมาถึงตรงนี้เจ้าของเขียงหมูที่เป็นกระบอกเสียงแทนในเหลิมก็ขึ้นเสียงเพียงร่างผีสิงเอาละเอาละเข้าใจแล้วว่าความแค้ น, นมีที่มาอย่างไรแต่ในแหวงก็คือชาติก่อนชาตินี้ก็คือในเหลิมเป็นคนถือศีลกินมังสวิรัตการทําร้ายเขาก็เท่ากับทําร้ายคนดีอันนี้มันจะถูกต้องชอบทำหรอือ ผีก็ยืนยันเสียงแข็งว่าตัวเป็นเจ้ากรรมในเวรไม่ไวายแหวงจะเปลี่ยนร่างเป็นอะไรก็ทวงหนี้เวรได้ทุกร่างใครจะเห็นด้วยหรือไม่อ่าก็ตามใจส่วนผีนะ่ะยังยืนยันเจตนาเดิมถ้าอย่างนั้นเอาอย่างนี้นะการทวงหนี้ก็ควรจะสอบถามลูกหนี้ว่าเขาต้องการใช้หนี้หรือว่าเขาจะชักดาบการลงโทษโดยพฤติการนั้ไม่ยุติธรรมอย่างน้อยก็ควรจะเปิดโอกาสให้ลูกหนี้ได้เจรจาต่อรองเสียก่อน อ่าก็ได้เอ็งพูดจะมีเหตุผลเดี๋ยวข้าจะออกจากร่างในเหลิมไปก่อนแต่ถ้ายังไม่มีคำตอบให้ขา้าภายในสามวันเจ็ดวันข้าจะตามล่าตามล้างให้ถึงที่สุดเลยนะระวังไว้ด้วยกล่าวขาดคำผีเฮี้ยนก็ไม่พูดยากมากความพะละออกจากในเหลิมทันใดในเหลิมซึ่งบาดเจ็บสาหัสก็สุดหววลงไปกองอยู่กับพื้นได้สติกลับคืนมาในแบบร่อแร่เสียเลือดมาก ก็ต้องรีบพาไปหาหมอที่คลินิกปากซอยโดยด่วนเดชบุญที่ในเหลิมใช้มาสามขาปัดป้องคมมีดปังต่อเป็นพลวันบาดแผลที่ได้รับก็เป็นแค่ผิวกายไม่กระทบถึงกระดูกหรือว่าอวัยวะภายในหมอเย็บแผลให้หลายสิบเข็มจ่ายยาระงับปวดแล้วก็พันแผลให้แล้วในเหลิม อ, อาการดีขึ้นก็กลับไปพักพื้นที่บ้านได้สองวันต่อมาอาเฮียแผงขายหมูก็แวะไปเล่าให้ฟัง เรื่องที่ผีเข้าสิงแสดงความอาฆาตมาาร้ายในเหลิมก็อศัศจรรย์ใจแต่ไม่เห็นว่าเป็นเรื่องแปลกประหลาดเนื่องจากเป็นชาวพุทธทั้งกายทั้งใจอ่าเขาเชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดเชื่อชาตินี้ชาติหน้ามีจริงซ้ายังเชื่อคำพูดผีในกัลยชาติที่ผ่านมาเขาคงจะเป็นคนชั่วชา้าเลวสามจริงตามที่ผีกล่าวชาตินี้ถึงได้หากินผืดเครื่อง ถ้ามันไม่ใช่เจ้ากรรมในเวียนขนานแท้มันคงไม่บ้าตามล้างตามเช็ดขนาดนี้แน่ขอบใจเฮียมากนะครับที่ช่วยเจราจาต่อรองจนผีมันยอมเว้นชีวิตให้ผมชั่วคราวแต่มันยังเล่นไม่เลิกหรอกในเหลิมจะคิดอ่านยังไงอะถึงจะเอาตัวรอดจากแรงแค้นของมันได้คือผีในก้านเท่าที่ฟังดูก็รู้หลักนักปราดไม่ใช่น้อย แต่ที่มีท่าทางดูร้ายเยี่ยมเกรียมกว่าเป็นพ่ออดีตชาติเมื่อครั้งเป็นผู้หญิงชื่อแก้วเนี่ยโดนในแหวงซึ่งก็คือผมเมื่อชาติก่อนเนี่ยทำร้ายเขารุนแรงเกินจะอภัยให้ผีในก้านนี่ไม่ใช่พระอริยะที่ยังตัดกิเลสที่ชื่อความโกรธไม่ขาดก็เลยอาฆาตผมไม่รู้จบอย่างที่เขาเรียกว่าแค้งข้ามชาติครับก่อนนั่นสิมันยังรอคาตอบจากนายเหลิมอยู่นะ ถ้าหากว่าวิญญาณเขาเฮียนจริงผมจะจุดทู่บอกกล่าวให้รู้ว่าผมสำนึกผิดแล้วถ้าฆ่าแกงกันให้ตายไปข้างก็หาประโยชน์อะไรไม่ได้แต่ถ้าหากว่ายินยอมให้ผมทำความดีชดเชยความชั่วด้วยการจัดเครื่องสังฆทานชุดใหญ่ถวายพระสงฆ์ที่ปฏิบัตดิดีปฏิบัติชอบที่ท่านมีพลังจิตสูงเมื่อรับสังฆทานแล้วกาหนดจิตแผ่กุศลคือผลของบุญไปให้เขาผีก็น้อมรับกุศลนั้นด้วยใจอันปิติ แรงบุญก็จะเปลี่ยนเป็นสิ่งที่น่ายินดีเช่นทําแม่ร่างผีซึ่งวิกลวิการน่าเกลียดเปลี่ยนเป็นสวยงามได้เปลี่ยนเป็นเสื้อผ้าดีๆอาหารรสอร่อยก็ได้แต่ถ้ายังไม่พอเพียงให้มาเข้าฝันบอกผมยินดีจะบวชอุทิศกุศลผลบุญไปให้หนึ่งมันสาการบวชนะั้นมีอานิสงส์ยิ่งใหญ่มหาศาลถ้าผีน้อมใจรับอานิสงส์ผลบุญนั้นก็จะมีโอกาสไปเกิดอย่างสุคติคือพบภูมิที่มีความสุข เช่นเกิดเป็นมนุษย์ชั้นดีหรือว่าปะเหมาะผีเองก็เคยสร้างบุญให้ทานมาไม่น้อยก็อาจจะเป็นบุญสองแรงบวกได้ไปอุบัติเป็นเทวดาบนสวรรค์ก็ได้เออเข้าท่าผีในะอยู่ในโลกเบื้องหลังความตายเนี่ยมันต้องรู้ดีรู้ชั่วรู้ว่าทำอะไรมีประโยชน์ยิ่งกว่าการล้างแค้นจะทำอะไรก็รีบทำเข้าอย่าชักช้ารอให้ผีมันโมโหเดี๋ยวตามมาจัดหนัก อ, กอกีก เฮียเขียงหมูลากลับไปแล้วในเหลือมก็จุดธูปตั้งจิตอธิษฐานถึงผีบอกกล่าวให้รู้ถึงอานิสงส์ที่ผีจะได้จากการถวายสังฆทานแล้วก็การออกบวชเป็นภิกษุสงฆ์ในพระศาสนานอกจากนั้นทุกเช้าก็จะทำบุญใส่บาตรอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ถือเป็นการใช้หนี้เวรกรรมแก่ผีส่วนผีก็ต้องเปิดทางสะดวกให้ทาได้อย่างที่บอกกล่าวไปนั้นไม่ใช่ อำนาจโดนใจทำให้ยากจนค้นแค้นยิ่งกว่าปัจจุบันซึ่งไม่มีประโยชน์แก่ใครทั้งสิ้นไม่ว่าในเหลิมหรือว่าผีเองเวลาผ่านไปไวเหมือนติดปีกในเหลิมทำตามสัตว์ปฏิญาณที่ให้ไว้กับผีทุกประการผีมีฤทธิ์มีเดชพอตัวก็รู้ว่าในเหลิมกำลังทำดีแก้ตัวอยู่ก็เปิดทางให้ทำได้ตามสบายเมื่อผีมีความสุขกว่าเดิมก็ใช้อานาจลี้ับ ช่วยหนุนในเหลิมแบบผีผีไอ้ที่เคยค้าขายติดติดขัดขั ด, ขดก็เปลี่ยนเป็นขายดีมีกำไรมีเงินออมเหลือเก็บในบัญชีหลังจากในเหลิมบวชและสึกออกมาเป็นคารวาสแล้วผีเฮียนก็หายเงียบเข้ากลีบเมฆไปไม่เคยมาเอะอะอารวาสอะไรอีกเลยครับ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 ช่วงโคนโคนลำต้นนั้นเต็มไปด้วยร่องรอยบาทแผลก็คือเปลือกหลุดล่อนหายไปนั่นก็เป็นเพราะมันโดนรถหลายคันพุ่งชนจนยับเยินทั้งรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ ide, แม้แต่จักรยานก็ยังไม่ไหวพุ่งเข้าใส่มันก็อย่างที่บอกกันแหละราก็ว่ามันส่งแรงดึงดูดสูงมากออกมาแล้วดึงดูดเอารถเหล่านั้นให้พุ่งเข้าหารถราเหล่านั้นพังยับเยินรถแต่ละคันที่เกิดอุบัติเหตุที่โคนต้นมากก อ, อกต้นเนี้ย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 นายทองนะมีลูกชายชื่อสุเทพเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านใหย่ทองบอกลูกชายให้จัดการอะไรสักอย่างกับต้นมะกอกต้นนั้นนะเพราะว่าทําความเดือดร้อนให้ชาวบ้านแกสงสารชาวบ้านที่ต้องมาล้มตายอยู่เรื่อยๆแกพูดกับลูกชายว่าถ้าไม่มีต้นมะกอกก็คงยังไม่เกิดเหตุร้ายเพราะว่ารถแต่ละคันที่แล่นมาดีๆมันจะต้องพุ่งชนโคนต้นมะกอกทั้งนั้นนะ่ะถ้าไม่มีต้นมะกอกอยู่ตรงนั้นรถมันก็พุ่งไปไม่ชนอะไรมันก็จะไม่เกิดล้มตายกันขึ้นมา ก่อนที่ยายทองจะเกิดความคิด เ, เรื่องนี้ขึ้นมาแกสูญเสียน้องชายไปคนหนึ่งที่ต้นมากอกอดผีสิงนี่แหละน้องชายยายทองชื่อบุญธรรมเขาขับมอเตอร์ไซค์พุ่งชนปรากฏว่าขอหักตายคาที่เลยเขาขับมาตอนดึกสังัดกลับจะไปเฝ้าสวนไม่เมาน้องชายแกคนดีไม่กินเหล้าไม่สูบยาทำตัวดีมาตลอดแกรักน้องชายคนนี้มากแต่เขาก็ต้องมาตายทิ้งลูกเมียเอาไว้เบื้องหลังให้ต้องลำบากลำบนกัน ลูกชายได้ฟังแม่แล้วก็หารือกับผู้ใหญ่บ้านแล้วก็เพื่อนบ้านหลายคนว่าจะเอายัางไงกันดีคุยกันแล้วคนที่เห็นด้วยมีเพียงไม่กี่คนนะ่ะส่วนใหญ่ ล, ก ล, ล, ก, ลกลัวกลัวกันซะเสืมมากพ่อใหญ่ทองรู้ว่าเขาไม่ค่อยจะเห็นด้วยกันแกก็เลยพูดกับลูกชายว่าอีกหน่อยมันคงตายกันหมดหมู่บ้านแะแล้วแกก็บอกว่าที่แกอยากให้โค่นเสียเพราะแกห่วงลูกหลานจะต้องสังเวยชีวิตไปอีกเสียน้องชายไปคนหนึ่งแล้วแค่นั้นก็เสียใจมากพอแล้ว ยายทองแกตัวผอมๆแต่ก็แข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บประจําตัวแกเดินจากบ้านไปมองๆดูต้นมะกอกบ่อยๆมันอยู่ไม่ห่างจากบ้านแกนักอะเดินแป๊บเดียวก็ถึงแกบอกว่าลูกชายแกอยากจะโค่นมันโดยตัวของแกเองลูกชายก็ห้ามมาแม่อย่าไปทําอย่างนั้นนะมันจะล้มทับเอาต้นมันใหญ่โอบไม่รอบเชียวเขารู้ว่าแม่ไม่มีทางทําได้ไม่ว่าจะใช้เลื่อยหรือว่าใช้มีดใช้ขวานพันะมันไม่ใช่เรื่องง่าย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 เพื่อนของเขารับเหมาซ่อมแซมบ้านหลังนี้จากเจ้าของที่เป็นคนมีเงินซื้อบ้านเก่าๆหลังนี้รถซ่อมเพื่อจะขายกินกำไรอีกทีหนึง่งเขาไม่อยากจะรบกวนเพื่อนก็เลยนอนที่บ้านหลังนั้นแหละที่ไปซ่อมมาและซึ่งเพื่อนก็ชวนให้เขาไปพักที่บ้านแต่เขาปฏิเสธเพราะเกรงใจเพื่อนเพราะบ้านเพื่อนมีคนอยู่กันหลายคนแล้วแล้วอีกอย่างก็ไม่ใช่บ้านของเพื่อนเองแต่เป็นบ้านของพ่อตาแม่ยายซึ่งมีเขยมีสะใภ้คนอื่นๆพักอยู่ในชายคาเดียวกันด้วย คืนแรกก็ยังไม่มีอะไรแต่พอนอนค้างได้สามสี่คืนก็ทักจะมีอะไรแปลกๆที่ว่าแปลกก็คือนอนหลับอยู่ดีๆก็ได้ยินเสียงใครคนนึงพูดอยู่ข้างหูเสียงนั้นมันดังก็มาในความหลับไหลจนต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาแต่ก็ไม่เห็นจะมีอะไรก็หลับต่อไปคืนต่อมา ก, ก็ได้ยินอีกก็ตื่นอีกเสียงจัดความเสียงนั้นพูดไม่ได้ว่าพูดไวอย่างไงแต่ครับคล้ายครับคลาว่าเป็นเสียงของผู้หญิงซึ่งมีอายุมากแล้วเสียงสั่นๆแหบๆ เขาก็เลยเล่าให้เพื่อนฟังเพื่อนก็พูดว่างั้นนอนปิดประตูห้องให้ดีเดี๋ยวจะโดนยายแก่ปล้ำาเสร็จแล้วเขาก็หัวเราะขำแต่แล้วพอคืนต่อมามันมีสิ่งที่ทําให้เขานิ่งเฉยไม่ได้เพราะว่าคราวนี้ไม่ได้มีแต่เสียงแต่มีอย่างอื่นด้วยเขาหลับไปแล้วพักใหญ่ก็ต้องสะดุ้งตื่นเพราะเสียงเดิมมาแหละพอตื่นมาก็มองไปทางปลายเท้าเขาก็เห็นว่าที่ปลายเท้าน่ะมีกลุ่มควันหนาๆสีขาวลอยอยู่เป็นกลุ่มใหญ่ในลักษณะของร่างคน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 ก็เห็นชัดว่าบ้านนี่ไม่สูงอะ่ะเดินวนจากข้างนอกเข้าไปก็ได้ไม่ต้องเข้าไปข้างในบ้านแต่อย่างใดข้างขวาเป็นไม้หลังคามุมงด้วยสังกะสีหน้าต่างเปิดอยู่ก็มองเข้าไปอยากย้ายเต็มไปหมดขี้ฟูนก็เต็มบ้านเลยเทาไม้เลื้อยก็เลื้อยเข้าไาในบ้านด้วยทีแรกก็ไม่เห็นอะไรปิดปกติแต่มองให้ดีอีกทีก็เห็นอย่างหนึ่งที่ทำไม่มองหน้ากันว่ามันอะไรกันน่ะ ปรากฏว่ามีซากมนุษย์นอนอยู่ที่พื้นกระดานจมอยู่ในกองฝุ่นในอยาก ย, าย่ยายระโยงระยางเท่านั้นเองพากันถอยกลูดออกมาใจหายใจความโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เข้าไปตรวจสอบชาวบ้านแถวนั้นพอรู้ข่าวก็พากันมาดูซากโครงกระดูกนั้นเป็นผู้หญิงเชื่อกันว่าตายมาแล้วไม่ต่ำกว่าสมปีมีสร้อยคอทองคเส้นเล็กๆคล้องติดคอชาวบ้านบอกถึงได้รู้ว่าคนตายชื่อนางสีวันอายุ ป, ประมาณ75ห้าปี คนแถวนั้นเขาเรียกแกว่ายายสีแกอยู่ที่บ้านเล็กนั่นคนเดียวแกไม่มีลูกแต่ว่ามีหลานแต่หลานก็ไม่ค่อยได้ไปมาหาสู่ชาวบ้านไม่เห็นแกมานานแล้วน่าจะราวราวสามปีก็นึกว่าแกคงไปอยู่กับหลานหลานของแกแล้วก็ไม่มีใครสนใจโดยปกติแกอยู่ของแกเงียบๆ เ, เก็บตัวไม่ค่อยสูงสิงกับใครแล้วก็ไม่ได้ขัดแย้งกับใครด้วย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 มาถึงเรื่องแปลกๆ แ, แต่ว่าน่ากลัวครับเรื่องนี้ญาติผาดนี่แกเป็นญาติผู้ใหญ่ห่างๆคนหนึ่งของคุณโกศลแกอยู่กับปู่ซึ่งพิการทุบผลภาพภาระต่างๆในการทํามาหากินก็เลยตกอยู่กับญาผาดแต่เพียงคนเดียวส่วนใหญ่เป็นการทำสวนสวนผลไม้ของญาผาดอยู่ฝั่งตรงข้ามกับบ้านของคุณโกศลขั้นกลางด้วยลาคลองเล็กๆ ยาพาดที่เป็นคนปากร้ายแต่ว่าใจดีบ้านแต่ละหลังปลูกเรียงรายอยู่ริมคลองห่างบ้างใกล้บ้างเป็นระยะระยะได้อาศัยน้ำในลำคลองทั้งอาบทั้งกินแต่ว่าตอนหลังกินไม่ได้ซะแล้วเพราะว่าโรงงานปล่อยของเสียลงคลองก็เลยทำให้น้ำสกรปรกใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้เลยนอกจากจะตักขึ้นมาใส่ไว้ในตุ่มแล้วก็แขวงด้วยสารส้มเพื่อให้น้าตกตะกอนก็จะได้น้าใสใสไว้ใช้ประโยชน์ได้บ้าง ในสวนยาผาดนะมีทั้งไม้ยืนต้นแล้วก็พืชล้มลุกผักสวนครัวหลายชนิดขนุนมะม่วงกระท้อนฝรั่งน้อยหนาลํามุดมะควิดมะยมมะปรางสะดามะขามเทศพันหวานมันอร่อยมากเวลาแก่จัดฝักจะเป็นสีแดงเต็มต้นมะพร้าวก็เป็นสินค้ายอดนิยมที่นำไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างทั้งน้ำมะพร้าวอ่อนแล้วก็ยังนาไปประกอบอาหารขาวหวานอีกทั้งยังมีพืชผักสวนครัวพริกกิหนหูโหระพา พอย่างเข้าฤดูฝนหน่อไม้ก็จะแทงหน่อขึ้นมามากมายญาผาดก็มักจะขุดหน่อไม้ไปขายทีละ ห, หลายกิโลกรัมบางทีแกก็แบ่งปันให้เพื่อนบ้านใกล้เคียงซึ่งคุณกุศลก็มักจะได้กินหน่อไม้ของญาผาดเป็นประจำทุกวันญาผาดจะต้องหาบน้ําที่สะพานท่าน้ําเพื่อไปรดพืชผักโดยใช้ไม้คานแล้วก็กระป๋องสองใบเป็นคู่มือในการหาบน้ําแบบบบราณคนสมัยก่อนเขาใช้กันอย่างนี้ แต่เดี๋ยวนี้เขาใช้เครื่องสูบน้ําแต่ยญ้าผาดไม่เอาเพราะกลัวสิ้นเปลืองเงินเก็บเอาเงินไว้กินไว้ใช้มีประโยชน์กว่าแกว่างั้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งบ้านริมคลองเรื่องน้ําไม่ต้องเดือดร้อนมีใช้กันตลอดปีไม่ขาดแคลนตัวบ้านหญ้าผาดนี้อยู่ห่างจากสวนประมาณสามร้อยเมตรแกจะเดินเข้าสวนแต่เช้าตรู่รดน้ําต้นไม้ถางหญ้าพลวนดินไปตามเรื่องแล้วก็จะกลับบ้านก็ใกล้จะพรเพลตะวันเกือบจะตกดิน แกปลูกกระต้อบเล็กๆเอาไว้ในสวนสำหรับพักผ่อนหุงหาอาหารกินตอนกลางวันบางคืนแกก็นอนที่กระต้อบหลังนั่นแต่ก็นานๆครั้งหนึ่งต่อเมื่อผ ล, ลไม้ออกผลมากๆแกถึงมานอนเฝ้าสวนเพื่อกันขโมยย่าผพาดนี้อายุหกสิบสองปีเป็นคนร่างท้วมผิวคล้ำเพราะว่าบางครั้งต้องกราบแดดแกไม่ค่อยพูดค่อยจากับใครบางวันถ้าแกเห็นคุณกุศลเดินมาที่สะพาน ถ้าน้ำหน้าบ้านก็จะเรียกให้พายเรือข้ามฟากไปหาแล้วแกก็ให้ผลไม้กินจะบฝรั่งไทยลูกเล็กผิวออกจากเกี้ยวอ่อนๆ น, น่ะอร่อยดีมากแล้วก็เดี๋ยวนี้สูนพันไปมากแล้วพราะคนไทยไปเหื่อฝรั่งพันุนอกฝรั่งเวียดนามก็เลยฟันของดีของเราของไทยเนี่ยทิ้งไปหมดเดี๋ยวนี้เหลือสวนฝรั่งไทยอยู่ไม่มากนะักราคาแพงแต่ว่ากินอร่อยย่าผาดก็รู้ คุณกุศลชอบกินฝรั่งสุกคาต้นเพราะวันหอมหวานอร่อยก็เลยเก็บไว้ให้เป็นประจำแล้วก็ยังมีฝรั่งขี้นกลูกเล็กๆไส้สีแดงนั่นก็เกือบจะศูนพันธุไปแล้วพี่ย่าผาดต้องเฝ้าสวนแม้กระทั่งในวันพระวันโกนหรือว่าวันสําคัญทางพุทธศาสนาที่ชาวพุทธต้องทําบุญตักบาตรแต่ยาาต่าผาดก็ไม่ยอมไปทําบุญทั้งๆ ท, ท, ที่บ้านก็อยู่ไม่ไกลาจากวัดเท่าไหรนะ่นักชาวบ้านเขามักจะพูดว่าแกรักและเป็นห่วงผลไม้และข้าวของทุกอย่างมาก เรียกว่าใครอย่าไปยุ่งหรือว่าแตะต้องของของแกเป็นอันขาดความจริงยญ้าผาดไม่ใช่คนใจคอครับแคบเวลาอารมณ์ดีก็จะพายเรือแจกผลไม้ให้บ้านใกล้เรือนเคียงไปทั่วโดยเฉพาะในฤดูมะม่วงโดยและแกจะแจกไม่อันนั่นหมายถึงว่าไอ้ลูกที่ร่วงเพราะลมแรงแล้วก็ลูกที่สุกจัดเกินที่จะขายนะแกถึงเอาไปแจกแต่นั่นก็ถือเป็นความมีน้ำใจของแก สวนพริกและผักสวนครัวต่างๆใครไปขอแกก็ให้ไม่ว่าอะไรแต่ก็ไม่ค่อยมีใครรบกวนแกนักเพราะถือว่าพอถึงคราวให้แกก็จะแจกไม่อั้นอยู่แล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งแกต้องนําไปขายเลี้ยงชีพแล้วก็เลี้ยงสามีอีกหนึ่งคนสาเหตุที่แกต้องมาคลุกอยู่ที่สวนก็เพราะบรรดาธรมนในละแวกบ้านมักจะแอบเข้ามารักขโมยผลไม้แกไปขายแกเจออยู่บ่อยๆ อ, อ่า ก็มีเจ้าแปะกับเจ้าใหญ่ลูกลุงสุกแล้วก็ใหญ่มานั่นแหละตัวหัวโจกชอบพาเพื่อนรุ่นเดียวกันมาขโมยของสวนบางวันคุณกุศลก็ได้ยินย่าส่งเสียงลงเล้งโวยวายลั่นเอตโรได้ยินไปถึงฝั่งตรงข้ามเพราะเจ้าแปะกับเพื่อนนั่นแหละตัวการสําคัญพวกเด็กทำโมนเหลือขอในถูกด่าก็วิ่งหนีกันครูแถมส่งเสียงล้อเลียนยั่วยุญ่าผาดอีกต่างหาก ทำให้ชาวบ้านใกล้เคียงรำคาญหูท้าไม่เห็นแกล่ลุงสุกแหละป้ามาในะแกก็คงเอาเรื่องแน่แต่แกก็โกรธหัวพัดหัวเวียงอยู่แถมไอ้เจ้าเด็กขโมยยังย้อนแกจะทําเป็นหวงกินไปเลยของนิดของหน่อยแบ่งกันกินมั่งไม่ได้ง่ายย่าไอ้เด็กขโมลก็มึงเข้ามาผิดที่ผิดทางขโมยของกูยังมาพูดมากเด๋ก็กกูหลอกกบบานแยกมึงไปเรียกพ่อมึงมาดูสิ พวกมึงนัานมาดึงกิ่งผลไม้ของกูกิ่งหักหมดแล้วจะไม่ให้กูโมโหได้ยังไงย่าผาดเดินไปตามพ่อเจ้าเด็กสองคนมาดูต้นไม้ของแกที่ถูกหักกิ่งลงมากองอยู่กับพื้นหลายกิ่งหรือจะให้ข้านังดูเฉยๆไรสุขฮะลุงสุขแทนที่จะสั่งสอนลูกชายแต่กลับโมโหย่าผาดใช่ย่าก็ยาวหวงไปเลยนะตายก็ไปไม่ได้หวงอะไรนักหนา คนแถวนั้นมักจะได้ยินหญ้าผาดเอตโรพวกเด็กๆอยู่เป็นประจำฟังจนเคยชินอย่าว่าแต่พวกเด็กวัยรุ่นเลยแมย้แต่พวกผู้ใหญ่ก็เถอะอย่างป้าสายตาฉุยนี่พอถึงฤดูฝนไผ่มันจะแทงหน่อขึ้นมาแกก็พากันพายเรือข้ามภากไปลักขโมยขุดหน่อไม้ของหญ้าผาดเป็นประจำบางคนขุดไปกินไม่พอยังขุดเอาไปขายเป็นกระสอบพ่อของคุณกุศลก็เคยบอกกับป้าสาย ว่าอย่าไปยุ่งกับของญาผาดแกเลยแต่ปาสายไม่สนใจยังพูดบอกกั่ว่าเองก็เหมือนกันนะรักษาผลประโยชน์ของญาดีนะักจะมาหวงแทนกันอีกเหรอหลังจากนั้นไม่นานสามีของญาผาดก็เสียชีวิตญาผาดก็นำศพไปเผาที่วัดโดยไม่บอกใครแล้วแกก็อยู่ตัวคนเดียวมาหลายปีคุณกุศลเคยถามพ่อแม่ว่าพ่อทำไมญาผาดถึงได้มีเรื่องสวนไรนาเยอะนะคะ พ่อก็บอกว่าพ่อของญาผาณเป็นคนรวยมีอิทธิพลในย่านนี้แล้วก็มีลูกสาวคนเดียวเมื่อถึงไม้ใกล้ฟัง่งพ่อแม่ถึงได้ยกทรัพย์สมบัติทั้งหมดให้กับญาผาณหลังจากที่ญาผาณได้อยู่กินกับสามีมานานหลายสิบปีแต่ก็ไม่มีลูกพ่อย้อนเล่าไปถึงตอนที่ยา่าผาณยังสาวชอบพอกับไอ้หนุ่มบ้านไร่เป็นคนหน้าตาดีแต่ติดที่ยากจนพ่อแม่ของญาผาณก็เลยไม่ชอบ เมื่อถูกพ่อแม่กรีดกันยญาผาดก็หนีไปกับไอ้หนุ่มบ้านไร่พ่อแม่ของญาผาดไปตามตัวลูกสาวกลับมาแล้วก็ให้ลูกน้องซ้อมไอ้หนุ่มบ้านไร่นั้นซะทุพลภาพไปเลยเมื่อเอาตัวลูกสาวกลับมาแล้วพ่อแม่ได้ท้าถามลูกชายคนในอที่อยู่ในฐานะเดียวกันเพื่อที่จะให้ยญาผาดแต่งงานแต่ว่าญาผดาดในรักเดียวใจเดียวถึงพ่อแม่จะพูดเกลียดกล่อมอย่างไรยญาผาดก็ไม่ยอมมีผัวใหม่เป็นอันขาด แกได้อยู่กับพ่อแม่มาจนกระทั่งท่านทั้งสองเสียชีวิตแล้วจึงได้ไปตามหาสามีแล้วก็ที่แรกก็คิดว่าเขาต้องมีภรรยาไปแล้วแต่ที่ไหนได้หนุ่มบ้านไร่คนนั้นถูกพวกพ่อแม่ของย่าขาดซ้อมท่าจนทุบคนลภาพยาขาดก็เลยต้องรับตัวมารักษาแต่ก็ไม่หายแล้วก็ได้อยู่กินกันเรื่อยมาจวบจนกระทั่งเสียชีวิตไป ความทุกข์ในใจที่ย่าผาดเก็บไว้คนเดียวไม่มีใครรู้ย่าผาดครองชีวิตอย่างโดดเดี่ยวหลังจากสามีเสียชีวิตแล้วโดยไม่ยอมสูงสิงกับใครอยู่มาวันหนึ่งไอ้เด็กสองคนที่ย่องเข้าไปจะขโมยผลไม้ของย่าผาดก็ต้องวิ่งตาตื่นออกมาจากสวนเป็นพอทั้งสองได้ไปพบกับเหตุการณ์ระทึกขวัญเห็นย่าผาดเอาเชือกผูกติดกับต้นมะขามต้นหนึ่งทิ้งตัวห้อยลงมาเท้าไม่ติดพื้นตายในลักษณะลิ้นจุกปาก ญาติพี่น้องชาวบ้านข้างเคียงก็วิ่งกรูกันไปดูพร้อมกับตามตำรวจไปชนะสูตรศพก็สันนิษฐานว่าเสียชีวิตไปแล้วไม่ต่ำกว่าหกชั่วโมงลุงจงที่อยู่บ้านใกล้กับยาบาดที่สุดเล่าว่าผมได้ยินเสียงยาบาดนะ่ะคุยอยู่คนเดียวตั้งนานหลายชั่วโมงฟังเสียงที่พูดคุยนั่นทำนองพูดเจ้ ย, ยเชื้อผู้เป็นแม่ยัยเชื้อผู้เป็นแม่ในตายไปหลายปีแล้วเสียงทีลั่นบ้านเลย สักพักเสียงย่าผาดก็ร้องให้ช่วยแต่ก็ไม่มีใครใส่ใจเพราะปกติวันดีคืนดีก็มักจะมีเสียงทะเลาะกันอยู่เป็นประจำทุกคนรู้ดีว่าเมื่อสมัยที่ยายเชื้อมีชีวิตอยู่เป็นคนอารมณ์ร้ายและแม่ลูกกูนี้ก็จะทะเลาะกันไม่เว้นแต่ละวันเป็นเหตุหนึ่งที่ย่าผาดต้องไปอยู่สวนทุกวันเพราะแกคงรำคาญวิญญาณแม่นั่นเองพอย่าผาดตายสวนของแกก็รกรุงรังเพราะไม่มีคนดูแล แต่บ้านของแกกลับเห็นว่ามีคนอยู่มีแสงสว่างทั้งคืนมีเสียงเอะอะโวยวายเหมือนคนตีกันแล้วก็เงียบหายไปหลังจากชาวบ้านช่วยกันเผาศพหญ้าผาดได้สองอาทิตย์เจ้าแปะเจ้าใหญ่สองพี่น้องพร้อมกับเพื่อนก็ถือโอกาสคิดว่าพวกมันคงเข้าไปเล่นแล้วก็ไปขมโมยของในสวนได้สบายพวกมันเคยสนุกสนานเฮฮากันอยู่ในสวนประจําเพราะว่ามีผลไม้กินเยอะเรียกว่าแทบจะเป็นเจ้าของสวนกันเลยก็ว่าได้ กระทั่งวันหนึ่งเมื่อเด็กคนอื่นๆกลับไปหมดแล้วเหลือแต่เจ้าแพและเจ้าใหญ่สองคนมันคิดกันว่าจะต้องเก็บผลไม้ในสวนหญ้าผาดไปขายตลาดเอาเงินมาใช้เพราะเป็นช่วงกระทร้อนและฝรั่งออกลูกดกผลโตงามเจ้าแพก็ปีนขึ้นต้นฝรั่งเจ้าใหญ่ก็ขึ้นต้นกระท h o n กะว่าจะไปสอยไปขายให้ได้มากๆขณะที่สองคนกําลังเพลินกับการเก็บกระท้อนฝรัร่งอยู่ก็ได้ยินเสียงแกรล嘎จากกระต๊อบของหญ้าผาดที่เคยเป็นที่พัก ของย่าผัดแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าตั้งแต่โตจำความได้พวกมันยังไม่เคยเห็นผีเลยได้ยินแต่ผู้ใหญ่เล่าให้ฟังอาจจะเป็นนิทานหลอกเด็กก็ได้เฮ้ hey, เสียงอะไรวะแปะสงสัยไอ้ตัวอย่างว่าละจะแปะก็หมายถึงตัวเงินตัวทองซึ่งมันจะคลานออกมาให้เห็นเป็นประจำแล้วก็มีมากด้วยมันอาศัยอยู่ในคูน้าข้างๆสวนนั่นแหละยังไม่ทันที่เจ้าใหญ่จะเ อ, อ่ยพูดอะไรออกมา ไอ้ต้นฝรั่งที่เขากําลังสอยอยู่ก็โยกคลอนเหมือนก็ถูกเขย่าอย่างแรงเจ้าแปะก็ส่งเสียงร้องตกใจว่าเฮ้ยอะไรกันพูดเท่านั้นเจ้าใหญ่ก็ร้องเสียงหลงผีผีย่าผาดหลอกเฮ้ย hey, ช่วยด้วยเจ้าใหญ่กระโดดลงมาจากต้นกระท h o n ปากตะโกนลั่นผีย่าผาดผีย่าผาดหลอกช่วยด้วยเจ้าแปะก็โดดจากต้นฝรั่งวิ่งตามใหญ่มาติดๆมันสองคนกระโจนลงคลองว่ายน้ําข้ามฝากมาโผล่บันไดบ้านตลีตะเลืก ถึงหน้าบ้านก็นั่งสะหน้าสันหน้าซีดบอกกับแม่บอกว่าถูกผีย่าผาดหลอกเจ้าใหญ่ก็ยืนยันเสียงแข็งว่าเป็นหน้ายาผาดพล่มาจากยอดกระท้อนแล้วขย่าวต้นเจ้าแป๊ะก็บอกว่ายาผาดเนี่ยขย่าวต้นพลังจนลูกหล่นลงมาตกมาที่พื้นตั้งหลายลูกแถมยังจ้องมองเขาขมิงหน้าตาถมึงทึงหน้ากลัว ป, ป้ปื๊ดก็บอกว่าพวกมึงตาหวาดมั้งผีเผือที่ไหนจะมาหลอกกลางวันแสก ข่าวเจ้าใหญ่และเจ้าแพรเจอผียาผาดหลอกกระจายไปทั่วหมู่บ้านบางคนก็ว่าเด็กสองคนมันคุยโม้ผีที่ไหนจะมาหลอกกลางวันมันคงโกหกเพื่อไม่ให้คนอื่นไปขโมยผลไม้ยาผาดมากกว่าลุงฉุ๋ยก็บอกแต่มันก็สมบูรสาบานนี่ยนะว่าเป็นเรื่องจริงตั้งแต่นั้นมาเจ้าแพรกับเจ้าใหญ่ไม่กล้าย่างไกลเข้าไปในพื้นที่ยาผาดอีกเลยแต่คําพูดของมันทั้งสองไม่มีน้ําหนักพอเพราะว่าเคยเป็นเด็กกระล่อน หนังสือก็ไม่ยอมเล่าเรียนเอาแต่เที่ยวลักเที่ยวขโมยจนพ่อแม่เอื่อมระอาปล่อยไปตามเรื่องตามราวกระทั่งวันหนึ่งป้าปื๊ดเห็นว่าปลอดคนและแอบเข้าไปในสวนยา้าผาดไปขุดหน่อไม้นึกยิ้มย่องในใจว่าวันนี้ฉันจะต้องได้หน่อไม้เป็นกระสอบกระสอบไปขายแกขุดจนเพลินก็ได้ยินเสียงกรมไอดังมาจากกระตอบแกก็นึกในใจว่าปาสายคงจะตามมานะเเสียงคนไอเนี่ยหืม ภาษาอะมังหรือหรือจะเป็นเสียงแย่าผาดพอคิดได้ว่าเสียงเหมือนแย่าผาดก็ได้ยินเสียงถามมาว่าปื๊ดเอ้ยขุดหน่อไม้ได้เยอะไหมเท่านั้นยังไม่พอเหมือนจะมีใครมาสะ ก, กิดตรงหัวไหล่ป้าปื๊ดตกใจสะดุ้งสุดขีดทิ้งมีดและถุงหน่อไม้วิ่งไปที่ท่าน้ํารีบพายเรือกลับบ้านทันที แกเล่าให้คนในบ้านฟังว่าขณะขุดหน่อไม้เพิ่นเพื่นก็มีคนมาสะ ก, กิดไหลแรงมากเรียกว่าตบไหลก็ได้อตอนที่ได้ยินเสียงเรียกชื่อนะทีแรกฉันนึกว่าปลาสายแต่ที่ไหนได้ให้เสียงยาผาดชัดๆเลยแกนีนเล่าไปขนลุกขึ้นมาชันเลยต่อไปนี้กูไม่เอาแล้วกูไม่เข้าไปในสวนยาผาดเด็ดขาดเขาว่ายาผาดเนนะี่ยเป็นสมเฝ้าทรัพว่ะฮึ ข่าวเล่าลือผียาผาดหลอกหลอนคนที่เข้าไปในพื้นที่ของแกจนคนที่รู้ก็ไม่กล้า ย, ย่างกลเข้าไปในสวนนั้นเลยคนต่างถิ่นที่ไม่รู้เข้าไปก็เจอดีมักจะได้ยินเสียงไออยู่ในกระท่อมหรือ บ, บนต้นไม้ยามค่ำคืนแม้แต่กลางวันก็โดนผียาผาดหลอกไปตามๆกันวันหนึ่งคุณกุศล น, นึกอย่างไรไม่รู้คล้ายกับว่ามีคนเรียกให้เข้าไปในสวนยาผาดแกก็เดินเข้าไปตรงที่ต้นฝรั่งที่เคยไปเก็บ พอถึงก็ราวกับถูกสะกดให้ยืนนิ่งเห็นหญ้าผาดนั่งอยู่ใต้ต้นฝรัง่งในมือมีลูกฝรั่งสุกหลายลูกเรียกกวากมือให้คุณกุศลเข้าไปเอาลูกฝรั่งสุกเออเอ็งเอามาเอาฝรั่งสุกดิหญ้าเก็บไว้ให้เอง็งคุณกุศลก็มองตัวเองมายืนอยู่ในสวนหญ้าผาดได้ยังไงพอรู้สึกตัวก็รีบวิ่งออกจากที่นั่นอย่างเร็วโดยไม่คิดชีวิต แล้วคืนมานั้นก็ฝันไปว่าย่าผ่าดมาหาเก็บกวัรังสุกเอามามากมายเต็มกระจัดบอกว่าเอามาให้หลานแถมยังบอกทิ้งท้ายด้วยว่าผลไม้ในสวนของย่าเนี่ยย่าอนุญาตให้เองเก็บไปทําบุญแบ่งปันให้คนอื่นกินได้ตามสบายนะย่าอนุญาตตื่นเช้าขึ้นมาคุณกุศลก็เล่าความฝันให้พ่อแม่ฟังพ่อแม่ก็พาไปหาหลวงพ่อ ท่านมีสมาธิแก่กล้าหลวงพ่อก็ทราบความฝันนั้นก็เลยบอกญาติผาาของเองอะตอนตายไปแล้วนะ่ะวิญญาณก็ปฏิบัติอยู่ในศีลในธรรมแล้วก็ละความโลภโปรดหลงถึงได้มาเข้าฝันนะวิญญาณของญา่าผ่านะเขาไปดีแล้วไปอยู่ในที่สบายไม่ลําบากแกะจะหลอกเฉพาะคนที่มีความโลภเท่านั้นแหละขอให้หลานทําตามที่ญา่าผ่าเขาบอกนะแล้ววิญญาณของแกก็จะได้ไปเป็นสุข ครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆอีกเรื่องหนึ่งที่นำมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ครับเรื่องแปลกๆที่จะเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังวันนี้คุณมานพครับคุณมานพเล่าให้ฟังบอกว่าแกรู้จักกับยายคนหนึ่งชื่อเ ย, ยวิงเ ย, ยวิงคนนี้แกเคยเห็นคนตายมามากชนิดสิ้นลมไปต่อหน้าต่อตาก็มี ทั้งนี้ก็เพราะว่าแกชอบไปนอนค้างเป็นเพื่อนบ้านคนป่วยอยู่บ่อยๆแกทําอย่างเนี้ยตั้งแต่สมัยแกยังอายุกลางคนมาวันนี้อายุอานามแกก็ไม่ใช่น้อยแกบอกว่าอีกสามปีก็เก้าสิบแล้วก็แสดงว่าในแกอายุแปดสิบเจ็ดเข้าไปแล้วยายวิงคนนี้ตัวแกผอมๆเล็กๆแต่ดูแกร่งนะแม้ว่าเนื้อหนังจะเหี่ยวย่นไปหมดแล้วแต่แปลกมากหูตาก็ยังดีใช้ได้แข้งขาปวดเจ็บบ้างแต่ก็ไม่หนักหนาสาหัส แกก็พูดอย่างอารมณ์ดีพอใครถามแกก็บอกหวไหวยังไหวอยู่คุณมานพเจอแกที่บ้านแม่จังหวัดอ่างทองตอนที่แม่เจ็บคุณมนพไปอยู่กับแม่นานเป็นเดือนเยวิ่งนี่แหละมาเยี่ยมซ้อนท้ายมอเตอร์ไซด์สีแดงของหลานชายให้เขาขับมาส่งในวันเก่าก่อนนี่เยวิ่งแข็งแรงเดินเหินสบายขึ้นบ้านเหนือล่องบ้านใต้ใครเจ็บไขรได้ป่วยแกต้องไปเยี่ยมยามถามข่าวเป็นประจำ ก็เล่าให้ฟังบอกว่าที่หมู่บ้านเนี่ยนะสมัยก่อนนะใครเขาเกิดใครเขาตายใครเขาเจ็บใครได้ป่วยนี่ข้าต้องไปเขาไม่ได้บอกไม่ได้เชิญก็ไปอปู่ย่าตายายข้าก็าาทํากันอย่างนี้แหละก็ไปคือไปเป็นเพื่อนกันให้มันอุ่นใจคนบ้านไหนใครที่ก็มีคนเจ็บคนป่วยเนี่ยมันทุกข์ก็ไปเป็นเพื่อนเขาไปนอนค้าง กลางคืนนี่มันน่ากลัวนะบ้านนอกเนี่ยคือถ้าเกิดคนเจ็บสุดหนักนี่ก็จะได้ช่วยกันแก้กันไขญาติคนเจ็บเขาก็ชอบเพราะว่ามีเพื่อนคุยกันได้ผ่อนได้คลายทุกข์ไปบ้างก็ยังดีคนเราเน่มันจะเห็นอกเห็นใจกันกันมันก็ตอนที่เจ็บไข้ได้ป่วยละบ้านไหนมีคนเจ็บคนป่วยคนในบ้านหัวใจมันไม่ปลอดโปร่งโลงจิตไปได้หรอกพอมีคนไปค้างคืนด้วย ก็ได้ใจชื้นชื่นใจกันมั่งมีเพื่อนสมัยก่อนน่้นไม่มีโรงพยาบาลเหมือนสมัยนี้ก็รักษากันไปตามมีตามเกิดบ้านไหนใครป่วยก็เดินไปตามหมอยาโบราณมาดูอาการเสร็จแล้วหมอก็จัดยาสมุนไพรให้ก็ต้มในหม้อดินก็กินกันไปจนกว่าจะหายหรือว่าไม่หายก็ตายกันไปตามยาถากรรมอ่ำตายก็อาไปวัดเพราะฉะนั้นในเวลากลางคืนเนี่ยจะเป็นเวลาที่น่ากลัวถ้าคนป่วยเกิดสุดหนัก ใจเสียกันไปทางบ้านเพราะหมอก็ไม่มีมืดค่ําจะไปเรียกหาตามตัวที่ไหนไปเฝ้าไข้นอนค้างก็จะได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้บ้างยายวิงแกไม่ได้ไปคนเดียวมีพวกอีกหลายคนเช่นยายเจีย๊ยบยายเชือ้อแล้วก็ยังมียายเขียวใครว่างก็ไปด้วยกันอย่างน้อยๆต้องสองคนอ่าแต่ที่เอ่ยชื่อมาตะกี้เนี้ยทั้งยายเจีย๊ยบยายเชือ้อยายเขียวเนี่ยวันนี้ไม่มีเหลืออยู่แล้ว ล่วงลับไปตามการเวลาหมดแล้วเหลือแต่ยายวิง่งยายวิ่งเล่าว่าคนใกล้ตายนะไม่ใช่ว่าปุ๊บปั๊บจะไปเลยนะไม่ใช่อย่างนั้นมันจะมีลางบอกเหตุล่วงหน้ามั้งเหมือนกันข้าเห็นมาหลายต่อหลายคนแล้วบางคนก็ฝันแปลกๆฝันว่าบ้านที่อยู่นะมันพังไปหมดเลยไม้ไรอะไรต่างๆมันก็หลุดออกจากกันกลายเป็นกองไม้เกะกะ อยู่ไม่ได้แล้วหลังคาก็าไม่มีเหลือลงมากองอยู่กับดินทั้งหมดนอกจากนั้นก็ยังมีบางคนเห็นนะว่าเกวียนที่เคยใช้ลากข้าวเนี่ยซี่กงเกวียนมันหลุดปล่อยปล่อยไปจากวงล้อมันหลุดมันร่วงไปเหมือนกับฟันหลุดจากเหงือกอย่างนั้นแหละคนป่วยที่ฝันดรวยว่าเห็นอะไรไปอย่างนี้อยู่ได้ไม่นานนะสามวันเจ็ดวันก็ต้องไปมันคล้ายๆกับเขาจะมาบอกให้รู้ หรือว่ามาทำให้เห็นเป็นอย่างนั้นแล้วอีกอย่างคนป่วยที่ใกล้ตายเนี่นะเด็กๆนี่จะกลัวมากไม่เข้าใกล้หรอกที่ว่าเด็กนี่ไม่ใช่เด็กที่รู้ภาษากลัวติดโรคอะไรอย่างนั้นนะไม่ใช่นะเป็นเด็กทารกที่ยังไม่รู้เรื่องรู้ราวนี่แหละมีอยู่คนนึงยายจำได้ชื่อยายหนูก่อนล้มเจ็บนี่แกก็เลี้ยงหลานคนนี้ อุ้มชูปอนข่าวอาบน้าทาดินสพองให้เวลาที่แม่เด็กเขาไปทำนาทำไรแกก็เลี้ยงดูอยู่ทุกวันเด็กก็ติดแกแ้ติดจะยิ่งกว่าติดแม่ซะอีกเสร็จแล้วอยู่มาวันหนึง่งไยหนูนี่เกิดล้มเจ็บเรื่องมันเกิดจากว่าเย็นวันนั้ น, น, นมันใกล้คำมืดแล้วแกรีบออกไปหลังบ้านแกไปที่ไร่ฟักไร่แฟวของแกน่ะแหละไปเก็บจะเอาแฟง มักแองส้มกับประหมอประหมอนะ่ะลูกเขยหามาให้แกก็รีบรีบร้อนรอนเดินจำอ้าวอา ว, อาวไปเพราะว่ามันใกล้จะค่ําเต็มทีแล้วไอ้ทางที่จะไปะไร่เนี่ยมันผ่านป่าป่ามันอยู่ข้างๆอะไรแหละ ข, า, ขาไปไม่มีอะไรแต่ขากลับที่แกไปตกใจที่ตรงนั้นน่ะขวัญห น, นีดีฟอเลยว่าทําไมจะไม่ให้แกตกใจอ่ะ จะเดินเดินไปตรงนั้นนะ่ะแล้วอยู่ๆก็มีเสียงเหมือนกับต้นไม้หักผงผางโลคล้มคลืนลงมาแกก็สะดุ้งสุดตัวแล้วหันไปมองดูตอนนั้นมันก็มืดมื ด, ม, ดมัวตาแล้วมองไม่ค่อยเห็นแกก็ใจเสียเนื้อตัวสั่นเหงื่อแตกพลักเลยก็รีบจำอ้าวอาวกลับบ้านถึงบ้านแล้วใจก็ยังไม่หายสัน่นก็เล่าให้ลูกสาวฟัง ลูกสาวก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ได้จะบอกว่าต้นไม้มันคงจะโค่นนะแม่คืนนั้น่นแกก็นอนผวาพอจะมอยมอยหลับก็ผวาตื่นเพราะว่าได้ยินเสียงต้นไม้หักโผงผางแกก็ผวาสุดตัวทุกทีไปพอเช้าก็รู้สึกว่าจับไข้หนาวหนาร้อนร้อ น, อนใจคอไม่ดีเลยก็ใช้ให้ลูกสาวไปขอน้ำมนหลวงพ่อที่วัดมาอาบมากินก็รู้สึกว่าใจคอโปร่งโล่งขึ้นมา แต่แกสงสัยไม่หายว่าต้นไม้มันโค่นล้มจริงหรือเปล่าแกน่ะไม่กล้าไปดูเองแล้วแกกลัวแกแกใช้ลูกเขยไปดูหน่อยสิไอทิศว่างั้นบอกว่าให้ไปที่ดงไม้ข้างทางน่ะแหละมันดังโครมลูกเขยก็ว่าแล้วจะไปดูทําไมล่ะแกก็บอกว่าไปดูให้มันหายสงสัยอะสิว่าต้นไม้มันล้มจริงหรือเปล่าหรือมันยังไงกันแน่ลูกเขยขัดไม่ได้ก็ไปดูให้ หายไปพักใหญ่ก็กลับมาบอกว่าไม่มีเรกแม่เดินดูทั่วหมดทั้งดงไม้นั่นเลยกิ่งไม้หักก็ไม่มีต้นไม้โค่นยิ่งไม่มีใหญ่พอยายหนูก็ได้ฟังเท่านั้นนใจเสียหน้าเสียบนก็ลูกสาวว่าสงสยัยผีจะหลอกกูซะแล้วลูกสาวก็บอกว่าช่างมันเถอะแม่ผีหลอกก็ไม่เป็นไรเราก็กลับมาบ้านแล้วแต่มันไม่อย่างงั้นนะสิ กลางดึกคืนนั้นยายหนูล้มเจ็บหายใจไม่ออกแน่นท้องแน่นหน้าอกทำท่าว่าจะตายเสร็จแล้วก็มองไปก็เห็นไปว่ามีดวงไฟสีแดงๆมันลอยออกมาจากตัวแกแกก็ร้องเอะอะดังลั่นไปหมดเ็ก็สงสัยกันว่ายญยหนูนี่จะโดนคุณใสที่ก็ปล่อยมาก็เลยไปตามหมอหยุมหมอหยุมคนนี้เป็นทั้งหมอยาโบราณแล้วก็เป็นหมอผีด้วย ทำขวัญหน้าก็ได้ตั้งสารพระภูมิก็ได้ไอเรื่องขุนสายเก่งมีมีดหมอเล่มเบรอร์จะติดตัวหมอหยุมแกก็มามาดูอาการก็บอกว่าถูกขุนสายก็รักษาท้องบวมขาบวมทำยังไงก็ไม่หายวันหนึ่งแกก็อยากจะอุ้มหลานสาวตัวเล็กๆที่แกเลี้ยงดูป้อนข้าวป้อนกล้วยแม่เด็กก็อุ้มมาหายาย เด็กนั่นไม่ยอมเข้าใกล้เลยร้องไหจ้จ้าหน้าตาเล็กหลักตื่นกลัวแม่ก็บอกลูกว่ากลัวทำไมลูกนั่นย้ายนะั่ย้ายย้ายยังไงอะทำยังไงยังไงเด็กก็ไม่ยอมให้ยายหนูอุ้มไอตอนที่เด็กน่ะมันดิ้นรนไม่ให้ยายหนูอุ้มเนี่ยยายวิงแกเห็นกระตาที่แรกเลยก็คิดว่าเด็กมันคงจะกลัวเพราะว่ายายหนูนะ่หน้าตาซี่เสียวไม่มีน้ามีนวนอะไรเนือ้อตัวก็สูบผอม เด็กอาจจะจำไม่ได้เสร็จแล้วยายวิงแก่ก็เลยหันไปคุยกับยายเขียวเรื่องเนี้ยแต่ยายเขียวกลับกระซิบบอกยายวิงบอกว่าสงสัยใจแย่ยายวิงก็ถามว่าทำไมยายเขียวก็บอกว่าก็เด็กไม่กล้าเข้าใกล้ยายเขียวบอกว่าเคยเห็นเมื่อคราวที่ยายโสมเจ็บหนักหลานก็ไม่กล้าเข้าใกล้แต่เด็กนั่นพูดได้บ้างแล้วร้องแตะว่ากลัวกลัวแล้วก็ดิ้นหนีอย่างเดียว ไม่ว่าจะเอาอะไรมาล่อขนมของเล่นช่วยกันพูดประโลยยังไงก็ไม่สำเร็จรุ่งขึ้นใหญ่โสมก็ตายยัยหนูนี่ก็เหมือนกันตกดึกก็สุดหนักยายวิงอยู่ด้วยใจคอไม่ดีจะต้องเห็นคนตายต่อหน้าต่อตายอีกแล้วแล้วก็เป็นความจริงยัยหนูแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกตอนตีสองตาเหลือกค้างเนาะช่วยกันแก้ไขยังไงก็ไม่เป็นผลละลายยาลมให้กินก็กินไม่ได้ขากรรไกรแข็ง เอาช้อนมางัดปากจะกรอกยาก็ไม่สำเร็จผลที่สุดใหญ่ยยหนูก็จากไปครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับเรื่องหลังมรณะของคนเจ็บคนตายเนี่ยยัยวิงยังเล่าต่อไปอีกว่าวันหนึ่งแกไปเยี่ยมไข้ลุงส่วนลุงส่วนนี่แกเป็นคนบ้านเหนือเป็นบ้านที่มีฐานะดีปล่อยเงินกู้ให้ชาวบ้าน คนที่ปล่อยเงินกู้ไม่ใช่ตัวลุงส่วนแต่เป็นเมียแก่คือป้าเนืองป้านเนืองนี่ปากพ อ, อนี่คนกลัวกันทั้งหมู่บ้าน่ะลงได้ไม่พอใจใครแล้วก็เล่นงานต่อหน้าเลยทีเดียวไม่สนใจว่าที่ตรงนั้นจะมีคนอยู่กันมากมายขนาดไหนขนาดบนสาราวัดวันทำบุญสุนทานป้าเนืองก็ยังไม่ละไม่เว้นอยิงสลุดกลางวัดนั่นแหละข้างฝ่ายลุงส่วนน่ะแกะเป็นคนไม่ค่อยพูดมากเกรงใจเมียด้วยตัวแกเล็กๆพูด เ, เสียงเบาๆ ไม่เหมือนเมียตัวบรรเบ้อเช่ไเสียงดังอาชีพโดยแท้จริงก็คือทำนาทำไร่ทำสวนเหมือนกับชาวบ้านคนอื่นๆเขามีลูกอยู่สามคนช่วยกันทำงานขยันขันแข็งแต่ขืนหยอะแยะก็โดนแม่ดา่าลุงส่วนในล้มเจ็บเป็นโรคอะไรสมัยก่อนนั้นยายวิ่งก็ไม่รู้เขาเรียกโรคอะไรกันแน่แต่ที่รู้ๆนี่หน้าท้องแกบวมขึ้นมาบวมมากขนาดตัวเล็กๆแต่หน้าท้องนี่บวมใหญ่ยังกับลูกจังโม หมอที่รักษาก็หมอยาโบราณยาต้อมอีกตามเคยแล้วก็มีการรักษาทางสายศาสตร์อีกด้วยเพราะว่ามีความเชื่อกันว่าอาจจะไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยได้โรคภัยคือการรักษาที่ลองหลายๆทางดีกว่าปล่อยให้เวลาเสียไปเปล่าๆยายวิงแก๋ก็ไปเยี่ยมเหมือนเคยก็ไปนอนค้างด้วยเพราะว่าเคยชอบพอกับแม่ของป้าเนื่องสมัยที่ยังมีชีวิตยอยู่ป้าเนืองก็นับถือยายวิงอยู่ไม่เสียน้อย ยายวิงชวนยายเจี๊ยกไปด้วยกันวันนั้นกินข้าวเย็นอิ่มหนำสำราญแล้วก็ออกจากบ้านจะได้ไม่ต้องไปรบกวนข้าวปลาอาหารบ้านคนป่วยไปถึงตอนเกือบจะค่ำแล้วท่าทางป้านเนื่องก็กดีใจไล่หมาที่มันเห่าให้ไปไกลๆแล้วก็ชวนยายวิงกับยายเจี๊ยกขึ้นเรือนตอนนั้นลุงสวนคนป่วยี่นอนเงียบเลยนอนหลับตานิ่งไม่รู้หลับหรือตื่นยยวิงก็มองดูคนป่วยแล้วก็หันไป ม, มองป้านเนือง ดูท่าทางป้าเนืองเมียเขาก็มีเรื่องอยากจะเล่าก็พยายามออกมาห่างคนป่วยที่นอนอยู่ข้างในเนี่ยนะเสร็จแล้วป้าเนืองก็บอกเดี๋ยวจะเล่าอะไรให้ฟังแกก็กระซิบกระซาบคงไม่อยากจะให้คนป่วยได้ยินแล้วก็เล่าว่าเมื่อตอนบ่ายๆเนี่ยลุงส่วนเห็นอะไรแปลกๆอะไรล่ะที่ว่าแปลกๆอะ่ะฮะยายเจี๊ยกก็ขยับเข้ามาไกลเหมือนกันคนที่เล่านั่งอยู่สามคนตรงระเบียง ป้านเนื่องเล่าว่าลุงส่วนนอนอยู่ตรงที่นอนอยู่นั่นแหละแล้วก็มองออกมาทางระเบียงที่นั่งกันอยู่แล้วก็เห็นไปว่ามีผู้ชายหนุ่มๆคนนึงมายืนอยู่ที่แปลกก็คือแต่งตัวเหมือนพระที่ห่มผ้าเหลืองผิดแต่ว่าผ้าที่แอ่ผู้ชายคนนั้นหม่มคลุมเป็นสีแดงอย่างกระเลือดนะผู้ชายคนนั้นก็ยืนมองลุงส่วนอยู่ท่าทางกระวนกระวายตอนนั้นไม่มีใครอยู่บนเรือนเลยป้านเนื่องกับลูกไปอยู่ข้างล่างบนบ้านของเงียบ แล้วแดดก็ร้อนลมก็ไม่พัดอากาศมันก็น่าอึดอัดลุงส่วนเห็นผู้ชายคนนี้ยืนมองแก่แล้วก็กวักมือเรียกชื่อแก่ด้วยแกก็กลัวแกไม่เคยเห็นกันมาก่อนแกก็เงียบไม่ยอมขานอ่เขาก็เรียกแล้วก็มองจ้องแกก็เกิดกลัวก็ขานรับออกไปเสียงผู้ชายคนนั้นก็บอกว่าเร็วๆ เ, เข้ามามาเร็วๆพอลุงส่วนขานรับก็บอกว่าไม่ไปไม่ไปว่าอย่างนั้นที่นี้ปั้นเรื่องกับลูกลูก ได้ยินเสียงลุงส่วนก็รีบพากันขึ้นมาเพราะว่าเสียงแกฟังดูหวาดกลัวมากพอขึ้นมาบนบ้านก็เห็นลุงส่วนนอนยกมือยกไม้โบกย้อยยอ ย, ย, อ, ยอยู่ไปมาตาก็มองไปที่ระเบียงป้าเนืองก็ถามว่ามีอะไรเหรอพูดกับใครลุงส่วนก็บอกว่าใครก็ไม่รู้อยู่ที่ตรงระเบียงนนะ่ะห่มผ้าแดงๆมาเรียกให้ไปกับเขาก็าไม่เอาว่ า, าไม่ไปป้าเนืองก็เหลียวไปมองที่ระเบียงเพราะขนลุกเกลียวแต่ว่าไม่เห็นอะไร อ่าไม่มีอะไรตรงนั้นอ่ะก็หันมาบอกลุงส่วนว่าไม่มีใครอยู่ที่ไหนกันอแต่ลุงส่วนก็ยืนยันว่าแกเห็นอ่าให้ป้านเนื่องบอกไอ้ผู้ชายคนนั้นที่มาเรียกชวนไปด้วยบอกว่าแกไม่ไปยายวิงกับยายเจี๊ยกฟังอย่างนั้นก็เลยบอกป้านเนื่องไปว่าแกคงจะตาฝาดจะเห็นไปเองอ่ะจริงๆแล้วยายวิงเนี่ยเคยได้ยินเรื่องอย่างนี้มาบ้างแล้วคนเฒ่าคนแก่เคยเล่าว่าคนป่วยถ้ามีคนมาร้องเรียกชวนไปด้วยกันนี่มักจะไม่รอด แต่ก็ไม่อยากจะพูดให้ประเนืองใจเสีย้เรื่องแบบนี้แม่เคยเล่าให้ฟังเมื่อตอนที่พ่อเจ็บหนักตอนเย็นใกล้ค่าเนี่ยพ่อเห็นคนมายืนอยู่ที่ชานเรือนแบบนี้พ่อก็ถามแม่ว่าแกเห็นไอ้คนนั้นหรือเปล่ามันมายืนอยู่นานแล้วข้าไม่อยากเห็นมันข้าไม่กล้าดูมันะแม่ก็ถามว่าใครพ่อก็บอกมันยืนอยู่นอกชานนั่นแน่มันไปแล้วหรือยังแม่ก็มองดูแล้วก็บอกพ่อบอกไม่เห็น พ่อก็เล่าว่าเห็นผู้ชายคนนี้มายืนอยู่ตรงนั้นยืนอยู่ตั้งนานเหมือนยืนรอใครอยู่อย่างนั้นแหละแม่ก็ขนลุกสู้เลยเพราะว่าเกิดกลัวขึ้นมานึกไปว่าที่พ่อเห็นน่าคงจะเป็นยมทูตหรือไม่ก็เป็นวิ ญ, ญญาณที่เขาเล่ากันว่าคนใกล้ตาย่มักจะมีวิ ญ, ญญาณมารอรับไปเสร็จแล้วพอวันต่อมานี้น้องสาวก็เจอเหตุการณ์คล้ายๆกันน้องสาวคุณมานพก็เล่าให้ฟังบอกว่าวันนั้นนพ่อ น, นอนป่วยอยู่ค่ามืดนานแล้วน้องกําลังจะให้พ่อกินยา อยู่ๆพ่อที่กาลังลุกนั่งอยู่ก็ยกมือขึ้นโบกไปโบกมาพูดบอกไม่ไปใครยังไม่ไปกลับไปก่อนเถอะน้องก็เหลียวมองไปไม่เห็นใครมีแต่ความมืดที่หน้าบันไดก็ถามพ่อว่าพ่อพูอพดกับใครอ่ะพ่อก็บอกว่ามีคนมารออยู่รอตั้งนานแล้วข้างๆบันไดอ่ะช่วงที่พ่อป่วยในคุณมนพไม่ได้อยู่บ้านก็เลยไม่ได้รู้เห็นเรื่องที่เกิดขึ้นมารู้ภายหลังเกือบทั้งหมด พ่อสิ้นลมหลังจากที่เห็นคนมายืนเนี่ยเพียงสองสาวันเรื่องที่เกิดขึ้นก็คล้ายๆกับเรื่องที่ยายวิ่งเล่าเนี่ยเป็นเรื่องแปลกๆแล้วน่ากลัวแบบนี้คนใน ห, หมู่บ้านรู้กันดีเนื่องจากว่าจะมีการเล่าต่อๆกันไปส่วนในรายของลุงสวนเนี่ยยายวิ่งแกก็เล่าว่าหลังจากที่แกเห็นคนมาเรียกมาชวนไปด้วยกันเพียงสามวันพอคืนที่สี่แกก็ตาย เหตุการณ์ที่ลุงส่วนตายเนี่ยเกิดก่อนที่พ่อของคุณมนพตายนานหลายปีแต่มันก็ช่างละไม้คล้ายคลึงกันมากอีกเหตุการณ์หนึ่งที่คุณมนบเกิดนึกขึ้นมาได้อย่างปุ๊บปั๊บก็คือน้าชายของแกเนี่ยเป็นมะเร็งตับทั้งที่ไม่ได้กินเหล้าแต่คงเป็นเพราะว่าแกฉีดยาฆ่าญ้าฆ่าแมลงมากเกินไปแล้วก็ไม่ได้ใช้ผ้าปิดจมูกด้วยไปรักษาที่โรงพยาบาลจนย่ำแย่ไม่ไหวแล้วก็รับตัวกลับมาบ้าน พูดง่ายๆว่ารับมาเพื่อให้ตายที่บ้านบ้านที่เคยอยู่เคยนอนคนป่วยก็ต้องการอย่างงั้นดูมันจะรู้ตัวด้วยว่าจะต้องตายคืนหนึ่งพี่สาวซึ่งเป็นลูกของนาคุณมานพเนี่ยก็มองลงไปข้างล่างที่มีแสงไฟจากหน้าบ้านส่องไปสลัวสลวผ่านต้นไม้ลงไปพี่สาวก็มองเห็นผู้ชายคนหนึ่งใส่เสื้อสีขาวขาวทั้งชุดอ่ะอ่าทั้งเสื้อทั้งกางเกงยืนอยู่ใต้ต้นละมุดข้างบ้าน แต่แล้วพี่สาวก็ถามแม่บอกว่าแม่แม่คนนั้นก็มาใครอ่ะทำไมไม่ขึ้นบ้านนะมายืนอยู่ใต้ต้นละมดุดที่แรกนึกว่ามากับพวกเยี่ยมไข่ก็พากันไปดูแต่ก็ไม่เห็นพอดึกสังัดน้าชายก็สิ้นหลมมันก็แปลกแต่ก็เป็นจริงตั้งสามรายแล้วเรื่องอย่างนี้ครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ เรื่องของผีเฮียนกึ่งพุทธกาลเนี่ยท่านผูฟังเกิดจากปู่แดงครับปู่แดงในแกชอบกินเหล้าผสมโซดาบางๆแล้วเติมน้ำแข็งก้อนเย็นเจี๊ยบให้เลือดลมฉีดแรงถ้าถึงขั้นกระชุ่มกระชวยเมื่อไหร่อารมณ์แกก็จะเบิกบานแจ่มใสเกิดความคล้มอกคลืมใจแล้วควักมือเรียกนายัดหรือว่านายบัญญัตินี่มาเล่าเรื่องเก่าๆให้ฟัง ในบัญญัติเป็นลูกหลานกระตันยูก็ขมีขมันไปนั่งฟังแกเล่าเรื่องโน้นเรื่องนี้อันเป็นการช่วยให้สมองของปู่แดงทำงานได้อย่างไหลลื่นมีอยู่คราวหนึ่งปู่แดงเล่าให้ฟังเกี่ยวกับชีวิตการเป็นบุรุษไพรสเีส่งจดหมายในเมืองหลวงของแกตอนนั้นเมืองหลวงยังเรียกว่าจังหวัดพระนคร ล, ลุงแดงเล่า ว, ว่าปีสองพันสี่ร้ยเก้าสิบเก้า ผู้คนในพระนครอย่างบางตามีจำนวนเป็นแสนแสนเท่านั้นไม่ถึงขั้นอัดแน่นเป็นปลากระป๋องกว่าสิบล้านคนอย่างปัจจุบันย่านชานเมืองอย่างบางเขนทุ่งสองห้องนี่ยังมีสภาพเป็นบ้านนอกชนบทชาวบ้านเขาประกอบอาชีพทำไร่ไถนาหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินแต่ว่าชีวิตร่มเย็นเป็นสุขเพราะว่าค่าครองชีพมันต่าผิดกับสมัยนี้เป็นคนละประเทศทีเดียว ในน้ำยังมีปลาในานายังมีข้าวทุกอย่างแม้กระทั่งผืนป่าก็ยังอุดมสมบูรณ์คนที่รู้จักหากินกับสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติบางเดือนไม่ต้องใช้เงินแม้แต่สตังแดงเดียวก็มีให้เห็นกันอยู่ทั่วไปปี2490ันี่ยบปู่เรียนจบชั้นมัธยมต้นตามประสาคนหัวขี้เลื่อยเรียนต่อมัธยมปลายหรือว่ามหาวิทยาลายัยอย่างคนที่เขาเรียนเก่ง สมองฉับไวเนี่อืมไม่ไหวเรอเอิญบุคลากรทงรางไพรสน์นีตอนนั้นยังขาดแคลนอีกมากปู่ก็เลยสามารถยื่นใบสมัครเข้าเป็นบุรุษไพรส์นีได้เลยโดยไม่ต้องมีการสอบแข่งขันให้มันยุ่งยากแต่ว่าก่อนหน้านั้นนะปู่แตะพุนทรงนอกอยู่พักใหญ่ใช้ชีวิตสมทะเลเทมาตามประษาวัยรุ่นชอบหัวหกก้อนกล็ด ก็ทําให้รู้จักถนนหนทางในเมืองหลวงแทบทุกตรอกซอกซอยซึ่งเป็นเรื่องดีต่ออาชีพอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ทั้งนี้ก็เพราะการเป็นบุรุษไพรษณีคนทําอาชีพนี้จะต้องตลอนตลอนไปส่งจดหมายตามบ้านเรือนทุกตรอกซอกซอยไม่ว่าจะอยู่ในทําเลลึกลับซับซ้อนขนาดไหนต้องรู้ไปหมดถึงจะทํางานได้คล่องตัวไม่ใช่เป็นบ้านนอกเข้ากรุงหาบ้านเลขที่ตามจ่าหน้าซองไม่เจอ พบใครก็ต้องถามเขาดะาไปหมดบุรุษไรษณนยุคคุณปู่นี่ยังหนุ่มฟอหล่อเฟี้ยวทุกคนจะแต่งเครื่องแบบสีกะกีคล้ายๆตำรวจแล้วขับขี่รถจักรยานยนต์นำจดหมายไปส่งถึงมือผู้รับให้จงได้จักรยานยนต์ที่ปู่ใช้ขับขี่ไปส่งจดหมายรูปร่างหน้าตาของมันก็คือรถจักรยานสองล้อทีบเราดีๆนี่เอง แต่ว่ามีเครื่องยนต์ขนาดจิ๋วเชื่อมติดอยู่กับโครงเหล็กตัวถังรถขนาดของเครื่องเท่ากระป๋องนมข้นสองใบต่อกันทีแรกคนขี่นี่จะต้องปั่นเร็วๆด้วยแรงถีบเพื่อสปาร์ไฟฟ้าเป็นตัวสตาร์ทให้เครื่องติดเมื่อเครื่องทํางานเดินกระหึ่มก็มีเสียงดังตกตักตกตักแล้วก็หยุดใช้เท้าปั่นได้แรงชุดของเครื่องจะปั่นลูกล้อให้วิ่งจิวไปได้เอง ชาวบ้านก็เลยเรียกรถชนิดนี้ว่าจั ก, กรยานยนต์เป็นคนละเรื่องเดียวกันกับรถมอเตอร์ไซค์สนนราคาก็ยังถูกกว่าหลายสิบเท่าอีกทั้งมีความทนทานเป็นเยี่ยมต่อให้เครื่องเสียหายผู้ขี่ก็สามารถใช้สองขาปั่นให้รถวิ่งต่อไปได้สบายมากเรื่องแปลกๆซึ่งปู่พบเจอมาด้วยตัวเองในปี2500อันเป็นปีที่เจ็ดของการเป็นบุรุษปริศนี ชาวบ้านชาเมืองเมื่อครั้งกันโน้นเขาเรียกกันว่ายุคกึ่งพุทธกาลใครก็ไม่รู้เอาข่าวสยองไปเผยแพร่ไปทั่วบ้านทั่วเมืองว่าจะเกิดไฟปราไัลากันล้างโลกน้ำจะท่วมฟ้าปลาจะกินดาวเต่าจะมีหนวดอะไรไม่รู้อันเป็นคำลำ่ำหรือพิลึกพิลั่นหน้าขนพองสยองกล้าวแถมผู้คนจะล้มตายยิ่งกว่าเมื่อสองครามโลกอ่ะ ตอนนั้นเส้นทางการส่งจดหมายของบุรุษปรายศนีย์กวนเดียวกับปู่แดงได้แก่จังหวัดพระนครหรือว่ากรุงเทพเพียงแห่งเดียวไม่เกี่ยวกับจังหวัดปริมณฑลเช่นนนทบุรีปากน้ำสมุทรปราการแม้แต่เมืองหลวงเองความเจริญจะกระจายตัวเป็นย่อมย่อมไม่กี่แห่งอาทิเช่นประตูน้ำถนนราชดำเนินและถนนเยาวราชเป็นต้นย่านราชประสงค์นี้เป็นชุมชนแหล่งสุดท้าย เพราะเป็นหัวถนนสุขุมวิทเลยออกไปไม่ถึงสองกิโลเมตรก็จะเข้าเขตไร่นาเรือกสวนและป่าละเมาะตัวถนนสุขุมวิทเองยังเป็นถนนดำลาดยางมาตอยขนาดสองเลนให้รถวิ่งสวนกันได้เหมือนถนนในแถบพินชนบทสมัยปัจจุบันบริเวณถนนเรียบกำแพงพระราชวังสวนจิตราดาถนนสุขทมยและถนนนครชัยศรีซึ่งตอนนี้เป็นใจกลางเมืองหลวง ตอนนั้นยังมีอาคารบ้านเรือนบางตาสลับกับสวนผลไม้และป่าล ะ, มะเมาะเขตรับผิดชอบของปู่เป็นบริเวณอำเภอดุสิตครอบคลุมย่านถนนสุขโขทยัยถนนเลียบพระราชวังถนนนครชัยศรีถนนพี่ชัยแล้วก็อีกหลายแห่งก็เอาเป็นว่าบุรุษไพรษณนีย่างปู่นี้จะต้องขี่รถจักรยานยนต์ส่งจดหมายตามอาคารบ้านเรือนผ่าน ซอยระนองหนึ่งระนองสองไปถึงย่านสะพานแดงว่ากันเรื่อยเอยจนถึงย่านบางซื่อจะเลี้ยวเข้าเลี้ยวออกตามตรอกซอกซอยบ้านเรือนใครอยู่ที่ไหนเจ้าของบ้านรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงสมองส่วนบันทึกความทรงจำของปู่ก็บันทึกไว้หมดหลังจากส่งจดหมายและพัสดุปรษณนีย์หลายปีปู่กับเจ้าของบ้านแทบทุกหลังคาเรือนก็รู้จักหน้าค่าตากันเป็นอย่างดี พอเสียงรถจักรายานยนต์ดังแตก แ, ต ก, แตกมาแต่ไกลเจ้าของบ้านหรือลูกหลานก็จะชงเง้อคอรอคอยว่าจะมีจดหมายส่งถึงพวกเขาบ้างหรือเปล่าพอเจอหน้ากันก็ยิ้มแย้มทักทายอารมณ์ดีทั้งนี้ก็เพราะคนรุ่นเก่านี้เขามีอัธยาศัยใจคออบอ้อมอารีเรียกพี่เรียกน้องกันอย่างไม่ตรีจิตแก่แค่ไหนก็เรียกพี่ยกเว้นแต่แก่งอมชนิดจะตายไม่ตายแลจริงๆถึงจะเรียกลงุงเรียกป้า หรือว่าเรียกปู่ย่าตายายไม่ใช่อย่างปัจจุบันที่เรียกกันทรงเดชเจอใครอายุมากกว่าสักสามปีก็เรียกลุงเรียกยายเข้าไปน่นไม่หันมาดูสังขารคนเรียกเองว่าอายุปาเข้าไปตั้งสามสี่สิบเข้าไปแล้วด้วยเหตุชะนี้เวลาบ้านหลังไหนย้ายที่อยู่ใหม่หรือว่ามีคนในบ้านเจ็บคข้ได้ป่วยแม้กระทั่งมีคนถึงแก่กรรมไปบุรุษไพรษณียก็จะได้รับรู้เหมือนหนึ่งเป็นญาติพี่น้องของเขาเหล่านั้นทีเดียว จบจนกระทั่งวันที่สิบห้าเดือนมิถุนายนซึ่งเรียกได้ว่ากึ่งพุทธกาลนะเพราะเป็นกึ่งกลางของปีพุทธศักราชสองพห้ารอวันนั้นปู่ทาหน้าที่บุรุษไพรษณียบอกพร่องอย่างหน้าเขตกระโหลกตัวเองคือเอาจดหมายไปส่งสลับบ้านจดหมายของบ้านหนึ่งดันเอาไปส่งไว้ในตู้รับจดหมายของอีกบ้านหนึ่งอันว่าบ้านที่ปูน่นาจดหมายไปส่งแบบผิดขวาผิดตัวนี้ ญาติผู้ใหญ่ในบ้านนังกล่าวเขาเพิ่งจะถึงแก่กรรมไปสามวันผู้ตายเป็นข้าราชการมีบรรดาศักดิ์ชั้นคุณหลวงท่านรู้จักสนิทกับปู่พอสมควรพบหน้ากันโดยบังเอิญทีไรก็เป็นต้องซื้อเหล้าแมโขงเป็นสินน้ำใจให้ปู่เสมอเนื่องจากคุณหลวงทราบดีว่าอาชีพบุรุษไพรสณีนี้รายได้ไม่พอยาไส้ถ้าจะให้ปู่ต้มเหล้าเถื่อนกินเอง แข่งกับโรงงานสุราบางยี่ขันก็ดูจะกระไรยอยู่คุณหลวงท่านเป็นคนรุ่นเกา่าลืมตาดูโลกตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่ห้าพอเติบใหญ่รับราชการก็เคยพบเห็นในหลวงรัชกาลที่ห้าท่านทรงโปรดการไว้พระมสุ ก, ก็คือหนวดอ่าชายไทยในครั้งกระนั้นก็กระทาตามพระราชนิยมด้วยการไวหนวดกันเป็นการใหญ่คุณหลวงไวหนวดกระจุกใหญ่ บิดปลายสองข้างโงงขึ้นมายังกระเคี้ยวยักษ์ตั้งแต่ยังรับราชการยันปลดเกษียณและถึงวันอำลาโลกไปเมืองผีในวัยแก่เก่าเหลาชาราก่อนตายท่านก็ทำร่างกายให้ฟิตอยู่เสมอไม่เคยอ้วนลงพุงคงความเป็นคนผอมสูงโย่งเย่งเหมือนเสาโทรเลขตลอดชั่วอายุไขนีนิวาสถานบ้านช่องของท่านอยู่ฝั่งตรงข้ามโรงเรียนวชิราวุธ ระหว่างถนนเลียบพระราชวังกับถนนสุขโขุมยส่วนปูนะ่น่ะมีบ้านอยู่ในย่านถนนนครชัยศรีไม่ใกล้ไม่ไกลจากบ้านคุณหลวงกี่มักน้อยร้านเหล้าขาประจําของคุณหลวงและปู่แดงเนี่ตั้งอยู่ตรงหัวถนนสุขโขุมยติดกับสี่แยกโรงเรียนวชิราวุธพอดีสดเล่าพอให้มึนกําลังสวยก็ขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านครบค่ําของคืนที่ปู่นั่งกองที่ร้านขาประจํา ช่วงกลางวันก็คือตอนที่ปู่เอาจดหมายไปส่งผิดบ้านพูดง่ายๆก็คือเอาจดหมายที่ส่งถึงคุณหลวงไปส่งบ้านอื่นเอาของบ้านอื่นไปส่งที่ตู้รับจดหมายบ้านคุณหลวงคืนดังกล่าวทีวีช่อง4บางขุนพรหมอันเป็นโระทัศน์ช่องแรกของประเทศไทยแพร่ภาพตามปกติรายการภาคดึกของคืนนั้นวงดนตรีสุนทราภรณ์ซึ่งเป็นวงดนตรียอดฮิตในอดีต ก็ยกคณะมาแสดงละครเพลงเรื่องมนรักทะเลใต้นักร้องเกือบทุกชีวิตเป็นดารานำแสดงเหมือนเป็นการโฆษณาประชาสัมพันธ์เพลงใหม่ไปในตัวด้วยกว่าละครเพลงจะถึงบทอวสานก็พอดีกับเวลาปิดสถานีตอนเที่ยงคืนเปะ๊ะปู่จ่ายค่าเหล้ายาปลาปิ้งแล้วก็เดินเด้งหน้าเด้งหลังออกจากร้าน กระโจนขึ้นรถจักรยานยนต์คู่ชีพขับกลับบ้านย่านถนนนครชัยศรีซึ่งห่างจากร้านประมาณหนึ่งกิโลเมตรแต่เกิดประหลาดอยู่ๆรถจักรยานยนต์ของปู่ก็ทำพิษอ่าปัญจกรารจากหน้าร้านเหล้าเกือบจะถึงหน้าโรงเรียนนันทนะศึกษาเชิงสะพานข้ามคลองประปาสามเส้นเครื่องเจ้ากรรมก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะครางกระหึ่มเสียงดังแตกแต ก, แตกอย่างเคย ช่วงมงนั้นถนนหน้าอำเภอดุสิต ท, ทั้งสายตกอยู่ในความเงียบสงัดยังกะป่าช้าอาคารบ้านเรือนร้านรวงปิดไฟเข้านอนกันเงียบกริบเที่ยวย่านชานกรุงสงบสงัดวิเวกวังเวยงยังกะเมืองร้างไม่มียวดยานพาหนะสัญจรไปมาสักคันเดียวปูดแดงก็ไม่ได้นึกวันเกงอะไรกับบรรยากาศชวนขนลุกเพราะว่าตอนยังหนุ่มก็มีนิสัยใจกล้า ถึงกล้าแรกกล้าลุยไม่กลัว ม, มนุษย์หน้าไหนผีสางนางไม้ก็ไม่กลัวแสงสว่างบนยอดเสาไฟฟ้าริมถนนก็สาดแสงตามประษาหาลอดไฟรุ่นเก่าไม่ใช่หลอดนิออนอย่างปัจจุบันถึงแม้ความสว่างจะสาดส่องไม่ไกลก็ sequel, ยังดีเพาตกอยู่ในความมืดสนิทขณะที่ปูกำลังอิลุคุคลักกับการปั่นจักรยานในเครื่องติดอ่าเสร็จแล้วก็แววเสียงคนใส่เกีย้ย พพับพับมาที่กลางถนนอย่างกระทันหันมันน่าแปลกใจเพราะว่าไม่ใช่มีเสียงวิ่งจากไกลเป็นใกล้คล้ายๆอยู่ๆก็ผุดโผล่ขึ้นมาจากกลางถนนแล้วก็ออกวิ่งทันทีเลยการที่ปู่ได้ยินเสียงเกี๊ยแทนที่จะได้ยินเสียงรองเทา้าหนังรองเท้าผ้าใบเพราะว่าพ่อสอนนั่นเกี้ยเป็นรองเท้ายอดนิยมของคนไทยเชื้อสายจีนจนระบาดมาถึงคนไทยแท้ ราคาเกีย้ยซึ่งทำด้วยไม้ก็ย่อมยาวกว่ารองเท้าอย่างอื่นไอ้เจ้าคนใส่เกีย้ยใช่แต่จะวิ่งได้เร็วเหมือนลมพัดเสียงพูดของมันยังสนั่นยังกับกวาร้องกึกก้องไปทั้งสองรูหูของปู่มันห่อกลับกลับพลางปากก็ร้องตะโกนเอ้ยคุณบุรุษไพรสนีรอสะักะเดี๋ยวฉันเอาจดหมายที่เธอส่งผิดบ้านมาคืนให้ คนที่เขารอารับจดหมายฉบับนี้เขาจะได้ไม่ต้องรอแล้วรอเล่าเสียงร้องตะโกนของเจ้านั่นขุนหูปูก็าะล อ, อการปั่นจักรยานเป็นขับขี่แบบเนิบเนิบเพื่อให้หมอนั่นไล่กวดทันจะดูทีรู้ว่าเป็นใครทำไมซุ้มเสียงถึงได้ขุนหูพีลึกรอชั่วไม่กี่อึดใจเจ้ามนุษย์ใส่เกี้ยคอหอกับกลับมาวิ่งตีคู่กับจักรยานยนต์น้องปู ยื่นซองจดหมายที่ว่าส่งผิดบ้านคืนให้แก่ปู่ผู้เป็นบุรุษไปรสณนียจอมสะเพราขาดความรอบครอบเสร็จแล้วปู่ก็เหลือบไปมองหน้าของไอหมอนั่นเพื่อจะเอ่ยปากขอบคุณตามธรรมเนียมเผอิญการได้เห็นหน้าไอหมอนั่นแวบแรกทำเอาปู่ตกใจแข้งขาอ่อนปวกเปียกจักรยานยนต์บิดๆจะล้มแท้ได้ไม่ขาอ่อนก็เห็นทีจะไม่ได้แน่เนื่องจากหมอนั่นก็คือ คุณหลวงที่ว่าตายไปสามวันแล้วคืนนี้เป็นคืนที่ 3, สามศพยังตั้งสวด อ, อยู่ที่วัดสุขันธารามใกล้ๆนี่นเองการเห็นแวบเดียวก็จริงแต่มันชัดเจนมากหุนอันสูงโย่งแย่ยงเหมือนเสาโทรเลขตลอดจนหนวดเหนือริมฝีปากกระจุกเบรอแถมบิดปลายงอนงองยังก็เขี้ยวยักไม่ใช่คุณหลวงจะเป็นใครไปได้ล่ะปกติปูดแดงเองไม่เชื่อเรื่องผีสางนางไม้ เพราะแกเป็นคนหัวสมัยใหม่ไม่เชื่อว่าผีมีในโลกแต่การพบเห็นผีคุณหลวงแบบจะจระนี่ร่างของท่านวิ่งตีคู่กับปู่แดงซึ่งนั่งอยู่บนรถจักรยานยนต์ห่างกันแค่ครึ่งเมตรต่อให้คนหัวรั้นขนาดไหนไม่เชื่อเรื่องผีก็ต้องยอมรับในเดียวนั้นว่าผีมีจริงฝ่ายผีคุณหลวงไม่ได้มาเพื่อแหกอกควักไส้แลบลิ้นปลิ้นตาหลอกหลอน เจตนาอันใสซื่อของท่านมีประการเดียวก็คือเร่งนำจดหมายส่งคืนให้บุรุษไพรสณนียจะได้เอาไปส่งให้ถูกบ้านถูกคนตอนเจอผีเฮียนคุณหลวงนี่ปู่ยอมรับอย่างหน่าชื่นตาบานว่าผมทุกเส้นบนหัวตั้งเดเป็นขนเม่นเลยขนลุกเกลียวตั้งแต่ศรีรษะจรดปลายเท้าถ้าหัวใจหยุดเต้นง่ายๆปู่ก็คงตกใจจนช็อกตายไปแล้ว ช่วงไม่กี่วินาทีที่ผีกุณหลวงพยายามวิ่งตีคู่กับรถจักรยานยนต์เพื่อจะยื่นสองจดหมายถึงมือปูอท่านหารู้ไหมว่าริมผีปากพร้อมหนวดกระจุกเบอร์มแบะขยายออกไปตอนยิ้มนี่มันขยายออกไปจนจรดลดรูหูโชว์ฟันซี่เท่าจอบในปากให้เห็นทุกซี่มันเป็นยิ้มที่สยองโลกขยาวขวาัญปูซะไม่มี ปูตกใจจนเผลอสติแหกปากร้องขอให้คนช่วยสุดเสียงแล้วแข้งขาอันอ่อนเปียกของปู่ก็เกิดความกระฉับกระเฉงมีเรียวแรงขึ้นได้เองอย่างน่าประหลาดสามารถปั่นจักรยานได้เร็วจีอย่างกระรถแข่งไม่กี่อึดใจต่อมาเสียงเครื่องยนต์ขนาดจิ๋วเท่ากระป๋องนมสองใบต่อกันก็คลังกระหึ่มเสียงดังแตกแท ก, แกสนั่นขึ้นในความเงียบตอนกลางดึก วิ่งฉิวปลิวลมมาได้ไวกว่าใช้สองขาปั่นหลายเท่าชั่วพริบตาก็พุ่งปราดผ่านสะพานข้ามคลองสามเสนในถึงสียถนนนครชัยศรีด้วยความไวยังกะจะรดเลี้ยวขวาไปตามถนนนครชัยศรีอีกประมาณครึ่งกิโลเมตรก็ถึงบ้านของปู่แต่สิ่งที่น่าใจหายใจคว้าก็คือผีขุนหลวงวิ่งไล่กวดมาข้างหลังจะนิดถึงไหนถึงกัน ปากก็ร้องตะโกนเสียงดังฟังชัดทํานองว่าอุตส่าหเอาซองจดหมายส่งผิดบ้านมาคืนให้อ่าถ้าบุรุษไพรณีน่แม่รับไว้ก็เกินไปละ่ะด้วยความจําเป็นจําใจอย่างสุดจะหลีกเลี่ยงปู่ก็แข็งใจเอื้อมือข้างซ้ายไปรับซองจดหมายมาถือไว้แล้วก็ประคองแฮนด์รถด้วยมือขวาข้างเดียวหน้ารถก็สายไปสายมายังกางูเลื้อยจนเสียหลักพุ่งฉแฉลบไปปะทะกระสาบใบฟ้าริมถนนเข้าเต็มรัก รถปลิวไปทางปูกระเด็นไปอีกทางหล่นลงหัวฟาดพื้นสลบแน่นิ่งแต่ว่าไม่ถึงขั้นพิกลพิการหรือว่าตายหูงขาที่บุญนักหนาที่สมัยนั้นหลังเที่ยงคืนไปแล้วหารถราวิ่งบนถนนไม่ได้สักคันเดียวปูก็เลยรอดจากการถูกรถทับตายเสร็จแล้วได้สติในอีกครึ่งชั่วโมงต่อมาจะว่าเมาเละจนนึกเอาเองว่าโดนผีหลอก สองจนหมายก็ยังอยู่ในมือดีเฉยถ้าไม่ใช่ผีเอามาส่งแล้วจะเป็นใครไปได้โชคยังดีที่จักรยานยนต์ไม่มีอะไรบุบสลายจับยกขึ้นตั้งแล้วก็ขี่กลับบ้านได้เป็นปกติปู่ก็รีบเพ่นกลับบ้านที่พักปลอดภัยทั้งจากอุบัติเหตุและการถูกผีหลอกอนั่นก็คือผีสมัยกึ่งพุทธกาลที่ปู่แดงเล่าให้ฟังครับ ของเก่านี้มีอยู่ด้วยกันสองจำพวกพวกแรกก็ได้แก่ของเก่าที่หมดคุณค่าแล้วเช่นหนังสือพิมพ์ฉบับที่อ่านแล้วขวดเหล้าขวดเบียร์ขวดน้ําพลาสติกเป็นต้นแต่ก็อุตส่ามีพวกสาเล้งเห็นคุณประโยชน์ก็ขี่สาเล้งกระเวนซื้อตามบ้านเรือนไปขายให้ร้านรับซื้อเศษสิ่งของที่เก่ากะลาทํารายได้ต่อเดือนก็งามพอสมควรกับอีกอย่างหนึ่งคือของเก่ารายครั้ อันนี้ถือเป็นของเก่าล้ำค่าเพราะว่าคนร่ำรวยนิยมซื้อในสนนราคาที่แพงลิบเพื่อจะเก็บสะสมไว้อวดคนรวยด้วยกันทํานองว่าข้ามีรถนิยมสูงกว่าเองของเก่าลายครามนี่มีหลายประเภทเช่นรถเก่าอายุงานตั้งแต่ห้าถึงหกสิบปีขึ้นไปสภาพยังดีอยู่ไม่ผุเครื่องยนต์ยังซ่อมได้ตัวถังไม่ยุบย่นบุบสลาย แล้วก็เครื่องถ้วยชามที่เรียกว่าชามเบญจรงค์นุชามสังฆโลกเป็นต้นที่ยกเป็นตัวอย่างนี้ของเก่าลายครามยังมีอีกเยอะจรลายกันสามวันสามคืนก็ไม่หมดแม้แต่พระเครื่องพระบูชาก็จัดอยู่ในจำพวกของเก่าลายครามด้วยคนรวยที่เป็นนักสะสมของเก่านี่ต้องมีชั่วโมงบินสูงชั่วโมงบินในหมายถึงการมีประสบการณ์อย่างยาวนานรู้เห็นของเก่าลายครามมานับชิ้นไม่ท้วน มองปราดเดียวก็จำแนกได้เป๊ะๆว่าของจริงหรือว่าของทำเทียมเรียนแบบรู้ไปหมดว่าสนุนราคากลางอยู่ที่เท่าไหร่นาทีนี้ยังเป็นที่นิยมอยู่ในวงการนักเล่นของเก่าหรือเปล่านอกจากนั้นของเก่าลายครามที่ไม่เคยมีประวัติให้ศึกษาค้นคว้าเลยก็เป็นที่นิยมเหมือนกันเช่นเครื่องประดับหรือว่าสิ่งของเครื่องใช้ที่หามาได้จากโบราณสถานในป่าดงดิบจากในพีระมิดอียิปต์ จากเรือโบราณที่จมอยู่ก้นมหาสมุทรมานานหลายร้อยปีเป็นต้นสรุปสั้นๆว่าของเก่าลายครามมีคุณค่าขึ้นมาได้ก็ต่อเมื่อมีคนต้องการซื้อมันไปครอบครองเท่านั้นสนนราคาในะอยู่ที่การต่อรองเป็นสำคัญปัจจุบันมีคนร่ำรวยนิยมซื้อของเก่าลายครามไปสะสมมากขึ้นแต่ว่าของเก่านิหายากกว่าเดิมเนื่องจากในรอบหนึ่งศตวรรษที่ผ่านมา มีนักขุดหาวัตถุโบราณไปขายในฐานะของเก่าลายครามจนแทบไม่มีเหลือจะให้ขุดกันอีกแล้วเพราะฉะนั้นของเก่าลายครามก็เลยมีคุณค่าในตัวเองสูงขึ้นเรื่อยเรืยมีคนตาแหลมดังเงินถึงกล้าซื้อไปเปิดร้านขายอย่างเป็นล่ําเป็นสันเช่นร้านเฮยเล็งวัตถุโบราณย่านฝังทรนเป็นตึกแถวสามคูหาทะลุถึงกันหมดภายในร้านมีวัตถุโบราณที่เป็นของเก่าลายครามเป็นพันชิ้น มีตั้งแต่เงินเหรียญที่เรียกว่าสตังแดงหรือว่าสตังมีรูไปจนกระทั่งถึงพระพุทธรูปโบราณสมัยทวาราวดีเครื่องแกะสลักทําได้ไม้สมัยราชวงศ์ซองเฮลเล็งแกก็มีไว้บริการลูกค้าทุกระดับแต่ว่าวัตถุบโบราณชิ้นหนึ่งที่เขามีอยู่ในร้านตั้งแต่วันแรกๆที่เปิดบริการก็ยังขายไม่ออกไม่ค่อยมีคนสนใจแวะมาชมดูลักษณะของมันก็เหมือนกับหีบเหล็กใบเล็กๆ ขนาดใกล้เคียงกระกล่องใส่รองเท้ารูปลักเป็นสี่เหลี่ยมด้านเท่าไม่มีการสลักสลา่าวอะไรให้งดงามสะดุดตาหรอกอุปสรรคที่ทำให้ขายไม่ออกก็คือหีบเหล็กใบนี้ผนึกแน่นเป็นเนื้อเดียวกันไม่มีช่องใส่กุญแจสำหรับไขเปิดขวาออกดูข้างในประกอบกับมีน้ําหนักเบาเขย่าดูก็ไม่มีเสียงการเคลื่อนไหวจนเชื่อได้ว่าไม่มีอะไรบรรจุอยู่ที่มาของหีบเหล็ก เป็นโฆษณาในหน้าหนังสือพิมพ์หลายฉบับโปรโมทว่าร้านเฮยเล็งวัตถุโบราณซื้อของเก่าในราคาสูงสนใจติดต่อได้ตามเบอร์โทนี้หนึ่งในจำนวนผู้ที่โทรติดต่อซื้อขายของเก่าเทขายวัตถุโบราณในบ้านของเขาให้แบบชนิดเหมาหมดทุกชิ้นหีบเหล็กซึ่งวางรวมอยู่ด้วยก็เลยเติดมาอยู่ที่ร้านเฮยเล็งจากวันนั้นถึงปัจจุบันก็ยังอยู่ดีเฉยขายไม่ออก ถึงกระนั้นเขาก็ไม่ยอมทิ้งกว้างเขาเชื่อเสมอว่าต้องมีคนตาถึงซื้อมันติดมือไปจนได้มันเป็นเหล็กโบราณเนื้อดีสนิมไม่กินวางอยู่ในร้านหลายปียังเป็นมันแวววาวยามว่างเขาก็เคยลูบลูบคลำคลำค้นหาความลับถึงขนาดโยนโครมลงกับพื้นห้องเพื่อว่าจะกระทบกับกลไก ล, ลี้ลับทําให้ฝาหีบกระเด้งเปิดออกเองแต่ก็ขวาน้ําเหลวทุกครั้งเยเลิ้งก็อ่อนใจยอมแพ้วางมันไว้ที่เก่า ขายได้ก็ดีขายไม่ได้ก็จัางหัวมันร้านวัตถุบโบราณมีลูกจ้างเป็นชายชาวพม่าสองนายช่วยดูแลทำความสะอาดของล้ำค่าไม่ให้ฝุ่นละอองจับเขาเรียกสองเกลือสั้นๆว่มามองเอกับมองบอนะทำให้จำได้ง่ายตั้งเงินเดือนให้สองเกลืออยู่สูงพอสมควรเพื่อจะซื้อความซื่อสัตย์จงรักภักดีไม่คิดลักขโมยสมบัติโบราณไปขายให้ร้านอื่น รวมทั้งเช่าบ้านในสวนกลางซอยให้พักอาศัยไม่ไกลจากร้านมากนักสามารถตื่นเช้าก็เดินมาทํางานได้แล้วก็อนุญาตให้เซ็นเชื่ออาหารจากร้านตามสั่งฝั่งตรงข้ามกินเป็นรายเดือนอำนวยความสะดวกให้แก่สองเกลอชนิดครบวงจรอยู่มาวันหนึ่งสองเกลือซึ่งรู้กิติศัพท์กล่องเหล็กโบราณว่าเปิดยากก็เลยนึกขลังหยิบไปหลังร้าน เข้าซ่วมไปทำอะไรบางอย่างที่เชื่อว่าทำแล้วล้างอาถรรพ์ได้ปรากฏว่าทำพิธีแปลกๆแบบพม่าพักหนึ่งพอออกจากซ่วมมีตัวหนังสือขอมโบราณผุดขึ้นดีฝาหีบเหล็กสองมองนี่อ่านไม่ออกก็รีบเอาไปให้ในายจ้างคือเฮียเล้งดูเขาเป็นนักค่าของเก่ารอบรู้อักขระขอมโบราณที่แรกก็ดีใจมันได้แก้วนึกว่าเป็นคาไขปริศนาการเปิดฝาหีบเหล็ก แต่ที่ไหนได้ใจความในอักขระขอมระบุสั้นๆว่าอีกสามวันจะเกิดอักขีภัยเอ้ยพวกเอ็งทําอะไรกับหีบใบนี่วะฮะไอ้มองเอมันลองเอาไปเผาไฟในห้องสวมหลังร้านนะนายตัวหนังสือบอกอะไรทําไมทําหน้าโมโห ง, งั้นอ่ะมองเอหวังดีนาะช่วยจะหาทางเปิดผ้าหีบนะมีหน้าอะไรเอ็งเอาไฟไปเผามันถึงพยากร น, น่ากลัวยอย่างเนี้ย พยากรณ์ยังไงอะนายมันบอกว่าร้านค้าจะโดนถวายเพลิงอะเดิงนี่นายไม่เกี่ยวมันจะเผาร้านทำไมวัตถุอาถรรพ์มันไม่มีความคิดอ่านอะไรเป็นของตัวเองหรอกมันนึกว่าข้าซึงเป็นเจ้านายคงจะสั่งเองที่เป็นบริวารให้เอามันไปเผามัง้งมันก็เลยน้อมสนองด้วยการถวายเพลิงร้านค้างั้นเอามันไปถลุงเหล็กที่พระปรแดงฝั่งสำรองไหมนาย มังบีรู้จักเจ้าของโรงงานชาวอินเดียจับมันหลออไม่เป็นเหล็กละลายหมดดิ์หมดเดชเลยเป็นการล้างอาถรรพ์เอ้ยหยุดบ้าได้แล้วแค่ที่ทำไปก็เล่นเอาค่าประสาทจะกินและที่หลังห้ามทําพิเรกัของโบ ร, ราณในร้านค้าอี ก, กนะครับเจานะเฮียเล้งกินไม่ได้นอนไม่หลับว่าระวังร้านจนครบสามาสามคืนตามคำขู่ของหีบเหล็กเช้ามืดวันที่สี่เพิ่งจะรูดบานเลื่อน เปิดหน้าร้านเจ้าสองเกลือหม่องเอกับหม่องบีก็วิ่งหน้าตื่นมารายงานเจ้านายอยู่ดีๆไฟไหมที่บ้านกลางซอยที่นายเช่าให้พวกผมอยู่นะกวา่าจะวิ่งหาน้ํามาช่วยกันดับบ้านก็วอดเหลือเสาโดเด็ดําเป็นตอตะโกแล้วนายอ้าวแล้วนี่พวกเอ็งดูแลบ้านยังไงถึงทําไฟไหมบ้านเขาได้อ่ะครับเปล่าทำนะ ข้างบ้านมีกองขยะสูงไม่พะเนินเทินทึกไม่รู้ใครดีดก้นบุหรี่ใส่กองขยะตอนดึกอะ่ะกว่าจะสำลักวันไัยตื่นออกไปดูบ้านก็วอดไปครึ่งหลังแล้วนายเฮเล็งในหัวเสียกับอคีภัยที่เกิดขึ้นแต่ก็แอบดีใจอยู่ในส่วนลึกที่ร้านวัตถุโบราณของตัวยังปลอดภยัยลำพังบ้านเช่าทำด้วยไม้เก่าราคาไม่ถึงแสนผิดกับวัตถุโบราณบางชิน้นราคาเรือนล้าน ประกอบกระสองมองยืนยันว่าไม่ใช่ต้นเพลิงตำรวจไฟพิสูจน์หลักฐานตรวจแป๊บเดียวก็รู้ว่าไฟลุกไหมจากจุดไหนของซอยปัญหามีอย่างเดียวก็คือต้องวิ่งหาบ้านเช่าหลังใหม่ให้สองเกลอสำหรับหีบเบลกเจ้ากรรมหลังจากมีอักระขอมผุดขึ้นี่ฝาหีบไม่นานต่อมาก็ยังเกิดอศัศจรรย์มีลวดลายแกะสลักด้วยฝีมือฝ่ายศิลป์สมัยดึกดำบรรงดงามแปลกหูแปลกตา เดิมทีเป็นเหล็กผิวเกลี้ยงแท้ๆปรากฏว่ามีลวดลายผุดขึ้นมาเองได้ยังไงก็ไม่รู้เรื่องที่ว่านี้ก็ทำให้มันดูมีคุณค่ากว่าเดิมหลายเท่าแต่ก็มีเรื่องไม่น่าเชื่อกับอักขระที่ฝาหีบเป็นคำรบสองมันสามารถเปลี่ยนคำพูดเป็นอีกอย่างหนึ่งได้อย่างน่าอัศจรรย์ว่าอาปรางด้วยเลือดเหยื่เล็งเพ่งมองตาแทบประทุมันก็ยังเป็นอักขระใหม่ ส่วนของเดิมนะี่ลบตัวเองจางหายไปหมดแล้วเขางงเป็นไก่ตาแตกเลยหาคำอธิบายกับปรากฏการณ์แบบนี้ไม่ได้บ่ายวันเดียวกันมีนักธุรกิจแวะมาดูของเก่าที่ร้านเขาหลายคนมีอยู่คนหนึ่งเกิดสนใจหีบเหล็กหยิบขึ้นมาดูแล้วดูอีกดูจนพอใจแล้วก็เอ่ยปากถามราคาเขาเองก็อยากจะขายมันใจจะขาดก็เลยบอกไปแค่สองหมื่นเพื่อให้ต่อรองกะว่าสักมื่นครึ่งหมื่นก็จะยอมขายให้แล้ว ลงท้ายพบกันครึ่งทางที่หนึ่งหมื่นบาทเขากำลังจะหันไปร้องเรียกมองเอให้ช่วยหยิบถุงรูหรูมาใส่แต่นักธุรกิจที่ชื่อในเซ็งคนนั้นรีบจ่ายเงินเดินถือหีบเหล็กออกจากร้านไปอย่างรวดเร็วหายเงียบไปไม่ถึงชั่วโมงเยเซ้งก็โซซัสโซเซกลับมาที่ร้านเลือดท่วมตัวตั้งแต่หัวจรดเท้าเฮเลงรู้จักสนิทสนมกับเยเซงดีก็ร้องถามอย่างตกใจว่าเกิดอะไรขึ้น เฮียเซงก็แข็งใจอธิบายให้ฟังว่าเอาหีบเหล็กไปเก็บไว้ในรถที่จอดอยู่ตรงลานจอดของทางวัดฝั่งตรงข้ามร้านลือเนี่ยอยู่ๆมีวัยรุ่นติดยาสองคนขู่เอาเงินไปซื้อยาบ้าสองพันบาทอ้วโบกมือไล่นึกว่าไม่มีน้ำยาแต่ที่ไหนได้ไอ้คนที่ยืนข้างหลังมันพกไม้คมแฝกมาด้วยมันตีหัวอ้วดังพลยังก็ผ่ามะพร้าวอ้วลงไปนอนเห็นดาวเป็นล้านดวงเลย พอได้สติลุกขึ้นมามันก็ล่วงเอาจะตังไปแล้วกว่าอ้วจะเดินกลับมาหาเลือดได้โอ้ยล้มแล้วล้มอีกไม่รู้กี่ครั้งมืนหัวไม่หายแมงตีกะเอาตายเลยเฮียเลี้ยงใจหายวาบเลยเขาเพิ่งพบอัคระชุดใหม่เฮียเซงก็รับเคราะไปแทนท้ายหีบเหล็กยังอยู่ที่ร้านเขานั่นแหละที่จะอาบร่างโดยเลือดตามคำพยากรณ์ของมันโอ้ยอ้วเอากี่อีเหล็กมาขายคืนให้ลือดแล้วอ่วไม่เอาแล้ว จะจ่ายเท่าไหร่ก็ได้มันเป็นตัวสวยชัดๆเลยพึ่งซื้อมายังไม่ทันถึงกลับบ้านก็โดนตีหัวโอ้ยมึนไปหมดแล้วเลือดไหลาขาวตาเพื่อเห็นแก่การรับเพราะแทนของเพื่อนเก่าเหียเล้งก็จำใจรับซื้อหีบเหล็กคืนมาไว้ที่เดิมในราคาห้า0ันบาทกินกำไรนอนหนาะไปห้าพันทนโดยไม่ถือว่าเป็นความผิดคิดร้ไม่ผิดรำเนียมการค้าการขายซึ่งต้องการผลกาไรเป็นสาคัญ หลังจากนั้นไม่กี่วันอัคาระของโบราณบนฝาหีบก็เปลี่ยนประโยคใหม่ได้เองเป็นครั้งที่สามเขาเห็นตอนเช้าถึงก็ตกใจจนตัวเย็นวาบเลยอประโยคใหม่ผลุดขึ้นอย่างชัดเจนสองวิญญาณเฮ้ยเที่ยงนี้เอาถึงชีวิตเลยลววะวันเนี่ยใครจะสวยเป็นรายต่อไปลววะวันนี้เหรอในเล็งในระวังตัวแจพกปืนติดตัวตลอด เนื่องจากคำพยากรสองขนแรกในตรงเพียงยังกระเสกโดยมลขังคำพยากรที่สามก็คงไม่แคล้วตรงเพียงเช่นเดิมอายุเขาเพิ่งจะสี่สิบเสร็จยังมีฝันในไกลที่จะต้องไปให้ถึงและแล้วเหตุการณ์ซึ่งตรงกับอักระพยากรก็ปรากฏขึ้นอย่างรวดเร็วสองเกลมมองเอกมมองบนึกขลังทดลองซื้ อ, อยาบ้ามาเสพทั้งที่ไม่มีความจาเป็นจะต้องทาอย่างนั้น ว่ากันว่าการเสพครั้งแรกนี่ยทำไม่เกิดภาพหลอนแต่จะหลอนยังไงก็ผลวิสัยที่เขาจะเดาถูกเพราตกเย็นใกล้ถึงเวลาปิดหน้าร้านสองเกลือกหลบไปโต้เถียงกันแถวหลังร้านจนบรรลุกแก่โทะัะใช้ของมีคมทิ่มแทงกันเองตายโหงไปพร้อมกันทั้งคู่เียเล้งได้ยินเสียงอึกกระทึกครึกโครมที่หลังร้านเมื่อวิ่งไปถึงที่เกิดเหตุก็เห็นหม่องเอกับหม่องบีเป็นศพไปแล้ว เลือดสดๆนี้ไหลนองลานซักล้างอย่างน่าหวาเสียวตำรวจที่รุดมาชนะสูตรพลิกศพก็สันนิษฐานว่าเสพยาบ้าจนเกิดอาการประสาทหลอนฆ่ากันเองไม่เกี่ยวอะไรกับเยเล้งบัตรนี้หีบเหล็กกลายเป็นสื่อมฤตยูสามารถที่จะหยิบยื่นความตายให้ใครก็ได้ในเวลาอันสัน้นอย่างไรก็ตามการเปิดร้านวัตถุโบราณช่วยให้เขากว้างขวางในหมู่นักเลงเครื่องรางของ ข, องขลัง ตลอดจนนักพลังจิตที่สามารถนั่งทางในตรวจดูเหตุการณ์ลี้ลับมหัศจรรย์ได้เพื่อนคนนึงชื่อเฮียหมาเดิมทีเป็นนักเลงหัวไม้เจอคดีทําร้ายร่างกายต้องขึ้นโรงพักอยู่บ่อยๆเนื่องจากเป็นคนไม่มีศาสนาเชื่อว่าคนเราเกิดหนเดียวตายหนเดียวจะทําอะไรก็ทําไม่คานึงถึงบาปบุญคุณโทษกระทั่งคราวหนึ่งเขาทําไฟไหม้บ้านชั้นบนปรากฏว่าหิ้งพระที่เมียเขาบูชา เป็นพระอุปคุธแกะสลักด้ดยไม้จันหอมใส่ครอบแก้วมีน้ำหล่อไว้ในถาดเนื่องจากพระอุปคุธท่านจำมันสาอยู่สะดือทะเลปรากฏว่าพระเพลิงลุกไม่หือโหมถึงหิ้งพระแล้วหยุดชะ ง, งักไม่ลุกลามอีกห้องพระอยู่ดีเฉยทำให้ห้องถัดไปรอดจากการเป็นเหยื่ออากีภยัยความเสียหายมีเฉพาะอ่องนอนเท่านั้นเพราะว่าเขาดื่มเหล้าจนเมาแล้วก็สูบบุหรี่บนที่นอน เมื่อปล่อยหลับไปก้นบุรี่ก็หล่นจากนิ้วมือที่คีบไว้ไหมที่นอนแล้วลุกลามไปทั่วห้องเดชบุญที่กขาหนีออกมาจากกองไฟมาได้การได้พบเห็นถึงความศักดิ์สิทธิ์ของพระอุปคุตทาให้เขาเกิดเลื่อมสายในพระาศาสนาถึงกับทดลองฝึกนั่งทำสมาธิเองที่บ้านทำอีท่าไหนไม่รู้สา ม, มารถเข้าถึงองค์ฌานเหมือนกับปิกิุที่นั่งเพ่งกสินมีฤทธ เกิดหูทิปตาทิพนั่งทางในรู้เห็นสิ่งแปลกประหลาดทำไม่รู้ว่าอดีตชาติของเขาเคยบวชเรียนถึงขั้นสำเร็จเตโชกสินมีฤทธิ์มีเดชมากเมื่อทำต่อในชาติปัจจุบันก็เลยสำเร็จผลเร็วเป็นพิเศษทั้งทั้งที่เดิมทีเป็นคนไม่มีศาสนามาก่อนเฮียเล้งก็ขับรถไปรับเฮียหมาให้มาช่วยตรวจดูหีบเหล็กว่าทาไมถึงได้ทาเรื่องน่าอัศจรรย์ได้ถึงขนาดนี้ เฮีย่ยมานั่งทางในตรวจความเป็นมาครู่เดียวก็บอกได้หีบใบนี้สร้างจากกิติยาคมของนักบวชสมัยดึกดำบรรเป็นเหมือนห้องกักขังวิญญาณของมารใจบาปไว้ตนหนึ่งแต่เดิมเก็บรักษาหีบใบนี้ไว้ที่วิหารโบราณถึงตั้งอยู่กลางป่าเมืองพมา่ามีพวกนักหาของเก่าเอามาขายให้คนไทยจนตกทอดมาถึงลือที่แรกมันยังไม่มีพิษสงอะไร กระทั่งแรงงานพม่าเอามันไปเผาไฟในส่วมเป็นการทำลายกิตยาคมเกือบหมดสิน้นมานใจบาปสามารถใช้ริดกับหีบเหล็กอย่างที่รือรู้เห็นไปแล้วพระเอญเอาชีวิตรือเส้นสังเวยไม่สำเร็จมันก็เลยหักด่านกิตยาคมออกมาจากหีบไม่ได้เอาละ่ะเดี๋ยวอ้วจะช่วยเป็นธุระเอามันไปเก็บไว้ที่บ้านรอให้โย ม, มาบานนั้นขึ้นมาบนโลกเมื่อไหร่แล้วจะฝากท่านไปกัก บ, บริเวณไม่นย ม, มโลกอีกสักห้าพันปี เพื่อให้มันสำนึกบาปกลับจิตเปลี่ยนใจมาเป็นฝ่ายธรรมะไม่ใช่ทำร้ายล้างโลกตามหน้าที่เดิมของมันเออดีแล้วละ่ะช่วยเอาไปจากร้านอ้วเร็วๆว่าจะได้หาใจทั่วท้องหน่อยตั้งแต่มันเริ่มออกฤทธิ์ออกเดชเนี่ยอ้วแทบไม่เป็นอันกินอันนอนเน่ยกลัวมันจะพยากรณอะไรที่มันร้ายๆอีกนับจากเขี้ยวหมาจอมขมังเวทนำหีบเหล็กอาถรพ้นจากวัตถุโบราณก็ไม่มีเรื่องร้ายๆให้กล่าวขวัญถึง ส่วนเฮลเลงก็ฝากบอกนักเลงของเก่าให้รู้ทั่วกันถ้าหากว่าไม่รู้ความเป็นมาเป็นไปของวัตถุโบราณอย่าริอ่านซื้อไปตั้งโชว์เปนาันขาดไม่งั้นอาจจะเจอเรื่องน่ากลัวอย่างที่แกเล่าให้ฟังนี่แหละครับเวลาหมดแล้วทัาุกูฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจรยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ